อ่าวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเด็กกับเรื่องสุขภาพนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยปิดมือถือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้กันเต็มที่นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วกสําหรับการเรียนรู้วันนี้นะคะก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรที่เตรียม เื้อหามาอย่างนาแน่นที่สุดนะคะต้องขอเสียงบบมือให้กับพี่ดอมนะคะคุณปรารณีสืบแสงค่ะขอบคุณค่ะก็และแล้วก็มาถึงนะวันนี้ตเตรียมมาแบบว่า โอเคก็ okay. สวัสดีเพื่อนใหม่ทุกคนนะคะก็จริงๆก็มีแต่เพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนอนำสามคนแล้วก็มีเพื่อนของเก๋อีกหนึ่งคนนอกนั้นก็จะเป็นคนที่นี่ถ้ามีอะไรก็ถามได้อะนิดนิด l ถวอะไรก็ถามได้นะคะอที่ที่ไม่ใช่ฉลาด Okay. วันนี้ทุกคนทราบแล้วเรามาพูดเรื่องโรคเสื่อมก็คือจริงๆเนี่ยโรคเสื่อมเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าอายุยี่สิบห้าขึ้นไปโดยประมาณก็เสื่อมแล้วอความความเสื่อมในแง่ของวิทยศาศาสตร์กับในแง่ของที่เราพูดกันเนี่ยความเสื่อมจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะก็แก่แต่ว่าความแก่เนี่ยไม่ได้วัดที่อายุความแก่จะวัดที่ความเสื่อมนะคะอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นหลักของในแง่ของของเองอ่ ทางนิวทริชั่นหรือว่าทางทาง biochemistry นะคะแล้ว เ, เดี๋ยววันนี้จะพูดพูดถึงอันดามก่อไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าเออเราขึ้นมาพูดอะไรเพราะว่าพาร์ทของดอมเนี่ยจะเป็นพาร์ทพาร์ทแรกแล้วจะมีพาร์ทที่สองอีกที่ที่เป็นพี่ลินจะมาพูด oh. พี่ลินเนี่ยจะขอมดทุกอย่างให้เราเข้าใจได้แต่ว่าพาร์ทแรกที่ต้องมีเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า definition ของ ความหมายของโรคเสื่อมคืออะไรประเภทของโรคเสื่อมมีอะไรบ้างแล้วก็ที่มาอาการการรักษาเนี่ยก็จะไม่ได้ลงดีเทลแต่ว่ามีสไลด์ให้อ่านนะคะเออทีนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับตรงนีเรื่องโรคเสื่อมเนี่ยไ อ, อ้ตรงที่มาอะไรพวกนี้มันก็จะอธิบายรายละเอียดขึ้นตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญที่อาหารเสริมเนี่ยเราจะมาพูดว่าวิธีการดูแลเราของเราทุกวันเนี่ยเราเราดูแลเราเข้าใจตัวเองเราหรือยังเข้าใจกลไกการทางท า, งางนอ ต, ต่างๆเราหรือยังแล้วอาหารเสริมเนี่ย ทำไมต้องกินจริงๆอะ่ะหลายคนถ้าเกิดกินอาหารปกติที่สมบูรณ์อยู่แล้วจริงๆไม่ต้องกินอาหารเสริมก็ได้นะคะแล้วก็ประเภทของอาหารเสริมมีอะไรบ้างก็จะหลักๆเนี่ยก็จะดึงมาประมาณแปดเก้าตัวที่ที่มีส่วนในการเป็นเบสิกเป็นเหมือนคล้ายๆ prevention มากกว่านะคะส่วนถ้าเกิดเป็นโรคแล้วก็สามารถทานทานได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ยาอาหารเสริมก็คือ มันเหมือนแทนอาหารชดเชยอาหารส่วนที่เราไม่สามารถกินได้ในชีวิตประจำวันโรคเสื่อมหรือว่า degenerative disease เนี่ยความหมายคร่าวๆนะคะก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการเสื่อมถอยของการทำงานจริงๆในระดับเซลล์ร่างกายเนี่ยจะมีอวัยวะประกอบไปด้วยวัยวะอวัยวะก็จะมีเนื้อเยื่อนะคะเงลึกลุกไปจากเนื้อเยื่อได้มาจากเซลล์ร่างกายเรามีประมาณหกสิบ้าล้านเซลล์นะคะ แขนแขนแขนอันนึงนี่จะประกอบไปด้วยเซลล์หลายล้านหลายหลายเซลล์มากนะคะเพราะฉะนั้นเวลามันเสื่อมเนี่ยคำว่าเสื่อมมันไม่ได้เสื่อมที่ผิวที่เราเห็นผิวหนังเสื่อมนั่นคือเซลล์ผิวหนังเสื่อมหรือว่าถ้าสมองเสื่อมก็คือเซลล์สมองเสื่อมแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะคะปัจจุบันมีคน ตายเพราะสาเหตุของการโรคเสื่อมมากกว่าเชื้อโรคใคเช่นมาเมรียอหิวาเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนตายโรคแบบนี้แล้วเพราะว่ามีทางการแพทย์มันวัฒนาการเยอะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนจะตายด้วยโรคเสื่อมสาเหตุหลักของโรคเสื่อมคืออะไรก็คืออนุมูลอิสระกับเรื่องของการอักเสบการอักเสบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการติดเชื้อเหมือนที่แผลอักเสบไม่ได้เป็นมีความหมายในเซนส์นั้นแต่ว่ามันคือพวก external factor ต่างๆพวกสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกร่างกายหรือว่าสารเคมีหรืออาหารที่เรากินเข้าไปสารเคมีที่ได้จากอากาศหรืออาา แล้วก็ประกอบกับภูมิคุ้มกันที่เราจะมีไม่มากพอนะคะก็ทำให้เกิดการตายของเนื้อเยือ่อหรือว่าการเสื่อมของเซลล์การตายของเซลล์หรือเซลล์ถูกทำลายโรคเสื่อมประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่วงสีเหลืองนี้คือจะเน้นว่าวันนี้หลักๆที่จะพูดนอกจากหัวใจมะเร็งเบาหวานไครข้ออักเสบแนวก็จะมีโรคของอัลไซเมอรแล้วก็โรมาตอยโรมาตอยก็คือข้ออักเสบ ครูคงคงได้ยินว่าออกซิเดชันก็คืออนุมูลอิสระกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระมันก็เหมือนกับแอปเปิ้ลเวลาปอกทิ้งเอาไว้นะคะมันก็จะมันก็จะเป็นสีน้ําตาลกลายเป็นสีน้ําตาลอันนี้คือกระบวนการการเกิดอนุมูลอิสระทีนี้มาเข้าใจว่าเอ อ, อนุมลอิสระมันมาจากอะไรได้บ้างมันจะมาจากปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในเ อ, อถ้าปัจจัยภายนอกก็อย่างเช่นแสงแดด นะคะหรือรังสีหรือควันบุหรี่หรือว่าพลูชันจากโรงงานจากควันรถหรืออะไรก็ตามแต่นะคะส่วนปันจจัยภายในเนี่ย อ, อ, อย่างคนที่เคยเรียนมาแล้วอาจจะคุ้นกับคําว่าไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียเนี่ยมันมันจะอยู่ในเซลล์เราเซลเราลงลึกลงไปเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะมีจะมีนิวเคลียสนิวเคลียสก็จะมีไมโตคอนเดรียตัวนี้เป็นตัวที่จุดกําเนิดของที่เวลาเสื่อมมันเสื่อมมาจากตรงนี้เพราะว่าไมโตคอนเดรียเนี่ยมันเป็น จุดเริ่มของกระบวนการเผาผลาญก็คือเมตาบอลิซึมเวลาเราทํางานหนักๆ ห, หรือเราเออกกําลังมากๆหรือเราต้องใช้แรงกําลังอันนี้ก็เกิดการเผาผลาญกระบวนการเผาผลาญก็เหมือนเป็นการเผาไหม้เหมือนในรถยนต์เนี้ยมันก็คือมันมีสิ่งเผาไหม้ที่เหลืออันนั้นก็คื อ, อเป็นการเผาไหม้ที่ไม่หมดอันนั้นก็คือจะเกิดอนุมูลอลระในกระบวนการของร่างกายโดยธรรมชาติมันต้องเกิดอยู่แล้วนะคะอันนี้อนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ น้านนี้จะอาจจะจับงานนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแบบบันทึกเสียีแนตะ่ถ้าทุกคนไม่เข้าใจเนี่ยถามได้คือว่าในในในเซล์เราเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลแล้วโมเลกุลก็จะมีลึกลงไปเนี่ยก็จะมีอะตอมนะคะทีนี้อะตอมเนี่ยสมมติว่าอะตอมนี่คือกลมๆกลมๆสองอันนี้ในอะตอมหนึ่งอะตอมมันจะมีทั้งโปรตอนกับอิเล็กตรอน ก็คือมนุษย์คนเราเนี่ยมีไฟฟ้าอยู่ในตัวไฟฟ้าสถิตอย่างพวกเนี้ยทีนี้เนี่ยไออิเล็กตรอนกับโปรตอนนี่มันจะมีจานวนเท่ากันแล้วเวลาอะตอมมันมันมันประกอบก่อนที่จะมาเป็นเซลล์เนี่ยในอะตอมเนี่ยมันจะเชื่อมกันด้วยเคมีคอลบอนหรือว่าพันธะทางเคมีซึ่งมันจะมีตัวอิเล็กตรอนเนี่ยคอยเชื่อมนะคะท่นี้อันนี้คือสภาพเวลาที่เซลล์เราเสถียกปกติมันต้องเป็นแบบนี้มันจะเชื่อมกันด้วยกันแบบนี้ท่นี้เวลามีอนุโมทิสระโจมตีก็คือว่า อ, อมีปฏิกิริยาเคมีเข้ามาในร่างกายแล้วมันก็โมเลกุลมันก็จะเกิดการแตกตัวพอแตกตัวปุ๊บอะตอมจากที่มันเคยถูกยึดเหนี่ยอยู่แล้วจากด้วยด้วยใช้อิเล็กตรอนเป็นตัวเชื่อมนเนี่ยมันก็จะเสียอิเล็กตรอนไปถ้าเปรียบเปรียบเป็นอ n a l o g ย์ก็คือว่าสมมติว่าในห้องนี้มีคู่สามีภรรยาอยู่หนึ่งร้อยคู่ oh. นะคะเป็นคู่คู่แล้วก็มีเมียน้อยเดินเข้ามาเ <Hey. S 1> <laughs> มียน้อยใหญ่จริงๆเป็นอนุโมทิสาลามา oh. <laughs> <ś led> เ, เดินเข้ามาปุ๊บก็มาแย่งสามีไปหนึ่งคนมันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งขาดคู่เอ๊ะผู้หญิงที่ขาดคู่นี่ก็เดินไปแย่งสามีชาวบ้านต่อแล้วคนที่ขาดถูกแย่งก็จะเดินแย่งไปเรื่อยๆแย่งไปเรื่อยๆอันนี้มันคือเป็นปริกิริยลูกโซ่ที่อนุโมทนาธรรมทางานทตนี้นถ้าวันนึงเราปล่อยให้มีไม่น้อยห้าสิบคนหนึ่งพันคนเข้ามาแย่งผัว <ś led> <ś led> มันก็จะเกิดร่างกายเสือ่อมท้องนี้ก็จะไม่มีความสุข ก, ก็จะเกิดการเสื่อมขึ้นอันนี้คืออาจจะได้เข้าใจง่ายๆ ทีนี้เวลาเซล์เสื่อมเนี่ยมันจะมีสองอย่างบางคนอาจจะสงสัยว่าเสื่อมแล้วแก่หรือว่าเสื่อมแล้วเป็นมะเร็งถ้าเสื่อมแบบที่เราแก่นะคะก็คืออนุโมทละถูกทําลายอย่างที่บอกตะกี้เรื่องอิเล็กตรอนเนี่ยพอมันถูกทําลายปุ๊บถูกทําลายให้ดีเอ็นเอทำลายเซลแล้วก็ดีเอ็นเุโมทละเข้ามาเซลตาย เซลตายแล้วก็สูญเสียงการทำหน้าที่แล้วคุณไม่ซ่อมมันก็แก่หรือเหี่ยวแต่ถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือเซลถูกทำลายแล้วแต่มันลติพลายแบบคือปกติการเกิดเซลเนี่ยร่างกายต้องแบบผลิตเซลใหม่อยู่แล้วแต่ปกติเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงมันจะแบบผลิตได้ในเวที่ค n t r o l ได้แต่การเกิดเซลมเลมะเร็งนี่คือ once mm. วันถ้ถูกทำลายปุ๊บเซลบางตัวที่ถูกซ่อมแซมแล้วฟื้นตัวได้ก็โอเคแต่ถ้า มันไม่ถูกซ่อมแซมแล้วมันไม่สามารถฟื้นตัวเนี่ยมันก็ม้าท์แพร์ไปเรื่อยๆ อ, อันนี้คือสาเหตุของการเกิดมะเรง็งเพราะว่าไดเมชไดเมชเซลที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก๊อปปี้ก๊อปปี้ของเดิมที่ถูกไดเมชเอาไว้นะคะก็จะเกิดเป็นมะเรง็งแต่ว่าเซลลไม่ได้ตายที น, นี้ Free รดิเคิลหรืออนุญาติละเวลามันเป็นมันเกิดขึ้นในอวัยวะแต่ละที่มันเกิดอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นที่ตาก็คือเป็นต้อนะคะแล้วก็ถ้าเป็นที่ข้อนี่ก็จะเป็นรวมาตย มันเราไม่รู้มันจะ เ, เกิดที่ไหนบ้างจริงๆมันก็คงแล้วแต่พฤติกรรมของเราด้วยถ้าเป็นผิวก็จะเหี่ยวนี่นะคะถ้าเป็นสมองก็จะเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันอะไรพวกนี้สารอาหารที่เราจะได้เนี่ยการที่จะต้านอนุมูลอิสระเนี่ยอย่างพี่สาวดองมาเข้าใจว่ากินแค่วิตามินซีจบมันไม่ใช่คือเวลาเราเสียเสียเซลเสียสามีอย่างเงี้ยมันต้องเอาแบบจากหลายซอสเข้ามาซ่อมไม่เดซอสเดียว บ อ, อกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินอะไรที่มาต้านอมูลเสละเราต้องกินให้มันหลากหลายไม่ใช่อยู่ผลไม้ชีนิดเดิมๆปัจนะะจัจทย ท, นนจที่กระตุ้นการอักเสบนะคะจริงๆพฤติกรรมที่เราอยู่ในทุกวันเนี่ยมันมีปัจจัยที่กระตุ้นการอักเสบเยอะมากเช่นของปิ้งย่างทํางานหนักก็คือเมตาบอลิซึมเผาผลาญวิธีการนั่งแบบเนี้ยนั่งไม่ถูกวิธีอะไรเงี้ยก็จะเกิดการอักเสบในแงน่ลักษณะของกล้ามเนือ้อ อาจจะเป็นที่หลังที่คอหรือก็ตามแต่วิธีการนั่งที่ไม่ถูกต้องหรือเช่นนั่นงแขวะห้างเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเมื่อคุณทําซ้ําๆซ้ําๆเป็นเวลาหลายปีมันก็จะเกิดเกิดแล้วก็อย่างอารมณ์หรือการออกกาลังกายเนี่ยถ้าเครียดหรือไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะการออกกำลังกายมันก็ต้องควรจะทําต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่หักโหมเพราะถ้าหักโหมมากเกินไปก็จะเกิดอนุมูในสระโจมตีกับร่างกายเหมือนกัน ทีนี้เอาสถิติมาให้ดูว่าอันนี้ไปปีที่แล้วนะคะว่าสี่อันดับที่ทําให้คนตายมากที่สุดคนไทยตายมากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะคะแล้วก็จะเป็นพวกสังเกตดูว่าโรคพวกนี้ก็ไม่ใช่เชื้อโรค ก, ก็จะเป็นโรคเสือ่อมมันมันจะไม่มีอะิวงอะฮิวาหรือมาเรียอะไรมาแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยโรคมะเร็งกี่เราทราบแล้วว่า ท, ที่มาของการเกิดมะเร็งไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามอะ่ะคือการมัลติพลายของเซลล์มันทำให้เกิดโรคมะเร็ง ะะอันนี้ก็จะเป็นสถิติตตออกมาให้ดูเล่นๆคล้ลาว่าผู้ชายเนี่ยป่วยมากที่สุดก็คือมะเร็งตับนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นที่มะเร็งเต้านมท่านในแง่ของโรคมะเร็งตายชั่วโมงละเจ็ดคนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละแสนแล้วก็การรักษาโรคมะเร็งอันนี้เร า, เราทําให้ดูว่าวันถ้าเราเป็นโรคแล้วเนี่ยการบําบัดเราต้องใช้วิธีบาบัดอะไรบ้างซึ่ง่วนใหญ่มะเร็งเนี่ยจะไม่ค่อยมีวิธีบําบัดนอกเสียจากว่าใช้เคมีบําบัด เคมีบำบัดก็จะมีสองอย่างก็คือฉีดเข้าเส้นหรือว่าเป็นยาเคมีบำบัดชิ้นรับประทานแล้วถ้าเกิดมะเร็งเลือดขาวเนี่ยคุณก็จะต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนไขกระดูกนะคะผลข้างเคีเเยงของการใช้ยาเคมจีจะไม่พูดถึงชื่อยานะคะอันนี้เอาไปดูเป็นอิน r m เมชันได้แต่ว่าผลข้างเคียงของการใช้ยาเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดอาการชักหรือว่า ความจำเสื่อมได้คือเราจะบอกว่ายาเนี่ยรักษาโรคได้ก็จริงแต่ผลข้างเคียงมันร้ายยิ่งกว่าโรคที่มันต้องรักษานะคะมันก็ไม่คุ้มกันค้นเป็นมะเร็งสุดท้ายแล้วผลข้างเคียงก็ได้เป็นความจําเสื่อมมันก็จะมีสิ่งที่อ้างอิงถ้าเกิด อ, อยากจะไปค้นเพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเคมีบําบัดหรือค่ายาเนี่ยตกประมาณห้าถึงหกหมื่นบาทต่อครั้งต่อเข็มหรือว่า อ, อัพทูสามแสนบาทแล้วแต่ชนิดยา แต่ถ้าเกิดฉายแสงอันนี้คือไปไปหาข้อมูลมาเหมือนกันว่าจุฬานอาจจะถูกหน่อยอย่างที่เซีลุยนี้เขาไม่มีการฉายแสงก็จะส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลจุฬานะคะก็หกเจ็ดพันบาทแต่ถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับพรีเมียมเนี่ยก็ถึงแสนบาทแล้วก็การตัดชิ้นเนื้อตรวจเนี่ยบางทีมันไม่รู้ว่าเราไปลามถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นการตัดชิ้นเนื้อตรวจเนี่ยมันก็จะคอสตัต้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสาที่มาที่โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยเ อ, อ มันเป็นสถิติที่ที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เด็กก็เริ่มเป็นเยอะมากขึ้นไอคนเอเชียเนี่ยอาหารทุกวันเนี่ยคือไม่มีอ่ะไม่ค่อยใส่นตาลไม่มีนอกจากทําเองที่บ้านถ้าเกิดเข้าใจคําคําว่าเบาหวานนี่คงคงรู้แล้วว่าคือปัสสาวะหรือว่าเบาเนี่ยมันมีมีมีความหวานก็คือว่าเราเนี่ยกินมากเกินใช้กินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ําตาลที่ไม่ได้มีประโยชน์ มากเกินไปข้าวขาวขนมปังขาวของหวานเนี่ยแล้วเราก็ขาดกันออกกำลังสิ่งเหล่านี้นก็จะเพิ่มขึ้นในกระแสะเลือดทีนี้ถามว่าเมาหวานในกระบวนการที่เกิดมันกเกิดได้ยังไงอันนี้เป็นตัวเริ่มนะคะสมมติว่าเราเริ่มทานอาหารกรูโคลสจะเข้ามาในลาไส้ใช่ไหคะเสร็จแล้วก็น้ำตาลในกระแสะเลือดเนี่ยมันก็จะมาตามอาหารที่เรากิน แล้วก็น้ําตาลก็จะเพิ่มในกระแสะเลือดมากขึ้นเสร็จ แ, แล้วทุกครั้งที่น้ําตาลเข้าไปในกระแสะเลือดเนี่ยโดยอัตโมติแล้วตับอ่อนมันจะหลั่งอินซูลินนะคะอินซูลินออกมาแล้วก็จะไปะจับน้ําตาลแต่ว่ากลไกทางทางทา ง, ทางธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันก็จะไปเก็บไอ้น้ําตาลหรือ้กรูโคลสที่เขา้ามามันก็ไปเก็บที่ตับแล้วก็เนื้อเยื่ออื่นๆนะคะหลังจากนั้นก็วนเข้าไปในกระแสะเลือดในระดับกรูกโคสที่ปกติถ้าเรากินถ้าตรงเนี้ย ก็คือมาจากการกินว่าน้ําตาลในกระแสะเลือดเพิ่มคือคนที่กินหมู่คา ร, ร์โบไฮเดรตเยอะๆแป้งคุณภาพตำ่ำน้าตาลคุณภาพต่ํามากๆน้ําตาลตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะส่งผลให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาอย่างชนิดที่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันเยอะมากๆก็จะไม่ปกติก็ทําให้น้ําตาลกระแสในกระแสะเลือดเพิ่มขึ้นมากๆก็ทําให้เกิดเบาหวานขึ้นะนะคะคนอ้วนเนี่ยตายเพราะว่าโรคเบาหวานเลยเป็นห้าเท่าของคนที่ไม่อ้วน ะะอาการของโรคเบาหวานเนี่ยอันนี้ก็คือแผลครึ่งแผลรักษาไม่หายแล้วก็เ อ, อสามารถขึ้นได้ที่ตาเพราะว่ามันไปที่เส้นเลือดตรงตามือนกันนะะอันนี้ไปอธิบาย อ, อ, อ่านรายละเอียดก็ได้เนื่องจากว่ามันมีการอักเสบที่เส้นเลือดนะคะวิธีการรักษาโรคเบาหวานก็คือต้องฉีดอินซูลินนะคะแต่อย่างไรก็ตามอไอ้ไอผลข้างเคียงของยาที่ใช้รักษาเบาหวานเนี่ยก็จะเป็นเสียงหัวใจล้มเหลว อันนี้เมื่อกระทรวงสาธารณสุขประกาศเมื่อปี2554ว่าให้ใช้เลิกยาเอ่อให้เลิกใช้ยาตัวนี้เพราะว่ามีความเสี่ยงต่อหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็เวลาคุณจะต้องไปตรวจเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยคุณต้องตรวจอะไรบ้างตรวจเยอะมากอย่างน้อยปีละครั้งนะคะหรือบางอย่างก็ต้องตรวจแบบทุกๆสามเดือนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่ารักษาจากการใช้ยาเบาหวานโดยทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเป็นหลักพันหรือว่า หมื่นสองหมื่นอันนี้ถ้าในกรณีที่เชื้อโรคไม่ได้เออาการไม่ได้ลุกลามไปเป็นหัวใจหรือเป็นอย่างอื่นที่นี้มาหัวใจหัวใจที่เธอจะพูดถึงเนี่ยหัวใจที่เธอจะพูดถึงเนี่ยก็คือหัวใจที่เป็นหลอดเลือดแดงอ่โรคที่มาจากเกิดเกิดโรคหัวใจขึ้นเพราะว่าโรคหลอดเลือดแดงมันติดตันนะคะคล่องไขมันไปอุดตันอันนี้เนี่ยอย่างอย่างตรงแน่ที่จะชี้ให้ดูคือว่าปกติเส้นเลือดเออ่ หลอดเลือดเราเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงยืดหยุ่นพอเวลาเรากินน้ําตาลกับพวกไขมันเขาเ้าไปมากๆมันก็จะไปเกาะจากที่เหมือนเป็นสายยางเกลี้ยงๆนาวิ่งได้ไหลผ่านอย่างดีเส้นเลือดก็จะอักเสบพออักเสบก็จะขุกขระพอขรุขระปุ๊บไขมันก็จะไปเกาะง่ายๆพอไปเกาะง่ายปุ๊บมันก็จะพอกขึ้นเรื่อยๆเๆจนกระทั่งรูตรงเนี้ยให้เลือดวิง่งเหลือน้อยมากพอรูเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยหัวใจก็ต้องบีบบีบมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นโรคหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงมันสามารถเป็นได้อาจจะเป็นเรื่องจีนอาจจะเป็นเรื่องพฤติกรรมสุ่บริหรืออะไรก็ตามแต่ความเบาหวานก็จะส่งผลให้เกิดโรคหัวใจได้เหมือนกันทีนี้มาทําความเข้าใจไขมันนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยมันจะมีไขมันดีไขมันเลวไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ดี ท, ทั้งหมดคอเลสเตอรอลแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือคอเลสเตอรอลฝ่ายดีก็คือตัวที่เป็นไฮเดนซิตี้ก็คือเอชแล้วก็ตัว ld ลดีแเอีแเนี่ย อย่างเช่นที่ได้จากปลาทะเลน้ำลึกหรื อ, ห ร, อหรือพวกโอเมก้าสามที่เขาเน้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทำให้หลอดเลือดสะอาดเรียบรื่นเรากับสวกระทะเคลือบเทฟลอน oh. อแต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น LDL นี่จะเป็นไขมันไม่ดีที่ทำให้หลอดเลือดเสือนะคะที น, นี้เนี่ยเอ่อมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่เป็นไตรกราลีเซอไรด์ทุกคนคงได้ยินอยู่แล้วซึ่งซึ่งตัวเนี้ยก็จะทาแบบไป แทรกซึมซอกซอนผ่านผนังเส้นเลือดแล้วก็ทำให้เป็นคราบไขได้เร็วขึ้นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ทำคำเข้าใจคือไขมันทรานไอ้เนี่ยมันอยู่ในอาหารที่เรากินเยอะๆเช่นเคก้กมาการินคือคุณพ่อกินไม่ยอมกินเอยเพราะกลัวคอเลสเตอรอลแต่เราไปบอกเขาบอกว่าจริงๆอ่ะน้ำจืดมีไขมันทรานซึ่งน่ากลัวกว่ามันจะเป็นไขมันที่เกิดกระบวนการแปรรูปนะคะเพื่อทาให เพื่อทําให้มันอยู่ได้นานละ่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีเอไอ้พวกของที่เป็นโดนัทหรืออะไรทําให้ขนม ข, ขบเคี้ยวอะไรพวกนี้จะมีไขมันทรานอยู่เยอะนะคะ อ, อโทษของมันก็คือว่ามันไปเพิ่มไขมันตัวเร็วแล้วก็ไปลดไขมันตัวดีนั่นก็แปลว่าหลอดเลือดเราก็เราก็จะอักเสบแล้วก็ขุ่นขระมากขึ้นเรื่อยนี้ อ๋ออันนี้นะหน้านี้พอดีมาเติมทีหลังเดี๋ยวพี่กี่ถ่ายรูปทันไหมอมุมดม <c oughs> คือคืออุตสาหกรรมอาหารนิยมใช้เพราะว่ามันทนความร้อนได้สูงนะคะแล้วก็ไม่เหมือนหืนไม่เป็นไข่ขนมเค้กไอ้หน้าขนมเค้กเนี่ยตัวดีเลย อขอโทษถ้าบ้านมีธุ ร, รกิจเค้ก อ, อันนี้อันนี้อธิบายไขยมันทรานใช้ฟังทรานแฟตค่ะไม่มีเสียง คือไขมันที่มีอยู่ในอาหารชนิด ต, ต่างๆที่สำคัญเด็กๆและผู้ใหญ่หลายคนชอบกินผมมากๆเลยครับสังเกตง่ายๆว่าถ้าใครมีคุ่นอวบๆอ้วนๆนั่นแหละแฟนคลับของผมเลยวันนี้ผมมีญาติคนพิเศษที่ทำให้คุณอึ้งซึ้งกับความร้กาศของเขามาแนะนำด้วยเขาคือไขมันคราหลายคนอาจจะไม่รู้จักเขาแต่ถ้าผมบอกว่าเขามีอยู่ในคิจกก้เค หรือไม่ก็ดูนัดนั่นแน่เริ่มคุ้นๆนหรืยรู้จักเขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมไขมันฟนานอย่างฉันคือไขมันที่เกิดจากกระบวนการแปลงสภาพไขมันจากพืชให้กลายเป็นของแข็งหรือกึ่งเหลวโดยการเติมฟองอากาศจากไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันฉันมีอยู่มากในเนยเทียมหรือที่เรียกว่ามะกอรีนและก็นเนยขาว และฉันยังได้รับตําแหน่งไขมันที่มีอันตรายกับร่างกายสูงที่สุดสูงกว่าไขมันจากสัตว์หรือที่เรียกว่าไขมันอิมตัวซะอีกเจ๋งไหมละ่ะอาหารประเภทขนมอบคุกกี้เ ค, ค้กพายหรือไม่ก็โดนัทซึ่งนิยมใช้เนยเทียมแล้วก็เนยขาวเป็นส่วนผสมเพราะช่วยทําให้อาหารมีกลิ่นห อ, อมมีความคงตัวสามารถเก็บได้นานโดยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นพือนอีกทั้งเนยเทียมก็ยังมีราคาถูกกว่าเนยแท้ นี่แหละคือที่อยู่ของไขมันฟรานอย่างฉันนี่ <c oughs> <c oughs> ร้ออะไรฉันจึงได้รับตําแหน่งไขมันที่อันตรายต่อร่างกายมากที่สุดนี่คือความสามารถเฉพาะตัวลวนะ้วนๆครับฉันนั่นทำให้คอเลสเตอ ร, ตรอลชนิดเหลวในเลือดของผู้ที่ทำเกิดโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นแถมทาให้คอเลสเตอ ร, ตรอลชนิดดีในเลือดคือพวกที่มีประโยชน์ลดลงด้วยนะ ซคอเลสเตอรอลชนิดเหลวนี้จะนำคอเลสเตอรอลเข้าสู่ผนังหลอดเลือดแดง ก, ก่อติดสู่ผนังหลอดเลือดไว้หลอดเลือดแดจงจะแข็งและวกติดตันทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งส่งผลต่ อ, อการทำงานของหัวใจและก็ระบบเลือดทั่วร่างกายไร้การใช่ไม่ละระวังชั้นให้ดีๆ พยายามถีกหรือ ก, กินฉันให้น้อยที่สุดเพะฉันเตือนแล้วว่าไขมันส่นอย่างฉันน่ะคือไขมันไว้ ไ, ไตัวจริงนี่ก็เป็นข้อมูลที่ไปหามาเพิ่มมาให้ดูเสตติอาหารที่มีพวกไขมันพวกนี้อยู่พวกกาแฟเย็นก็มีนะคะเพราะว่าครีมเทียม ครีมเทียมมันมีอยู่แล้วพวกคอฟฟี่เมดพวกอะไรพวกเนี้ยพวกนมไอนมเละเหรออย่าแล้วก็วิธีการลดระดับ L D L เนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการออกกําลังนะคะแล้วก็ลดอาหารประเภทไขมันอิ่มตัวแต่ว่าควรจะกินไขมันชนิดดีมากขึ้นก็คือควรจะกินปลาทะเลไม่ใช่ปลาน้ําจืดปลาน้ำจืดเนี่ยกินก็ได้แต่มันจะมีโอเมก้าหกแต่ว่าปลาทะเลเนี่ยจะมีโอเมก้าสามซึ่งก็จะจะมี H D L ก็คือไขมันตัวดีไว้ทําความสะผนังหลอดเลือด ะะแล้วก็ลดไขมันทรานที่บอกสะกี้พวกเนยเสียมขนมอบเบเกอรี่เนี่ยอย่าพยายามอย่าทานแล้วก็กินไฟเบอร์ไฟเบอร์จริงๆมีสองชนิดนะคะก็จะมีเดี๋ยวจะพูดท้้งหลังแล้วกันเรื่องเรื่องของ Product นะคะจะมีสองชนิดก็คือไม่ละลายน้ำกับละลายน้ำแล้วก็ลดพวกแอลกอฮอล์ทีนี้เวลาเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยวิธีการรักษาวิธีการรักษาที่เอามาให้ดูก็คืออม อมันมันจะต้องฉีดสีเพื่อที่จะดูความติดของหลอดเลือดบางทีมันไม่ได้ติดจุดเดียวคุณก็ต้องฉีดสองจุดสมจุดเพื่อที่จะหาดูว่าตรงไหนที่เป็นติดนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของไอ้ลวดที่ต้องเข้าไปถึงเวลาทําบอลลูนเนี่ยต่อจุดเนี่ยมันก็ประมาณหกหมื่ถึงแสนหนึ่งแล้วแต่ชนิดเส้นลวดด้วยถ้าเกิดติดมากกว่าหนึ่งจุดก็ต้องใส่หลายตัวนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทําบอลลูนรวมแล้วก็ประมาณสองสามแสนบาท แล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการทําไบพาสการ ท, ทําไบพาสก็คือการผ่าตัดทําทางเดินเลือดใหม่นะคะก็คือไม่ไม่ไม่อาศัยหลอดเลือดปกติที่เราใช้มันใช้เลือดก็ไปเลี้ยงหัวใจอ่ะต้องต้องผ่าตัดใหม่ก็ราคาอันนี้อันนี้สูงมากทําไบพาสประมาณเป็นล้านนะคะทีนี้มาถึงเรื่องโรค ล, ลมตะไอยมันจะเป็นโรคที่ออนุโมทิละเนี้ยไปโจมตีที่ข้อมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเลือกของภูมิคุ้มกัน ค่ะเอ่อมันไปโจมตีที่ข้อจริงๆเนี่ยเราอายุสามสิบถึงห้าสิบก็เริ่มเป็นแล้วมีเพื่อนมีเพื่อนเลยเพื่อนโรงเรียนอะอายุสี่สิบเป็นโร ม, มาตอยแล้วก็ชอบกินพวกแบบขนมปังเคก้กมันๆเนี่ยชอบมากนะคะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ตอนนี้เป็นโร ม, มาตอยต้องฉีดยาเข้าเส้นอาทิตย์อาทิตย์ตละครั้งเข็มแล้วประมาณหมื่นนึงโชคดีที่บ้านมีฐานะแล้วก็มันมันอาการมันจะเป็นอย่างนี้อาการไม่เหมือนโรคเกา โรคเกาเนี่ยคือยิ่งเดินยิ่งปวดแล้วก็โรมาตอยเนี่ยมันจะปวดตามข้อเล็ลกๆโรคเกาจะเป็นตามข้อใหญ่ๆโรคเกานี่มาจากสัตว์ปีกแต่โรมาตอยจะปวดตามข้อเล็กๆแล้วเวลามันมันมันเวลาเรานอนอ่ะคือไม่มีการเคลื่อนไหวตื่นมาใหม่ๆมันจะแบบปวดมากมันต้องขยับร่างกายเล็กน้อยอ่ะแล้วถึงจะดีขึ้นแต่เกาเนี่ยตรงกันข้ามยิ่งขยับยิ่งปวดอันนั้นมาจากสัตว์ปีกแต่อันนี้มาจากเรื่องของภูมิคุ้มกันรุกรานเนื้อเย่อะในร่างกาย มันจะชอบมากพวกข้อเล็กๆอาการจริงๆอาการเอาไปอ่านได้นะคะก็จะเป็นพูดที่พูดมาจากทีน่นี้นะคะ ว, วิธีการรักษาโรครรมาตอยด์โรครูมาตอยด์เนี่ยมันมันต้องมันคือมันทุกคมันปวดอ่ะมันก็ต้องใช้พวกยาแก้ปวดวันนั้นพี่ลินก็อธิบายไปแล้วว่าการผลเสียของพาราเซตามอลเกิดอะไรขึ้น<ม>นะคะแล้วกออ็อาจจะต้องใช้มอร์ฟีนหรือเสียรอยซึ่งอันตรายมากๆสาหรับคนที่เป็นโรมาตอยด์ ทีนี้เรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของอัลไซเมอร์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือเป็นโรคที่อาจจะมาทางจินติกนะคะหรืออาจจะไม่ได้มาทางิตทางยีนพันธุกรรมหรืออาจจะไม่ได้มาทางพันธุกรรมก็ได้อาจจะมาจากพฤติกรรมเราโรคสมองเสื่อมนี่ก็คือมันไปเสื่อมที่เส้นเลือดที่เข้าไปเลี้ยงสมองนะคะซึ่งจริงๆพวกเนี้ยมันมัน มันเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันคือมันมันได้เป็นมันไม่ได้เป็นโรคเฉพาะที่มีอะไรแบบป้องกันได้หรือว่าสะล om ันได้วันท้าเป็นแล้วเป็นเลยคุณไม่หายคือคุณเสียชีวิตเท่านั้นแหะแล้วก็อัลไซเมอร์เนี่ยคุณอยู่ของคุณเองไม่ได้นะคุณต้องมีแบบคนดูแลเทคแคร์ทั้งวัน24ชั่วโมงเดี๋ยวดูวิดีโออันนี้ยค่ะก็คือจะเป็นวิดีโอจากอัลไซเมอร์ s อ ociation นะคะ Thank you. เขาบอกว่าตอนนี้ที่บางไทยัย ตอนนี้ที่เมืองไทยมีคนเป็นอัลไซเมอร์ล้านหนึ่งที่อเมริกาตอนนี้ห้าล้านแล้วปีนี้ที่จะเป็นเพิ่มอีกก็คือสี่แสนห้าหมื่นคนนี่ประเด็นของของอันนี้จริงๆมันเป็ น, เ ป, นเป็นองค์กรที่พยายามจะหาอาสาสมัครไปดูแลคนที่เป็นอ mm ัลไซเมอร์เพราะว่าคนที่คือคนที่เป็นดูคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนิทดยี่สิบสี่ชั่วโมงการดูแลเพราะฉะนั้น เราเป็นแค r e t a k e r หนึ่งคนเราเป็นคนผู้ดูแลหนึ่งคนเราไม่สามารถดูคนไข้หนึ่งคนได้เพราะว่าเราไม่สามารถตื่นยี่สี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไอ้คนดูแลเลยมันต้องแทก take นอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูแลก็ต้องมีจํานวนมากกว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งตอนนี้อเมริกาเขารณรงค์หาคนพวกเนี้ยโดยการที่ไม่รับค่าใช้จา่ายไม่รับค่าจ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายจากการไปดูแลคนอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเห็นไหมที่มันมีรูปรถขับก็คือก็ต้องขับรถไปเสียมันคือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นในการดูแลคนที่เป็นมอองเื ก็ก็สุดท้ายเราคือบอกว่าตอนนี้เป็นโรคที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พวกโรคหัวใจโรคโรคหัวใจโรคอื่นๆโรคมะเร็งเนี่ยตอนนี้อัตราลดลงเพราะว่ามันมีวิธีรักษาแล้วนะคะอัลไซเมอร์เนี่ยยังรักษาไม่ได้คุณได้แค่ดูแลสุขภาพเมนเทนสุขภาพเท่านั้นเองอาหารเชา้ามีส่วนมากเพราะว่ามือา้อเช้าในสิ่งที่คุณต้องการคือคาร์โบไฮเดรตชนิดชนิดที่ถูกต้องไม่ใช่แป้งขาวไม่ใช่ขนมปังขาว นะคะก็คือจะเป็นพวกพวกไฟเบอร์พวกขนมข้าวกล้องอะไรพวกนี้ต้องกินมืออนมนนม้อเช้าคาร์โบไฮเดรตบางคนลดความอ้วนนี่กินสลัดมื้อเช้าอันนั้นผิดเลยเออหรือว่ากินกินหมูปิ้งข้าวเหนียวตอนเช้าเนี้ยอาการอาการของอัลไซเมอร์ที่เป็นแบ่งเป็นสามระยะนะคะระยะแรกแรกก็น่ากลัวแล้วเพราะว่าคุณลืมทำทุกอย่างที่คุณลืมทำเ <laughs> ช่นปิดประตูลืมชื่อคนลืมทานยาหรือแบบอาจจะลืมชื่อแบบ คนที่อยู่ใกล้ตัวเราจำไอดีนิตี้ไม่ได้นะคะระยะที่สองก็คือสูญเสียความจำเรื่องเราในอดีตเริ่มพูดไม่ถูกต้องนะคะแพลนอะไรก็ไม่ได้แล้วก็จะสับสนไม่รู้วันรู้เดือนอการรักษาเนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีทางหายนะคะแล้วก็ต้องรับประทานยาเท่านั้นจริงๆเนี่ยมันมีอาการคล้ายกับคล้ายๆกับพาร์กินสันเป็นอาการทางสมองแต่พาร์กินสันนี่จะเกี่ยวกับทางกล้ามเนื้อด้วย ซึ่งจะอธิบายว่าผลข้างเคียงของการรักษาโรคพาร์คินสันนี่คือยาที่พอดีมีน้องที่ทำงานคนหนึ่งอาเขาเป็นพาร์คินสันแม่มข้างบ้านก็เป็นเป็นฝรั่งเป็นพาร์คินสันใช้ยาที่รักษาพาร์คินสันท้ายแล้วก็จะเริ่มมีอาการคล้ายๆเป็นอัลไซเมอร์ด้วยคือตื่นมาเนี่ยเขาเป็นบรรเสราก็าจะแต่งตัวไปทำงานทาไม่ได้ไม่รู้วันนี้วันอะไรดำรงชีวิตไม่ได้ก็ต้องแบบพึ่งหลานตลอดเวลา วิธีการดูแลสมองจริงๆเนี่ยเบสิกมากๆลดดื่มแอลกอฮอล์ระวังสารพิษแล้วก็การเอกิดอุบัติเหตุทางที่กระทบกับศีรษะตรวจสุขภาพประจำปรทุกปีแต่จะบอกว่าถ้าเราตรวจสุขภาพแล้วเราไม่เจอโรคไม่ได้แปลว่าเราไม่เป็นโรคอย่างที่เคยไปเรียนคอร์สของพี่บีมาก็คือว่ามันอย่างเวลาแบตเตอรี่ลดหมดเนี้ยตอนมันจะหมดแล้วไม่เราไม่รู้แต่ตอนมันหมดแล้วเราถึงจะรู้อืมตอนมันเริ่มหมดอันนั้นก็คือเริ่มเสื่อมแล้วเราไม่มีทางรู้ ะะตรวจสุขภาพ ป, ประจำทุกปีถ้าไม่เจอโรคไม่ได้แปลว่าคุณไม่ต้องดูแลตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ถึงระดับเซลล์เหมือนกันแล้วก็การผ่อนคลายความเครียดอนี้ก็มีส่วนออกกำลังแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์กับสมองนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีดีเทลในเรื่องของสารพวกต้านอนุมูลอิสระนี้จะเป็นวิตามินกลุ่มต่างๆเช่น A C E นะคะแล้วก็มีพวกโอเมก้าแปะกล้วยใบบ๊กอะไรพวกนี้แล้วก็หัดคานวณบวกเลขด้วยสมอง อย่าใช้เครื่องชิดเลขบ่อยเฮ้ยมาถึงอาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยเอเรามาเข้าใจกันว่าทําไมเราถึงต้องกินอาหารเสริมการกินอาหารเสริมเนี่ยคือบางทีงเราเข้าใจว่าท้องเรากินอิ่มแล้วหรือว่าเรากินครบแล้วจริงๆมันมันมันไม่ใช่เ ร, เรากินห้าหมูเรารู้แล้วรืยังว่าแต่ละหมูต้องกินอะไรแล้วหมู่ไหนเราต้องกินมื้อไหนเช่นหมู่บางคนไม่รู้ว่าตอนเช้าต้องกินหมู่อะไรสําคัญ เขาจะกินะสะเปะสะปะไปเรื่อยหรือว่าบางคนอสกิปมื้อเย็นเนี่ยก็จะมีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการกินอิ่มกับกินครบไม่เหมือนกันกินครบในที่นี้คือเซลล์ต้องได้ครบครบในระดับเซลล์เช่นถ้ากินโปรตีนคุณต้องมั่นใจว่าอะมิโนคุณต้องได้เก้าเก้าชนิดที่จําเป็นกดอะมิโนแอซิดเพราะว่าร่างกายทางเองไม่ได้กดอะมิโนแอซิดเก้าชนิดอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ในอาหารเราไปหาอาหารเหล่านั้นแล้วเรากินกินได้หรือเปล่าในชีวิตประจำวนันเราสามารถ เช่นสมมติว่าน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีผสมงาดํามีผสมอะไรต่างๆเพื่อให้อัลลิโอนอแอซิดครบเก้าชนิดแต่ว่าคนธรรมดาอย่างเราเราไม่รู้หรอกว่าชนิดที่หนึ่งที่สองที่สามมันไปอยู่ในไห น, ไหนบ้างชนิดที่ห้าที่หกที่เจ็ดอยู่ไหนบ้างนะคะก็ถ้าเป็นปโปรตีนเนี่ยต้องกินให้ได้ครบในดับเซลล์หมายถึงมีอะมิโนเข้าครบเก้าชนิดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรจะเป็น อประเภทที่มีเส้นใหญ่อาหารครบถ้วนนะคะกดไขมันก็ไปเป็นประเภทโอเมก้าสามแล้วก็วิตามินต้องครบสิบสองชนิดส่วนเกลือแร่ก็ครบสิบชนิดนะคะวันนี้ทุกคนคงทราบดีคือเราจะพูดส่วนตรงนี้คือนิวทริไลซ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเสริมถามว่าไม่กินอาหารเสริมได้ไหมหรือไม่กินนิวทริไลซ์ได้ไหมเราทํำคำเข้าใจว่านิวทริไลซ์เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกับอาหารเสริมทั่วไปแล้วก็ทําไมถึง ต้องเป็น n u t i l i t e นะคะ n u t i l i t e เนี่ยเป็นบริษัทแรกแกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมายาวนานกือบ20อ่า70ปีแล้วก็ r e a d Digest ก็รับรองตรงนี้ด้วยนะคะเป็นอ่บริษัทที่ผลิตอาหารเสริมที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ Nutrilite เนี่ยอ่ยึดมั่นในพันธสัญญาของเขาเนี่ยก็คือว่าต้องมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดแล้วก็ช่วยให้คนอื่นมีสุขภาพดีด้วยมันเป็นแบบ Business Vision ของเขาแล้วก็ มีนักพิสัยของตัวเองนะคะกว่าหนึ่งร้อยคนในอาหารเสริมบางยี่ห้ออาจจะไม่ได้มีนักพิสัยของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีพวกเขาเรียกอะไรลิขสิทธิ์เพจและลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองซึ่งนี่คือไรเนี่ยจดทะเบียนแล้วก็มีฟาร์มชีวภาพซึ่งในวันแรกอ่าน้องตังได้อธิบายไปแล้วว่าฟาร์มชีวภาพมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจจะพูดคร่าวๆให้คนที่เพิ่งมาครั้งแรกให้ฟังก็คืออย่างเช่นเออ่ถ้าพวนดินเนี้ยใช้หนอนไม่ได้ใช้เอง ลดรถไถซึ่งอันนั้นเป็นการทําลายหน้าดินก็ใช้หนอนพันธอียิปต์พวนดินเป็นเป็นชัยแบบขึ้นลงยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ใช้มแมลงไล่มแมลงอมืมียอดการผลิตที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็มีการทดสอบคุณภาพด้วยอันนี้อธิบายไปแล้วแล้วก็มีเทคโนโลยีชันสมัยยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าเอย่า ง, อ ย, างอย่างตัวเนี้ยตัวตัว เซรัลาเชอร์รี่เซลาเชอร์รี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้ความร้อนใช้ในตรวเซนแหล่ที่อุณหภูมิลบหนึ่งร้อยก้าสสอองศ า, าเพื่ออัดมาเป็นผงทำมาเป็นผงนะคะแล้วก็เก็บเชอร์รี่ตอนดิบเชอร์รี่ก็ปลูกที่ฟาร์มตัวเองที่บราซิล ว, วันแรกเรนอธิบายไปว่าธรรมชาติก็ปีไม่ได้เพราะว่าโดยพันมั น, ม, นมันต้องเกิดที่นั่นทุกวันนี้มี GMO เพราะว่า เราไม่สามารถเอาเชอร์รี่ที่ปลูกแบบออริจินอลแหล่งฟาร์มมันมากินได้เพราะว่าหนึ่งอาจจะหนึ่งค่าขนส่งแพงอินพอร์ตเข้ามาแพงแล้วก็เอาเชอร์รี่มาเราอาจจะตัดต่อพันธุกรรมมาปลูกในเมืองไทยยกตัวอย่างหรืออาจจะปลูกที่เชียงใหมนะ่คุณภาพพันธุ์มันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้พวกสาอาหารต่างๆที่อยู่ในผลไม้มันก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่มันควรจะเกิดในที่ที่มันควรจะเกิดนะคะเราก็จะได้กินเชอร์รี่ในแต่ละที่เนี่ยสารอาหารที่เราได้ก็ไม่เหมือนกัน อันนี้ก็ที่พูดไปว่าฟาร์มมีที่ไหนบ้างนะคะใ น, ใ, นในแถบอ s มริแล้วก็เป็นเป็นฟาร์มที่เป็นออร์แกนิกอันนี้ก็ระบวนการผลิตที่ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆไปแล้วนะคะอันนี้อาหารเสริมประเภทอาหารเสริมที่จะพูดเนี่ยสี่เบสิกเลยที่เราต้องทราบก็คือหนึ่งโปรตีนโปรตีนเนี่ยในส่วนของร่างกายส่วนที่แห้งทั้งหลายยก็จะเป็นโปรตีน กว่าครึ่งเป็นโปรตีนเช่นผมผิ ว, วปอดตับถูงน้ำดีขาแขนเนี่ยทุกอย่างเป็นโปรตีนหมดเลยนะคะแล้วก็มีดับเบิลเอ็กซ์เจะลงดีเทลทีนิดนะคะแล้วก็น้ำมันปลาที่มีโอเมก้าสามแล้วก็ไฟเบอร์แบบที่รลยน้ำได้กับรลยน้ำไม่ได้แล้วก็จะมีในตัวของโคเคนท์เพลสไอเบลินกิงโกะกระเทียมเลซิตินแล้วก็เลสเตอรอลโปรตีนตัวนี้ที่ พูดถึงเนี้คือประกอบไปด้วยสามส่วนหลักๆ ก, ก็คือจะมีถั่วเหลืองถั่วพีหรือถั่วเมล็ดเปียกแล้วก็ข้าวสาลีเป็นสาส่วนประกอบหลักถามว่าทําไมต้องผสมสามอย่างนี้เพราะว่าสามอย่างนี้รวมกันแล้วได้กรดอะมิโนแอซิดครบเก้าชนิดที่จําเป็นและที่ร่างกายสร้างไม่ได้นะคะก็ไม่เหมือนกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ซึ่งเอ่อมันจะมีไขมันแล้วก็มีโปรตีนแบบแบบที่ไม่ใช่เก้าชนิดที่เราไม่ต้องการเลยมันก็ต้องเราก็ได้เข้ามาด้วยหรือมีปหรือมีบางอย่างที่มาจากเนื้อสัตว์แล้วร่างกายเราต้องขับออก ซึ่เวลาขับออกมากๆเลยระบบภูมิท่านทานจะต้องทํางานเยอะแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยจะทําให้เลือดมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เกิดมะเร็งได้ง่ายมะเร็งชอบเลือดที่มีสภาพเป็นกรดส่วนไฟตัวนิวทรียนนะคะทุกคนคงรู้จักกันในแง่ของดับเบิลเอ็กซ์ก็จะมีวิตามินรวมเกลือแร่รวม่านส ก, กัดไฟตัวนิวทรียนต้องจิ้นครบทั้งสามอย่างนะคะอันนี้หลักๆเนี่ยคือมันต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากว่ามีพืชมากมายหลายชนิดมากนะคะแล้วก็ป้องกัน DNA อไม่ให้ถูกทำลายมันจะไปซ่อมที่ d n เอ็กระต้นให้เซลล์สร้างพลังงานนี่ค่าออแรคคืออะไรนี่ให้เป็นเป็นอนเลยสองคนที่อาจจะยังไม่เคยได้คุ้นคำนี้ค่าออแรคเนี่ยเป็นการวัดศักยภาพของของความสามารถในการต้านอนุบุลอิสระก็จะแนะนำให้กินที่ประมาณสามพั 5, นถึงห้าพันออแรคะแล้วก็ตัวพฤกษเคมีในดับเบิลเอ็กซ์คือ เนี่ยค่ะแอเซอราเอรีแอเซราแล้วก็แอปเปิลบลูเบอร์รี่แครนเบอร์รี่ออริกาโนพวกนี้พวกนี้จะมีจะมีข้าแหลกที่สูงแล้วก็อยู่ในเม็ดดับเบิ้ลเอ็กซ์นะคะในน้ำมันปลาที่ที่เราพูดถึงเนี่ยคืออย่างของดิวทลไลท์เนี่ยจะเป็นน้ำมันปลาที่มาจากปลาสซมันแล้วก็อยู่ในทะเลแอตแ ล, ลนติกเหนือ ซึ่งปลาแซลมอนที่ทำไปต้องเป็นปลาแซลมอนปลาอายุสัน้นค่ะโอกาสที่มันจะดูดสารพิษเนี่ยก็ก็เหมือนแบบรู้คา่าให้มันอายุสัน้นมันก็ไม่ไม่มีโอกาสอยู่ที่จะดูดสารพิษเยอะที่เจอสารพิษในน้ําเยอะแล้วก็ต้องเป็นปลาน้ําลึกนะคะเอ่อมันจะมีไขมันอยู่โอเมก้าจะมีกรดที่สําคัญอยู่สองชนิดเวลาเห็นโฆษณานมผงโฆษณานให้เด็กกินเนี่ยเขาจะพูดถึง DHA เพราะว่าเน้นสมองแต่ว่า ETA เนี่ยเป็นมามันมีหน้าที่ช่วยเพิ่ม s d l ซึ่งก็คือเรื่องของหลอดเลือดน้วมันปลาเรียนเบสิกรักษาไม่ใช่รักษาคือป้องกันทุกโรคเพราะว่ามันทำให้เส้นเลือดทั่วร่างกายเนี่ยคือที่บอกว่าเป็นผนังหลอดเลือดเรียบเลื่อนเหมือนกับเทฟลอนเลือดไหลน้ำไหลได้นะคะของนิวทิไลเน่จะเป็น EPA ที่สัดส่วน80มิิกรัม DHA 60 แล้วก็สาเหตุที่ต้องมีวิตามินอ e ีอยู่เนี่ยเพราะว่าวิตามินอ e ีจะทำให้น้ำมันปลาไม่เสื่อมง่ายลองไปดูที่ขวดแพ a g เกจของน้ำมันปลายี่ห้ออื่นว่าไม่มีวิตามินอะไรดีแคลร์นะคะแล้วก็สัดส่วนของ EPA กับ DHA เป็นเท่าไหร่คือมันอาจจะไม่ได้แปดสิบ versus หกสิบแต่ว่าอัตราส่วนจะประมาณเท่านี้นะคะประโยชน์ของน้ำมันปลาจริงๆตะกี้ก็อธิบายโดยคร่าวๆไปแล้วหลักๆ ก, ก็คือเรื่องของหลอดเลือด นะคะคนที่เป็นรวมาตอยเนี่ยก็สมควรที่จะทานอา่อไฟเบอร์ไฟเบอร์มีสองชนิดบางคนได้เลือกกินชนิดเดียวนะคะไฟเบอร์เนี่จะมีของนูเทลล่าที่จะเป็น chewable sure fiber blend ก็คือต้องเคี้ยวกินทีนี้สองสมเม็ดแล้วก็เคี้ยวให้ให้แหลกละเอียดแล้วก็กินน้ำตามเข้าไปเสองสมแก้วส่วนถ้าเป็นไฟเบอร์ผงเนี่ยจะเป็นแบบละลายน้ำนะคะซึ่งไฟเบอร์เนี่ยโดยรวมๆแล้วลมันจะทำหน้าที่ที่ ดูดสารพิษที่อยู่ในลําไส้แล้วก็เป็นอาหารของของจุลินทรีย์ชนิดดีอืคนที่แบบอาหารไม่ย่อยอะไรเงี้ยคือมีจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีอยู่เยอะก็ย่อยไม่ได้พอย่อยไม่ได้ปุ๊บมันเหมือนแบบคืออาจจะหนึ่งกากอาหารกินอาหารที่เป็นชน้ดกากใหญ่ไม่พอมันก็เหมือนเหมือนปริมาตรของกากใหญ่มันน้อยอะ่ะลำลาำไส้มันต้องสค u e e พอ s q u e e ไม่ออกหรือไม่ออกมันก็สะส ม, มในลาไส้ก็ ลำไ้ก็จะดูดซึมของเสียเข้ากระแสะเลือดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นพิษกระแสะเลือดคนที่อึไม่ออกนี่ก็คือระบบมันก็จะเริ่มไม่ดีแล้วเพราะว่าดูดซึมไปสิ่งที่เป็นพิษแล้วแต่ตัวเองกินอะไรเข้าไปแล้วก็เรื่องของ CoQ10 ตัวนี้ค่ะเอะมันจะไปทํางานตรงในระดับของของข้างในเซลลเลยไปช่วยเพิ่มพลังงานให้เซลลเหมือนกับเรามีกล้ามเนื้อแต่ถ้ากล้ามเนื้อเราเราไม่มีพลังงานอะกล้ามเนื้อก็ไม่มีแรง กล้ามเนื้อในที่นี้ไม่ได้แขนขาเท่านั้นนะคะมันจะเป็นกล้ามเนื้อแบบกล้ามเนื้อตั้งแต่สมองกล้ามเนื้อหัวใจด้วยแล้วก็กระหิกกระหิกนี่คุณสมบัติโดยทั่วไปก็คือว่าช่วยในเรื่องโกหัวใจแล้วก็ลดการอักเสบต่างๆซึ่งซึ่งกระหิกเนี่ยของของนิวเทรไลเนี่ยเขาจะใส่ ใส่ปาปรินเข้าไปเพื่อให้มันดับกลิ่นความแรงของกระเทียมนะคะและ e, e ้วก็เลซิตินอีไลซิตินอีเนี่ยียจะมีสาธิตให้ดูไลซิตินอี e เป็นตัวที่เอ่อเป็นสารสื่อประสาทคือร่างกายเวลาจะทำงานได้มันต้องมีการคอมมูนิเคตระหว่างทั่วทั้งทั่วร่างกายเราจะมฟอะไรเนี่ยมันก็คือเป็นสารสื่อประสาท ต, ตรงเนี้ยที่ไลซิตินอีช่วยตรงนี้ด้วยและ เป็น e m มัลซิฟายที่ทําให้น้ํากับน้ำมันรวมกันหมายความว่าพอมันรวมน้ํากับน้ำมันได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ไขมันน่ะไม่ไปเกาะตามเส้นเลือดมันก็จะทําให้ไหลออกไปได้มันก็จะแบบทําให้ flow ได้แต่ถ้าเกิดเราเราไม่กินอาหารประเภทที่มีเลซิตินอีหรือว่าเราไม่กินอาหารเสริมเลซิตินอีเข้าไปช่วยไขมันที่ที่เรามีอยู่ก็จะไปเกาะเกาะเกาะตามเส้นเลือดออกมาไม่ได้ผสมกับ ผสมกับน้ำที่เป็นเลือดไม่ได้นะะแล้วก็ในแง่ของเลซโรลก็จะ เ, เป็นตัวที่สกัดจากทาเขียวก็เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันคืออนุมูลอิสระที่บอกที่หลายๆตัวทาเนี้ยมันทำอาจจะทำคนละหน้าที่ทำในคนละส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็กินโก้กินโก้ล l u s ก็คือแปะกล้วยจากใบแปะกล้วยนะคะ ย้ำว่าใบบางคนบอกว่าเออที่จกินแบบเม็ดตปะกล้วยได้ไหมอะรอยรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนใบแปะกล้วยไม่ต้องมาจากใบแปะกล้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Eye Blend Plus outine, ที่ช่วยในเรื่องของของสายตาแต่ว่าหลักๆนี่จะเป็นพวกต้อมากกว่าถ้าพวกสายตายาวายตายสั้นอันนั้นมันเรื่องของกล้ามเนื้อตาไม่ใช่อันนั้นเราอาจจะต้องใช้วิธีการ exercise ลูกตาแต่ว่าอันนี้มันช่วยเรื่องของต้อนะคะ แล้วก็การมองเห็นในที่มืดพวกเนี้ยจะไปช่วยเรื่องเส้นเลือดฝอยเอ่อผักและผลไม้รวมเข้มข้นจริงๆเนี่ยก็มีหน้าที่เรื่องออต้านอนุนมูลอิสระเหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่คนที่เป็นเคสเอ็กซ์ตรีมคือแบบว่าแทบจะไม่ได้กินพวกผักผลไม้เลยเนี่ยก็ควรจะไปกินอย่างนี้อาจจะใช้แบบพกเอยงเดียวอาจจะมันอา จ, จไม่พ อ, อโอเคนี้เดี๋ยวจะสาธิตเลซิตินให้ดูนะคะเลซิตินตะกี้ที่บอกว่า ตัวนี้จะเป็นอีเมลซฟายเออร์เกาจะสาธิี่ดูว่ามันเป็นอีเมลซฟายเออร์ที่ที่ช่วยแบนน้ำกับน้ำมันได้ยังไง คนรู้หมดเลยชอบเพลง อ, อะไร <c oughs> เอ่อน้ำนี่จะแทนแทนเลือดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันพืช น, น้ามันพืชละก็ได้แล้วก็เอ่อจะแทนพวกไขมันที่เรากินเข้าไป <c oughs> ไป จะให้ไข่ก็ได้ขึ้นมาลองดูว่าเอ๊ะมัน เ, เนี๋ยวเดี๋ยวจะใส่เลซิตินนะคะเลชิตินทําหน้าที่เป็นออมัลซิเฟเยอร์พูด้ดึงฟั้งก็คือว่าจะผสมน้ำกับน้ำมันได้นะคะ่ะทีนี้เนี่ยก็จะทําให้ไขมันไม่เกาะในเลือดเราเนี่ยมันอาจจะเป็นหลอดเลือดทุกอย่างว่าแก้วหนึ่งเนี่ยถือเป็นหลอดเลือดแล้วก็น้ําเป็นเลือดแล้วก็น้ํามันก็เป็นไขมันที่เรากินเข้าไปมีเหมือนกันทั้งสองแก้ว เดี๋ยวแก้วหนึ่งจะใส่เลชิซินให้ดูเลชิซินอันนี้เอาไปบดแล้วจริงๆมันจะเป็นเม็ดๆนะคะีใครจะขึ้นมาเอากระดาษจิม้มเชนพดเชน โอ๊ตเชอบโอ๊ตเชอบสารสิทธิ์โอ๊ตชอบดูสารสิทธินี่เป็นกระดาษ A4 ธรรมดาค่ะแล้วก็เดี๋ยวจิ้มให้ดูว่าน้ำมันมันจะติดขึ้นมาเรียบเทียบกันนะคะอันไหนน้ํามันติดขึ้นมามากกว่ากันเราจิ้มไปพร้อมกันไม่โอ๊ก็จิ้มไปพร้อมกันสองอันก็ได้ Aid, mm -hmm. show mm -hmm. life, it's o h o w you how t too d watch bad. t t t i u e leave love me, love. Just on to my กินพร้อมกันแล้วก็ดูขึ้นมาถาดูใกล้ๆเนี่ยค่ะเรจะเห็นเป็นจุดๆจุดมันจะมีเหมือนแบบเป็นดวงๆน้มันดวงๆคือมันเหมือนแตบว่าแลคตินเนี่ยมันจะดูดทับไขมันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระดาษเนี่ยมันจะมีน้ำมันติกขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่กระดาษอันเนี้ย มันก็จะมีเหมือนแบบว่ามีทั้งน้ํามันที่ยังไม่ได้ถูกดูดซึมออกไปเนี่ยติดเข้ามาด้วยที่มองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นวัดเห็นใช่ไหมที่เหลือที่เหลือของกระดาษอีกผืนหนึ่งจจะแห้งก็จะมีน้ํามันติดขึ้นมาเป็นจุดๆแต่ว่าไม่เยอะเดี๋ยวในพักต่อไปนะคะจะเป็นพี่ลิน เป็นพี่ลินพี่ลินจะมาคำนวดความเข้าใจของเราแล้วก็จะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นว่ า, ว า, ก, า, ก, ากลไกกลไกร่างกายทํางานยังไงนะคะแล้วกเ็เหมือนกับการดูแลตัวเองที่เราทําในอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเกิดผลยังไงกับเราแล้วก็อาหารเสริมมีส่วนช่วยยังไงค่ะก็ขอเชิญพี่ลินปอบเมย์พี่ลินคุณลิลภวค่ะถัดจากนักคนค้นลูกโกลา อ๋อแรงชายหนุ่มชายนิวก้อยค่ะโอเคค่ะถอยถอยอย่างเดียวลวจาจ้ะไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องไปไหนไกลโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็น่ชุดใหม่ค่ะชุดให ม, <laughs> เม่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นโอ๊ตถามว่าทำไมไดสวยทุกวันเลยผอไม่ค่อยมีอะไรทํา เหมือนก็นั่งไดผมแต่งหน้านะคะก็ไม่ใช่นะชีวิตไม่ได้ไร้สาระขนาดนั้นนะคะก็จริงๆแล้วนะคะก็อยากจะขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนใหม่ๆมานะคะก็เ อ, อที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะชื่อรินรพัศสศจพนุ ก, กูลนะคะเรียกกันสั้นๆว่าลินนะคะไม่ต้องมีพี่ก็ได้นะคะอืมอะไรคำว่าพี่นี่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะคะไม่เหมือน <laughs> ไม่เหมือนคําว่าลินน ะ, ะอันนี้จะได้ให้หันได้ก็ต้องลินใช่ไหมคะแต่ว่า ที่บ้านนะคะที่บ้านที่บ้านมีชื่อเล่นที่บ้านนะคะชื่อว่ามึงนะคะอ่าเด็กเรียกโดยคุณพ่อพ่อเลยเป็นคนที่แบบเลี้ยงลูกด้วยแข้งเขาอยากมีลูกชายอะอยากมีลูกชายตอนเด็กๆนะคะไม่มีสิทธิ์ได้เล่นตุ๊กตาคือชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยมีตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยหรมไหมคะอืมนะไม่รู้เล่าทําไมนะคเอาเป็นว่าคือเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วก็เหมือนจะออกคือฟังเสียงลินไปฟังเสียงไฟเสียงตัวเองที่พูดเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วสอนคอร์สนี้เหมือนกันปีสองพันหกแล้วฟังแล้วแบบ โอ้โหทำไมเสียงเรามันแข็งแข็งเนอะแบคือเสียงแข็งมากอ่ะคือบางทีหล่ออ่ะเสียงหล่อ <laughs> เสียงแมนหอยวินอีกค่ะเนาะ <laughs> คือแบบบางทีวินพี่นิน <laughs> อยู่อะไรเนอะแต่ดิฉันด้วเสียงใหญ่มากนะะ <laughs> เคยมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนอ่ะเป็นแม่ของดาวไล่นะคะก็คุยโทรศัพท์กั น, <laughs> ก, นก็นัดเจอกันค่ะนัดเจอที่เมืองทองเขาบอกว่านึกว่าเราเป็นทอม <laughs> <laughs> <laughs> เขาเจอเสร็จตกใจทําไมดูหญิงหญิงในงบอกมึงต้องแต่งตัว offset เสียงไม่เช่นเดี๋ยวมันจะแมนเกินไปแล้วนะถ้าเก็คือแต่งตัวเป็นทอมอีกเสียงแบบนี้ไม่เหลือแน่หาคู่ไม่ได้ชีวิตนี้นะะ น, ะ น, นะคะก็การแนะนําตัวคร่าวๆไปแล้วนะคะมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเดี๋ยววันหลังเราได้หวังว่าคงจะได้รู้จักกันเพิเ่มเติมนะคะวันนี้ก็เอาเรื่องสุขภาพเอาให้รอดก่อนเพราะว่าเวลามีน้อยมากเลยนะคะก็ดิฉันริพัชชจริยวุฒคุณสวัสดีค่ะ โ okay, อเคค่ะก็วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องโรคเสื่อมนะคะโรคเสื่อมคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเขาถ้าสมมติเป็นภาษาอังกฤษฉันเรียกว่า infectious disease หมายถึงว่าโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสยีสอะไรพวกนี้นะคะที่เราเห็นคุ้นเคยกันอยู่ก็วพวกไข้หวัด H1N1 ซาร์1 1, SARS, HIV อะไรพวกนี้นะคะคือโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อโรคมามีผลกระทบกับร่างกายเรา นะแล้วก็เราพูดถึงเรื่องภูมิต้านทานด้วยว่าทํายังไงนะเราถึงจะเสริมเสริมภูมิต้านทานของเราส่วนสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเราคุยกันถึงเรื่องการกําจัดสารพิษในร่างกายนะทีนี้เนี่ยมั น, ม, นมันมีเหตุผลว่าทําไมเราต้องเรียนสามอย่างนี้แล้วเรียนต่อเนื่องมาแล้วทําไมเราต้องมาฟังด้วยตัวเองนะอย่างบางครั้งเนี่ยคนเข้ามาก็ไม่เข้าใจว่าก็เธอก็ไปเรียนแอ้มาเล่าให้ฉันฟังสินะหรือไม่ก็ทําไมต้องมาฟังลินพูดด้วยก็เดี๋ยวลินเล่าให้ฟังเลยบอกเลยดีกว่าว่าให้กินอะไรมินบอกโอ้ไม่เวิร์กอ่ะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเราไม่สามารถไปนั่งเฝ้าได้ว่าวันนี้คุณกินข้าวไปกี่จาน mm hmm. กินผักหรือเปล่ากินหมูหรือกินเนื้อกินกุ้งหรือกินปลาเห็น mm hmm. ไหมคะเราเท่านั้นแหละที่รู้ตัวเราเองดีนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาเรียน mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นนเี้ถ้าเรารู้ว่าเรากินอะไรไปแล้วเรามีสตินิดหนึ่งนะเราก็จะสามารถคํานวณได้ว่าวันนี้ร่างกายเราอะไรเกินอะไรขาดอะไรไม่อะไ ร, อะไ ร, อ, ะไรอะไรที่เราต้องการเพิ่ม mm hmm. เติมใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเองก็จะรู้ด้วยเหมือนกันว่าเราจะลืมการกินอาหารเสริมหรือเปล่า ใช่ไหมเราลยสามารถบอกได้นะคะบางคนนะคะ Double X เขาให้กินหนึ่งเดือนนะคะชุดหนึ่งบางทีกินไปสามเดือนโอ้กินยังไงสามเดือนเนื้นอไปคะเ น, นื้ออมทีละนิดละวะคายเอาไว้ก่อนก็ไม่ใช่นะะบางทีเด็ยก็คือลืมไปเลยน ะ, ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบการสุการดูแลสุขภาพนี่เป็นสิ่งที่รอไม่ได้แล้วเราต้องทําด้วยตัวเองเพราะว่าวันนี้นะคะเราเราทุกคนนะคะทําทําท ำ, ท ำ, ท, ำ, ท, ำ, ท, ำทำมาหากินน่ะนี่ง่ายๆถูกไหมคะต้องทํามาหากินทํามาแล้วก็หากิน ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ทํามาหากินนะคะมันก็ไม่มีให้กินถูกไหมคะแล้วที่นี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเกิดป่วยไปซะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือเราก็จะไม่สามารถหามากินได้น ะ, ะมันก็จะทําให้การหยุดนของการทํามาหากินของเราเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการดูแลสุขภาพดิณฑ์จำได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากในปีแรกที่เรนเข้ามาทําธุรกิจอมเวร์เพราะว่า มีผู้สตรีคนหนึ่งเป็นเป็นซิงเกิลมัมนะคะอยู่อยู่บ้านแต่ว่าบ้านเนี่ยอยู่ในแถบคลองเตยก็จะชายแดนสลัมนิดนิดชายแดนสลัมนะคะอยู่ห้องเล็กเล็นิดเดียวเองนะคะมีลูกคนหนึ่งนะคะกับ ล, ลูกก็ยังเล็กอยู่มากก็เรียนอนุบาลแล้นะคะเขาก็ก็เลี้ยงดูลูกเนี่ยเสร็จแล้วเขา่มาขอซื้อเครื่องกองน้ําเครื่องกองน้ํานะคะสมัยนั้นเนี่ยก็สองหมื่นกว่าบาทนะสิบปีที่แล้วนี่สองหมืนกว่าบาท เชื่อไหมคะว่าลินถามเขาเลินบอกว่า โ, โหคิดยังไงอะ่ะคือต้องต้องติดเครื่องน้ําก่อนนะกลัวเขาเปลี่ยนใจนะก็ติดเครื่องน้ำเสร็จแล้วถามเขาว่าถามจริงเหรอคิดยังไงอะ่ะเขาบอกว่าหนูอะ่ะเสียงไม่ได้ถ้าหนูป่วยไม่มีใครดูแลลูก เออคือนะคนเราเปนคิดได้สุดยอดมากๆนะคะก tane, gels, ivamente, ็ดีนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครนะคะที่รอเราอยู่หรือเราต้องดูแลเขาหรือใครที่รักเราแล้วเป็นห่วงเราอยู่ใช่ไหมคะเราจะให้คนที่รักแล้วเป็นห่วงเรามาคอยดูแลเราอย่างเดียวไม่ได้ตัวเราเองก็ต้องดูแลตัวเราเองเพราะว่าเรารู้ดีที่สุดว่านิสัยการกินนิสัยก่อนขี้ลืมของเรานะคะมันเป็นยังไงนะคะหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ที่ประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยคือ ไม่ได้ถึงก็เป็นคนที่อ่อนแอมากนะแต่ว่าตอนที่ลินเกิดมาเนี่ยไม่ถึงประมาณหึหกเดือนเนี่ยชักไปสามรอบ oh. นะคะชักไปสามรอบนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆ เ, เนี่ยมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาตอนขวบหนึ่งผ่าตัดตาไปสามครั้ง oh. นะคะพออายุชื่อสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดนะคะก็ผ่าใช้ติ่ง oh. พ่อบอกมึงควรจะตายไปตั้งแต่สามเดือนแรกแล้วึง oh. หรอไหมมึงก็ชื่อเล่นที่บ้านนะคะก็มึงควรจะตายไปตั้งแต่สามเดือนแรกแล้วพอชักไปเนี่ยนะคะคุณแม่พาเข้า emergency คือพอลินถามไปถามมานะคุณแม่บอกว่าตอนที่แม่เด็กๆแม่ก็ชักชักจนแถวบ้านเขาเบื่อละ <c oughs> <c oughs> ะคก็คือแบบว่าไม่รู้ม่าจจะเป็นกรรมพันธุ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารในขณะที่ท้องในการดูแลตัวเองนะคะก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ยังดูเป็นปกติใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้ปัญญาอ่อนอะไรเนาะ <c oughs> นะคะ จริงเซลล์สมองตายไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แถมตัวเองก็มาฆ่าเซลล์สมองอีกตอนสมัยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะเ<อ>ขาบอกการกินเหล้าหนึ่งครั้งนี่เซลล์สมองตายเป็นล้านเลยนะโอ้ โ, อโหทํากงเต้ ก, กันไม่ทันนะคะก็มินก็นะคะดูแลตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าคือเรารู้สึกวา่วาเวลาเรายังเด็กอ่ะเนี่ยอย่างบูดี้มาเรียนนะคะเรื่องเรื่องดูแลสุขภาพนี่ว่าสุดยอดมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะดูแลสุขภาพอย่างน้องน้องน้องแทนใช่ไหมคะก็สิบเจ นะคะก็ยังมาดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะ น, นั้นถ้าเราถ้าเราแก่แล้วก็<อ>ไม่แปลกใจนะคะต้องต้องดูแลสุขภาพแล้วนะคะต้องแล้วเพราะว่าเด็กๆเขาก็ยังดูแลสุขภาพผมพี่กีสะดุ้มเฮ้ยพูดถึงแก่ไม่ได้นะคะถ้าถ้าเราดูว่าเราแก่ อ, อายุหรือแก่ระดับเซลล์<า>นะคะเพราะว่าอย่างเรียนสี่สิกว่าแล้วใช่ไหมคะก็ยังดูเหมือน เอ้ยสิบแปดนี่ก็มอแล้วเดินเข้าไปมอไปลยกมือไหว้กันเกลียวเลยนะคะโอเคก็ในการดูแลสุขภาพเราเราต้องดูแลระดับทุกๆระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการกายภาพใช่ไหมคะเมื่อกี้ที้กันเราให้ฟังบอกว่าผมรู้นะคะว่าทําไมบางทีบางคนเนี่ยดูเหมือนพุงใหญ่เพราะว่าบางทีเขายืนเนี่ยเขายืนแอ่นผิดวิธีมันเลยดูพุงใหญ่แล้วแล้วกันก็บอกว่าแต่สำหรับกันคงไม่ใช่เหตุผลนั้น <_ an> นะคะการโครูจะเป็นเหตุผลที่พึงใหญ่จริงๆ <_ an> นะคะก็อ่าว่ากันไปนะคะสรุปว่า น, นีลมรนคุยเรื่องอะไรกันไนปะ <_ an> เราก็ต้องมาดูแลสุขภาพด้วยตัวเองนะคะแล้วก็รีบรีบดูแลยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะ <_ an> <_ an> ก็จาได้ว่าตอนที่เข้ามาในบรรยากาศนี้ใหม่ๆนะคะน้องคิดนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่คุณแม่เขาเนี่ยดีใจมากที่เข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์ AM แล้วกินอาหารเสริม Oh. คือก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําธุรกิจก็เลยไม่ได้คิดจะกินนึกออกไหมคะคือไม่ไม่กินก็ได้แต่พอทาธุรกิจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากรู้ว่าถ้าธุรกิจมันดีสินค้ามันดีจริงไหมก็เลยลองกินเออก็กลับกันเนาะบางคนนะคะเข้ามาเพราะว่าเพราะว่าอย่างมีผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่งเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองจนแบบป่วยหนักบ้าบอคอไตระยะไปหมดจนดีขึ้นแล้วก็ทานอาหารเสริมแต่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทำธุรกิจแต่ก็คือบอกต่อญาติพี่น้องให้ช่วยให้ทานกันเพื่อดูแลสุขภาพ นะคะผ่านไปห้าปีมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีห้าแสนนะคะสุดยอดมากเลยหรืว่าแบบบางทีมันก็มันมีเรื่องประหลาดๆในในธุรกิจเยอะๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาดูแลสุขภาพนี่ก็เล่าต่อแล้วกันนะคะแต่ก่อนเด็กๆก็เป็นคนที่โลกพอสมควรสักประมาณหกเจ็ดขวบก็ติดไข้เลือดออกแล้วก็เป็นมาลาเรียด้วยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลมิชชั่นเนี่ยแหละพุงบ่องเลยเป็นเดือนเลยนะคะก็ก็ป่วยฉลเพลินเรื่องจริงอ่ะอี่ศุภิชัยเป็นสองรอบนึกออกไหมคะ คือภูมิต้นานทานโง่มากจําไม่ได้ว่าเคยไปดีสูดอิสัยแล้วปกติใช่ไหมครับเป็นดีสูดอสัยเป็นแค่ครั้งเดียวได้นะครลินเป็นไปสองรอบได้ห่างกันสองปีก็งเงิเหมือนกัน่แบบัวจะเป็นอะไรกันกนะกระนาดนึกออกไหมแล้วแบบเป็นทิมก็อ布拉ซเป็นเท้าแตนปมเต็มนหน้าไปหมดอันนั้นก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพของลินแล้วก็พอตอนที่ลินโตขึ้นมาอีกระดับพอขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนี้ยพอดีตอนเรียนไฮสคูลเรียนออกกําลังกายเยอะ การออกกำลังกายก็สามารถช ด, ชชดเชยได้นะแต่ก่อนนี้เนี่ยอยู่ทีมเทนนิสโรงเรียนมปลายก็ตีเทนนิสทุกวันเลยจันถึงสุกวนลนสามชั่วโมงโแขนโตไปข้าง <laughs> เป็นป๊อบอายครึ่งหนึ่งเป็นโอลิมปครึ่งหนึ่งนะคะ <laughs> นะแขนใหญ่มากเลยแขนนะโอ้โหแบบเกียดมากเลยตอนหลังก็เลยเลิกเล่นเพราะว่าไม่สวยเล่นแล้วไม่สวยนะคะอ่าก็ เล่นกีฬายเยอะขึ้นสุภาพแข็งแรงขึ้นพอเข้ามาหาวิทยาลัยก็เริ่มลดลดเวลาในการเล่นลงนะคะไปเที่ยวกันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกจะออกกําลังกายแขนเดียวเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะคะมหาลัยยกยกขวดยกแก้วยกนั่นยกนี่อะไรอย่างเงี้ย น, นะคะก <c oughs> <ๆ>นะ็ว่ากันไปนะคะอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มสุขภาพไม่ดีอีกนะคะหลังจากที่กลับมาจากเอ อ, อเมริกาก็เรียนจบเตรีมแพทย์มาทีแรกตั้งใจจะเป็นแพทย์นะคะ อันนี้เป็นได้แค่แพทย์เสียไม่ใช่รอเล่น <laughs> นะก็แต่ก่อนนี้ตั้งใจจะเรียนแพทย์นะคะตั้งใจมากอยากเป็นหมอนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไงหมอแม่งไม่ตกงานแน่นอนน่ะนะคะสรุปแล้วเห็นชีวิตหมอเสร็จโอ้โหบัตรซอบชีวิต <laughs> ชีวิตหมอน่าหลงใหลมากใครเป็นหมอนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแต่แต่ตัวเองเนี่ยก็คือยังเป็นคนที่ที่โลกอยู่แต่เราก็ไม่รู้วิธีอื่นนอกจากกินยานี่คือคือ mentality ของคนส่วนใหญ่ คือความคิดของคนส่วนใหญ่ป่วยก็หาหมอไม่ป่วยก็คือปกติคือจะบอกว่ารถน้ํามันหมดหรือไม่หมดดูได้ไงดูได้ไงคะไม่รู้จริงปะทุกคันขับมาน้ํามันเท่ากันเหรอไม่เท่าเหมือนการสุขภาพเรานะคะเหมือนน้ามันในถังเลยรถมันก็ฟังชันได้จนกระทั่งน้ํามันหมดอะ mm hmm. แล้วเรามีเกวัดนะในรถอะ่ะแต่สุขภาพเราเอาอะไรวัดอะคะเราจะเอาผลตรวจเลือดที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีมาวัด มันว่ามันบอกไม่ได้หรอกนะว่าเมื่อคุณคอเลสเตอรอลสูงแสดงว่าคุณมีสิทธิ์หัวใจวายไม่จริงนะคะมีการค้นคว้าออกมาแล้ววิจัยออกมาแล้วนะคะไม่เกี่ยวกันเลยระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไม่ได้หมายความว่าคุณจะนื้ออกว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องหัวใจวายหัวใจวายคือหัวใจขัดเลือดเนื้อออกไปค่ะแล้วก็คือความตีบของหลอดเลือดเท่านั้นเองอาหารนะทีนี้เนี่ยก็นกึกดูแลสุขภาพตัวเองแบบแบบห่วยๆอย่างเงี้ยแบบไปหาหมอก็เป็นหวัดเดือนละครั้งครั้งหนึ่งก็ล้มเมทิดนึง แล้วก็เป็นเรื่องปกติหวักธรรมดาน้ำมูกไหลฮะชิวฮะชิวฮะชิวจมูกบูกบี้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะพอเจ็บคอปุ๊บก็พุ่งนี้เตรียมตัวเข้ า, ามุงลาดมันจะมีเลขคอที่เป็นมุงลาดทุกเดือนเลยนะคะสั่งยาเหมือนกันทุกเดือนเลยลดน้ำมูกนะคะถ้ามีบางทีมีไอบางทีไม่มีไอแล้วก็มียาฆ่าเชือ้อเห็นที่เล่าไปฟังเขาที่แล้วใช่ไหมคะว่ากินยาฆ่าเชื้อนะคะกินตั้งแต่สองรอยห้าสิมิลลิกรัมจนกินหนึ่งพันมิลลิกรัมอะ แล้วมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วพอตอนหลังยากลุ่มนี้ไม่ได้แล้วต้องไปกลุ่มอื่นหรือเปล่คะอ่านะคะก็เขาที่ก็อธิบายแล้วใช่ไหมคะเรื่องยาปฏิชีวนะแต่ละกลุ่มต่างกันยังไงนะคะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ดูรีสอรภาพมาพอเริ่มเข้ามาทําธุรกิจค่ะจริงๆแล้วเนี่ยรินชอบโปรตีนมากก็คือทานอ้เนี้โปรตีนเชอร์รี่ดับเบิลเอ็กซ์เอเชอร์รี่แอคทีฟเอสสอเนี่ยสมอย่างชอบมากเลยคือชอบเพราะว่าชอบเชอร์รี่ไม่มีประเด็นอื่น ไม่ได้รู้สึกว่าสุขภาพสําคัญเน่อะฮะชอบกินฮ้อชอบกินเชอร์รี่แล้วบางทีเราก็เอาเชอร์รี่มาชงกินเองเนื้อออกไหมชงกินเบเปล่าอ่ะแบบกินกับ น, น, น้ำํำผสมกับแอคทีฟบ้างใส่เกลือ น, นิดนึงนู่นนีนน่นั่นอย่างเงี้ยนสนุกมากอร่อยนะประเด็นคืออร่อยบางคนบอกตอนที่เราเริ่มเข้ามาทําธวยกิ่คนบอกบอีเ e e, ชอร์รี่เหม็นมันยาแก้ไอเลยเหม็นต้องไหนวะเนืกออาากดดอกไม่ก็เราโกรธอะบอกว่าเชอร์รี่ของฉันไม่พอใจแต่ก็ไม่เป็นไร พอทานโปรตีนได้สักปีหนึ่งค่ะเพิ่งหันหลังมาดูแล้วก็งงตัวเองว่าอ้าวสรุปว่าปีที่ผ่านมาไม่เป็นหวัดเลยแล้วตลอดระยะเวลาสิบ็ดปีที่ทําทุ่ยเกี่ยเามานะคะเป็นหวัดไปห้าครั้งคือครั้งนั้นนหะคือเมื่อไงคือครั้งแต่ละครั้งที่ที่ที่เราเป็นหวัดเนี่ยนะคะหรือไม่สบายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสภาวะเอ็กซ์ตร ม, มากเช่นไม่ได้นอนสามวันสามคืนเนี่ย เดินทางไปไหนตอนไหนแล้วไมไ่มีอาหารเสริมพกขึ้นเครื่องบินไปหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นะก่อนขึ้นเครื่องบินนะต้องเตรียมพร้อมบางทีเขาเอกซเรย์มานี่ผงขาวๆอะไรบอกไปดม <laughs> มันผงขาวๆอะไรเราไม่ได้ผมขาวขนาดนั้นเขบอกว่ามันคนละผงกันนี่สูตรทางจมูกไม่ได้ต้องดื่ม <laughs> <laughs> นะคะก็ <laughs> ะะถ้ามีนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าจริงๆสารอาหารสําคัญมาก จะบอกอย่างว่าจะยืนยันว่าทําไมสารอาหารสําคัญนี่บอกว่าตัวเราเนี่ยนะคะทาไมเราต้องมาเรียนอี่เหตุผลหนึ่งมีใครในห้องนี้ไม่ชอบกินผักเฮ้เยอะเหมือนกันนเนี่ยอ่านะคะใครไม่ทานเนื้อวัวอ่าพวกนี้ขาด B12 อ่านะคะใครทานมังสวิรัติคะมีโม้ มันกินทุกอย่างอ่ะคือเราบอกใครกินมะซวิรัติใครกินเนื้อมันยกทุกมือเลยมีอะไรกินหมดนะคะต่อเอา้าแล้วคือแบบเนี้ยนี่คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งบางคนนะคะชอบกินมะเขือเทศไม่ชอบกินมะเขือเทศบางคนไม่ชอบกินแครอทบางคนไม่ชอบกินคะนา้นาคะน้าบางคนก็ไม่ทานใช่ไหมคะผักสีนูน้นสีนี้บางคนกินผักได้มีแต่แตงกวา แตงกวาไม่รู้เขาเรียก ว, ว่าผักหรือเปล่านะคะก็นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือในชีวิตประจํำวันเรากินผักสีม่วงไหมคะรู้จักไหมคะผักสีม่วงนั้ทีแรกเรียแบบผักสีม่วงคืออะไรวะอ่ามุมังคุดผักสีม่วงกินเปลือกมังคุด อ่านะคะโยนน่ากลัวมากโอเคผักสีเหลืองสีส้มเหลืองส้มแครอทฟักทองข้าวโพดกินกล้วยกินเปลือกกล้วยเหรอโอเคนะคะกินตรงที่มันมีสีนะบางคนบอกว่าเนี่ยกินผักสีม่วงกินบังคุดไม่นับบังคุดสีขาว ถ้าอยากกินได้สีม่วงไปกินเปลือกมันโอเคปะอ่ า, okay, า, อานะคะวิธีเลือกง่ายๆนะค ะ, ะสรุปแล้วเนี่ยก็คือเราไม่ได้กินผักห้าสีอ่านะคะเราไม่ได้กินผักห้าสีทุกคนไม่ได้กินทานเนื้อวัวนะคะแล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้ทานอาหารทะเลเป็นประจําถูกไหมคะอ่าใครจะมาโกเม่ตลอดเวลานะเรนจะบอกว่าอย่างปลาแซลอมอนเงนี้ยเราเห็นในซูเปอร์เดีย๋ยวนี้ถูกๆกันมเลยนะคะแล้วจะบอกอุนี่ปลาแซลมอนพวกนี้นะคะเป็นปลาแซลมอนที่กินข้าวโพดนะคะ เพราะฉะนั้นกินแซลมอนก็จะได้ผักสีเหลืองอไม่ใช่คนละเรื่องกันนหมายความว่าคือพวกปลาเลี้ยงพวกนี้นะคะอยู่ในเอ็นไวมันที่ที่ที่คอนโเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ได้สารอาหารตามที่มันควรจะกินตามที่เราควรจะกินปลาแซลมอนคือปลาแซลมอนนั้นต้องกินเครืเครืคือไม่ใช่ไม่เน <No, no. S 1> มันคือแพงตนันอืมคือแพงตันในน้ำ นะคะแล้วก็กินแพนต้อนเนี่ยเพราะว่าไอโอเมก้าสามที่เราต้องการมันอยู่ในถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนเี้ก็เอาสิคะเห็นฉลามวาฬไหมกินแพนต้อนค่ะอ้าปากแบ่งค้างไว้ตลอดทั้งวันกว่าจะกินอินมได้นะคะกินอาหารน้ำทะเลลงไปอีกท้องเสียอีกอ่านะคะเอาไม่แห้งไปกินแพนต้อนรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเยอะเลยนะกินแพนต้นเนี่ยฮะมันง่ายกว่าการกินปลาแซลวันนะตรงไหนวะเนี่ย ที่สำคัญเกี่ยันง่ายกว่าการหยิบอันนี้หนึ่งเม็ดตรงไหนเนี่ยนึกออกไหมฮะอเออก็ <c oughs> บอกแล้วชีวิต ต, าา ต, ต, ต้องทำมาหากินมัวแต่ไปกินแป้งต้นอยู่กูก็มัวต้องทำมาหากินวันดีโอเคนะคะอ่าต่อเดี๋ยวให้เข้าเรื่องสักทีเดยโอเคค่ะก็อ่าเราเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าการกินเราไม่เหมือนกันบ้านไหนที่ชอบทานอาหารคล้ายๆกันนะยกตัวอย่างเช่นวุฟเฟ่ตงคุ ณ, คณ วู้ดีมงคลคุณนะคะมีที่บ้านเนี่ยขอให้มีพิซ่าหรือมีขนมปังชอมะเขือเทศแล้วซอสมะเกือเทศดี่ลิมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถกินได้กับทุกอย่างแม้กระทั่งโจก๊กไปเที่ยวพาริยานั่งกินนั่งกินโจ๊กตอนช้างเทเออดีไว้ได้ไลโกพิน <c oughs> นะคะอาสรุปแล้วนะคะบ้านนี้ก็จะทานอาหารเหมือนกันหมดเลยนะก็คือทานขนมปังพิซ่ามีอยู่แค่นี้แล้วก็มักกะโรนี วันที่แบบหึดๆ ห, หน่อยก็จะกินมะเขืนี่เพราะมันต้องเอาไปผัด <c oughs> ที่เหลือเนี่ยโทรสั่งเอานะคะง่ายดีแล้วก็จะทานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุขภาพคนทั้งบ้านก็จะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยน ะ, ะมันเหมือนกันเพราะว่าสารอาหารมันกําหนดว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะขาดหรือเป็นหรือไม่เป็นอะไรน ะ, ะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งจะบอกว่ายุคสมัยนี้นะคะก็เราก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเยอะมากหลายคนบอกว่า oo, ปู่ย่าตา ย, ยายยืนสี่สิบปดสิบปี ไ, ไม่ใช่สี่สิบแปสิบเก้าสิบปีใช่ไหมคะไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีน้ําสะอาดดื่มไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีสารอาหารมีอาหารเสริมกินทุกอย่างก็โอเคหมดแล้ว mm. นี่บอกว่าเราต้องไม่ใช่แค่ดูว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เรากินคืออะไรนะถ้าเรามาครั้งแรกใช่ไหมคะเราจะได้ดูหนังเรื่องฟู้ดอิงถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ดูนะคะกลับไปดูหนังเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อทางพันธุกรรมของพืชกับทุกชนิดที่อยู่ในท้องตลาดและมีขาย อันดับสองคือเนื้อสัตว์ที่เอามาเลี้ยงนะคะก็เอาเอกพวกพืชตัดต่อทางพันธุกรรมเนี่ยไปเลี้ยงสัตว์พวกนี้แล้วก็เหมือนกันตัดต่อผสมพันธุ์ของสัตว์พวกนี้เพื่อออกมาทําให้เป็นอาหารให้เร็วพอกับการกินของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาหารเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์แบบแล้วการที่ไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมทําให้ระบบและการขยายการเขาเรียกอะไร น, นะการการ reproduce ขยายพันธุ์ของเซลล์เราเนี่ยมันไม่ปกติ ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีการซ่อมแซม DNA ของเราอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาถึงเรื่องของเ อ, อสิ่งแวดล้อมรถเยอะขึ้นไหมคะทุกวันนี้นะฮะเยอะแล้วเยอะมากด้วยนะคะบางทีเนี่ยยิ่งเมื่อวานยิ่งเยอะใหญ่เลยไม่รู้มันมาจากไหนกันเมื่อวานวันนี้รถผมไม่ติดเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของคลื่นที่เราไม่เห็นเปิดโทรศัพท์ไปในโทรศัพท์เราเห็น มีทั้ง wifi มีทั้ง Bluetooth มีทั้ ง, งเนื่อออกไหมคะอิเล็กมอกเอเล็กเอเล็กโทรแเนติกเวฟเี่ยคือเรื่องคลื่นคลื่นกระแสไฟฟ้าพวกเนี้ยแล้วรวมทั้งอย่างเช่นบ้านคนที่อยู่ใกล้เสา wifi าใหญ่ๆเป็นหมันได้เงี้ยก็ไม่ได้รู้ตัวอะไรจริงไหมมันไม่ได้มาชนไม่ได้มาตกหน้าเราไม่ได้มาบอกเราว่ามึงไปไกลอะไรอย่างงี้ซะหน่อยจริงปะเออแต่มันอยู่ในอยู่ในอากาศที่เราเดินผ่านตลอดเวลาอยู่ในเรื่องราวต่างๆของเราแล้วตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็ตรวจเอ็กซาเละ เขาก็บอกแล้วอย่าเอกซเรย์บ่อยแต่ให้ตรวจสุขภาพปีละครั้งไม่ก็โดนบ่อยได้ไงเนี่ย <c oughs> แต่ก็จะต้องตรวจใช่ไหมคะแล้วแต่คนก็คือตรวจตรวจตรว จ, ตรวจตรวจคือเอกซเ ร, รย์ปอดเอกซเ ร, รย์อะไรอย่เงี้ยบางส่วนแล้วก็มีโอเจ้าสาวคือเรื่องราวพวกนี้มันก็เกิดขึ้นในชีวิตเรามากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเรื่อยๆ้วนะกระแสอย่างเช่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยส่งมาจากดาวเทียมอ่ะแล้วเราคิวมันอยู่แถวนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกเราจะไม่โดนมันบ้างหรอ คือเรื่องพวกนี้มันก็มีส่วนในเรื่องของการกระตุน้นเรื่องการเกิดอนุมูลิสระนะคะเกิดอนุมูลิสระในร่างกายเราไ ม, ม่ว่าจะเป็นพอลูชันด้วยพอลูชันนี่ก็มีอะไรบ้างอะคะคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะคาร์บอนมอนอกไซด์นี่ก็คือเป็นเป็นแฝดคู่คู่ตัวร้ายของคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหม อ่านะก็แบบมามาเป็นคู่นะคะแพ็กคู่เราก็ได้ทั้งสองอย่างโชคดีคาร์บอนไดออกไซด์ถูกต้นไม้กําจัดได้แต่โชคร้ายเรากําจัดต้นไม้ไปหมดแล้วอเออนะก็เนี่แหละก็ลองคิดดูนะคะในชีวิตประจําวันเราพวกนี้ยทุกสิ่งอย่างมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้วเราไม่เปลี่ยนอุปนิสัยการบริโภคของเราหรืออุปนิสัยการดูแลสุขภาพของเราไม่ได้ล้<อ>น ะ, ะเรื่องราพวกนี้มันมีและสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก<อ>็มีอะไรอีกนะที่นั่นจะบอกอ๋อหนึ่งคือแล้วก็ความเครียด สังคมยุคสมัยนี้เครียดไหม <Yeah. S 1> เครียดเนาะแข่งขันกันทุกเรื่องแ <All right. S 1> ข่งขันกันเรื่องแต่สามขวบ oh. มันจะต้องร้องลินจําได้บุหุนเป็นภาพบาดตามากคือบางคนเขาแบบ í, ไปดูเชีย ร, ร, ร, ร์เชียร์หลานร้องเพลงประกวัติเ e, นี่อเหรอไหมคะเชียร์หลานร้องเพลงประกวดมีสตาเมคเกอร์มีเคพีนี่เนี่อเอกหมคะเยอะแยะมากมายมึงก็ไปเชียร์เวลาเราเห็นเด็กสามสี่ขวบเสร็จแล้วมันถูกประกาศว่ามันตกรอบอะ่ะ มันย oh, ืนร้อไหม่เอาจะชนะจะชนะอยู่ย่งเงี้นึกอว่ม hmm. ันเครีตั้งแต่เด yeah> ็กอ่ะคือยดไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ลูกไปไ่้ในป่าหรือเปล่าลูกห็นจะไม่เครียดนึกบอกว่คือในชีวิตประจำวันมันแข่งกันมากมายเลยอ่ะรู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่เราเกิดมาเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนึกบอกไหมฮะเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้ยมันยังไม่มีอ่ใช่ปะหามันก็แบบยังแข่งกันเรียนอ่ะแต่ใครได้เกรดดีไม่ดีก็ไม่เห็นสนใจเลยนึกบอกว่า มันก็ธรรมดาเดี๋ยวนี้นูโอ้โหไขที่ได้ที่หนึ่งที่สองจะต้องไปประกวดแข่งระดับชาติระดับโลกระดับนี่หรอเปล่ามระดับจักรวาล<อ>แข่งกันเยอะเหลือเกินแข่งชิงทุ น, แ ข, น, นแข่งนู่นแข่งนี่นี่หรอเปล่าดีแล้วพ่อไม่น่าทำไมพ่อเรนบอกว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนหรอกรอรับมรดกอย่างเดียวพอเขาจะได้ไม่เกลียดนะเขาคงเครียดมามากพอแล้วก็เลยไม่อยากให้เราเกลียด <c oughs> แต่ว่าถามจริ ง, รงๆแล้วความสําเร็จมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ส่งต่อกันได้ นะฮะความสำเร็จของพ่อไม่ใช่ความสำเร็จ ข, ของเรานะฮะความสําเร็จของเราก็คือความสำเร็จ ข, ของเรานะฮะไม่มีใครมาให้เราได้นะฮะก็มีเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เรื่องราวต่างๆของเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วบวกกับคุณภาพชีวิตที่ลดลงเดี๋ยวนี้นะคะคนทํางานเนี่ยถ้าทํางานกันหนักๆมากๆบางทีมื้อเช้าไม่ได้กินมื้อกลางวันกินนิดนึงหรือไม่กินเลยสมัยตอนที่เรนทำคอนเส้า์ตนะคะทำงานเวลา20ชั่วโมงเวลากินกับเวลานั่งทําคอมคือเวลาเดียวกันนะ่ะคือเคี้ยวไปพัดทําไป กินข้าวจะกล่องโฟมอะค่ะนะก็กินอาหารจานเดียวอะไรก็ได้เขาจะไปร้านมักกะโรนีก็สั่งมักกะโรนีเนืกอว่าเขาจะไปร้านกะเพราก็สั่งกะเพราอะเขากินอะไรก็กินอะนรเนี่ยเอาให้มันมาเร็วๆแล้วแก้หิวได้มีไข่ซักฟองหนึ่งใช้ได้ละนะคะผักเพลิคไม่ได้กินนะคะแถมในสมัยก่อนในออฟฟิศไม่ได้ห้ามสูบบุหรี่ใช่ไหมคะโอ้โหพาร์ทเนอร์แต่ละคนก็สูบบุหรี่กันอย่างเงี้ยเนื้อว่าอย่างเงี้ยอย่างกระป๋องไฟ นะก็นั่งสูดเข้าไปสูดไปสูดมาจุดเอง <c oughs> นะคแบบเขาบอกว่าเซ็กแอนแฮนสโมกไม่ดีใช่ไหมคะเราก็เฟิร์สแอนเช่นเลยนะอ่าเอาเป็นว่าแล้วนะเราก็จะเห็นว่าไลฟ์สไตล์และคุณภาพชีวิตมันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงเสื่อมถ้าเรานะโตภายใต้สภาวะที่แบบเคยเห็นคนจีนสมัยโบราณใช่ไหมคะสมัยแมนจูที่เขามัดเท้าให้เท้าเล็กๆกะ่ะ เออเขาจะบอกว่าสวยและเซ็กซี่มากแต่เวลาถอดรองเท้าออกมาเห็นแล้วน่ากลัวมากเคยเห็นไหมคะในการที่เราจะเจริญเติบโตหรือร่างกายเรานะคะจะจะ reproduce หรือเติบโตขึ้นไปไม่ว่าจะเติบโตในทางไหนหมายถึงว่าถัดเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายหรือว่าจะเติบโตขึ้นในฐานะที่เป็นเด็กและสูงขึ้นหรือเราจะเติบโตแบบผู้ใหญ่คือกว้างขึ้นนะเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรมาจํากัดเราอ่ะ มันก็คือเหมือนกับเรื่องพวกเรื่องความเครียดนะคะเรื่องสารอาหารที่เราทานรวมทั้งแบบเรื่องของแบบที่เรียนบอกว่าคลื่นอิเล็กทรอนิกแม้ในตีทั้งหลายเรื่องพวกนี้เนี่ยมันคือมาจํากัดกันการการอยู่รอดของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นจะเป็การจํากัดในการอยู่รอดของเราสิ่งที่เราต้องชดเชยคือชดเชยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เราคงจะไปทําความสะอาดโลกใบนี้ไม่ได้โดยการปลูกต้นไม้ที่หลังคาบ้าน มันก็ยังไม่พอเนี่อเหรอไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องต้านสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เรารู้และสิ่งนั้นก็คืออย่างที่ลินพูดวันนี้ก็คือเรื่องของโรคเสื่อมโรคเสื่อมส่วนใหญ่ะเราใช้คําว่าส่วนใหญ่ก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นโรคเสื่อมโรคเสื่อมมีอะไรบ้างอ่จดมาให้คร่าวๆต้อกระจกต้หินต้ลมเนี่อเหรอไหมคะนี่ก็โรคเสื่อมนะคะเอวไซเมอร์เมื่อกี้ก็โรคเสื่อมพากินสันก็โรคเสื่อมนะะโรคพวกแบบ ที่กเกี่ยวกับระบบภาษาทั้งหลายนี่ก็มีส่วนในโรคเสื่อมมีส่วนหนึ่งที่เป็นมีส่วนที่เป็นไม่บาลานซ์ทางเคมีนะคะมีเรื่องของเบาหวานยอดหิตมากความดันหัวใจหลอดเลือดใช่ไหมคะพวกนี้ก็คืออยู่ในหมวดเดียวกันหมดเลยแล้วโรคที่ไร่แ ล, ล, ล้วไล่สุดก็คือมะเรง็งเนี่ยหลายก็คือโรคที่เราเห็นในชีวิตประจำวันพวกนี้คือเกิดจากการเสื่อมของร่างกายที่ไม่ได้เติบโตตามปกติหรือไม่ได้ขยายหรือว่าแตกตัวของเซลตามปกติ พอมันไม่ทําทำตามปกติแล้วเนี่ยมันก็จะทำอะไรเพีย้ยนๆแล้วมันเกิดอะไรบ้างนะคะอะอย่างเช่นเดี๋ยวหนูอยากจะใช้วิดีโอหกฮีโร่ Hero, แต่ว่าเดี๋ยวเราอธิบายต่อกนิดนึงก่อนนะคะยนคิดว่าเราต้องเคลียร์เรื่องนี้นนอีกนิดนึงอะนะคะมีเรื่องของ SLE รู้จัก SLE ลใช่ไหมคะ SLE นะคะเป็นโรคเสื่อมทางทางภูมิต้านทานคือภูมิต้านทานทางานผิดปกตินะคะคือไม่ ไม่เข้าใจแล้วว่าใครคือเพื่อนใครคือศัตรู oh, <yeah. S 1> ปกติในร่างกายเราภูมิต้านทานเรานะคะก็เปรียบเสมือนแบบทหารนี่ยโคจรอยู่ในร่างกายเรานะคะเขาก็จะคอยดูตรวจตาเรียบร้อยไอ้นี่ผิดปกติไปซ่อมไอ้นี่ผิดปกติไปฆ่าเนื่องออกไหมคะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นนะคะก็ไปกินเซลล์มะเร็งซะแล้วก็เอาไปกําจัดที่ตับแล้วก็ถ่ายออกไปนะคะแต่ถ้าเกิดวันที่ภูมิต้านทานเรามันเอออะ mm hmm. คือเราให้เงินเดือนมันไม่ดีอะทหารนี่ย มันก็โกงกินน่ะนึกออกปะปล่อยให้คนเข้ามานึนกออต่างชาติเข้ามาในประเทศเรามาห า, หากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ประมาณนี้อะ่ะเราก็ไม่ได้ให้เงินเดือนเขาดีก็คือเราขาดโปรตีนให้เขาเราขาดสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายเราก็ไม่ได้ให้สิ่งที่เขาต้องการเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเราบิจีนอะไรแทนคะคุกกี้เค้กโดนัทเมื่อกีน้นี่วิดีโอทรานส์ฟัตทั้งหลายทั้งทรานส์ฟตทั้งซาชูเรตฟต นะทั้งหลายเนี่ยเราก็กินเข้าไปนะคะแล้วปรากฏว่ามันก็เลยทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักกว่าเดิมหลายคนบอกเล่นบอกว่าเนี่ยครึ่งของอากายมีทําไมนีม่บอกว่าเออเนาะมีทําไมวะเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะไม่มีภูมินี่บอกอยู่ข้างนอกมีภูมิไม่พออีกเหรออยู่ที่นอนนอนในบ้านต้องจะหลับต้อ ง, องมีภูมิด้วยเหรอ้ว mm hmm. ขณะที่หลับเนี่ยไม่อยากให้ร่างกายมันรีแลกซ์จากเรื่องนี้แล้วไปทําอย่างอื่นที่สําคัญกว่านี้เช่นซ mm ่อมแซมร่างกายบ้างเหรอ ใช่ไหมคะเหมือนกัรนนะันหรือว่าร่างกายเราเนี่ยมันนิดไทม์มีดาวไทม์อะดาวทามที่มันสามารถเอาไปซ่อมแซมร่างกายได้อะถ้าเรานอนในเวลาที่เรานอนเรายัางนอนได้ไม่เต็มอิ่มแล้วเรายังมีสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนให้ร่างกายเราไปซ่อมอะถ้าอย่างนี้ร่างกายเราก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆคนบางคนก็จะแก่ก่อนวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณใช่ไหมคะคือดูง่ายๆเลยน ะ, ะผิวพรรณความเฟิร์มของร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องของแบบความอืดอะ นึกออกไคะคือความความอืดความอดทนบางทีง่วงง่ายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนึกออกไหมพวกเรื่องพวกนี้เป็นอินดิเคเตอร์เป็นจุดบอกบ่งบอกเราหมดเลยว่าร่างกายเราเนี่ยคือไม่สมบูรณ์อ่ะไม่สมบูรณ์สูงสุดในง่าว่าน้ำมันอาจจะเต็มถังหรือไม่เต็มถังน้ํามันเครื่องอาจจะพล่องนึกออกไหมคะคือเราลองคิดถึงเรื่องสภาพของตัวเราเองว่าร่างกายเราปัจจุบันเนี้ยมันมีอะไรที่มันสามารถขาดหายไปได้บ้างอ่าโรคเสื่อมนะคะก็ยกตัวอย่างอ่าโรกกระดูกพรุน โรคเสื่อมเดียวนะคะโรเมื่อกี้ที่พูดถึงภูมิต้านทานมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะเอ่อที่ดอมพูดถึงคือลูมิต้ยพูดถึงเรื่องพวกโรคเกี่ยวกับข้อทั้งหลายเกาอะไรพวกนี้นะคะเกาเนี่ยคือเกิดจากสารอาหารเกินนะคะแล้วก็เรื่องของแบบว่าสมองเสื่อมมีอัลไซเมอร์ถูกไหมคะแต่ว่าโรคภูมิต้านทานทําลายตัวเองเนี่ยมีอีกมีภูมิต้านทานทําลายไปประสาทภาษาอังกฤษอเมริกาฮิตมากก็คือมัลติโพลส์กลอซิสมัลติโพลส์กลอซิสเป็นกันเยอะมากน ะ, ะแล้วว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมด้วยยานะคะแล้วก็กดภูมิด้วยสเตีรอยกดภูมิด้วยสเตีรอยก็นับเขาดาวไปเลยอีกห้าปีชีวิตก็คงจะไม่ใกล้ไม่ไม่รอดดีเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเนี่ยอยู่าที่บอกว่าการทานยานะคะจริงๆมีผลกระทบนะคะกับร่างกายเรามีผลข้างเคียงกับร่างกายเราบางทีร้ายแรงกว่าโรคเดิมอีกอย่างคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยทานยาไปทานยามานะคะกลายเป็นกลายเป็นโรคข้อเสื่อมกลายเป็นน้ําหนัก เกินกลายเป็นฮอร์โมนผิดปกติคือแบบมันเยอะแยมเอ า, เอ า, เอาไม่ต้องอะไรมากมายเป็นโรคข้อกินยารักษาโรคข้อเป็นโรคกระเพาะต่อเพราะว่ายานั้นไปกันกระเพาะใช่ไหมคะแล้วบางทีเราก็ชอบเวาลาคนเป็นโรคพวกหลอดเลือดตีบหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีเรื่องการทานแอสไพรินใช่ไหมคะแอสไพรินการทานเบบี้แอสไพริ น, รน Baby เพื่อให้เลือดมันใสปรากฏว่าเบบี้แอสไพรินนะคะก็มีฤทธิ์ในการกด กัดกัดผนังลํากระเพาะของเราทําให้ผนังลากระเพาะของเราอ่อนแอลงเวลามีเชื้อโรคมาติดง่ายติดง่ายเป็นโรคกระเพาะต่ออีกก็เนี่ยค่ะเรื่องเราพวกยาพวกนี้นะคะผลข้างเคียงเนี่ยเวลาบริษัทยาที่เมืองนอกประเทศไทยไม่ค่อยมีนะคะว่ากินอะไรนะกินยาถ้าน้ําขาวตากระต่ายบินได้กี่ขวดแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรไม่มีบอกนึกออกไหมคะคือ <c oughs> ช่วยไม่ได้นะคะเป็นเองเป็นอะไรก็เป็นเอง ก็แต่ว่ายายาที่เมืองนอกเนี่ยเวลาเขาเขียน side effect ของยาเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่กลัวจะต้องถูกฟ้องต้องแจ้งให้ทราบก่อนแล้วยาบางทีนะคะคือลิสต์รายการของยาที่เราทานเนี่ยโอ้โหแบบการผลกระทบผลข้างเคียงของยาเยอะมากมนะคะเพราะฉะนั้นในการถ้าเราไม่เป็นโรคซะก่อนก็น่าจะดีกว่านะคะ โอเคเดี๋ยวินจวันนี้เดี๋ยวเราจะเจาะนิดนึงนะคะในเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจเพราะว่าเป็นโรคที่คอมมอนมากแล้วเดี๋ยวหลังกลับมาแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องเบาหวานโอเคค่ะขอเชิญวิดีโอนะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ทําขึ้นโดยบริษัทอัมเวย์นะคะแล้วก็เป็นวิดีโอที่น่ารักมากเพราะมันจะเป็นการ์ตูนนะวันนี้เราก็ย้อนไหวนิดนึงดูการ์ตูนกันนะคะอะไรฮะ ลาบูตอ๋อเราต้องต้องคุยต่ออีกสองนาทีใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นเราคุยเรื่องเบาหวานกันต่อไม่เี๋ืวเลยล่าให้ฟังเรื่องหลอดเลือดดีกว่านะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะงงเมื่อกี้นี้เนี่ยเดี๋ยวดี๋ยวในวิดีโอเขาจะอธิบายได้ค่อนข้างชาัดเจนเลยว่า LDL HDL ต่างกันยังไงแต่ให้เราจําง่ายๆนะคะเอ่อบางคนไม่ไม่ไม่แน่ใจว่า HDL LDL ไหนาตัวดีไหนาตัวร้ายนะคะก็จาได้ว่าจาไว้ว่าโล Density Lipoprotein นะคะก็คือ LDL low ก็แปลว่าต่ำต่ำแปลว่าเร็วเนะว่าต่ำซ้ำนะต่ำซ้ำทำ้ายร่างกายเรานะคะแล้วก็ HDL น ะ, ะจริงๆแล้วเป็นตัวที่พา LDL ออกไปเป็นเหมือนลูกพี่อ่ะเหมือน LDL ที่เป็นแบบเด็กเกเรเนะะื้ออก่าแล้วก็ต้องมีลูกพี่คนหนึ่งเป็น HDL HDL เนี่ยคอยไว้มึงมากไปแล้วไปนี่เนื้อาเอาไปเก็บอ่านะะอันไหนถ้า LDL มันเยอะพี่เลี้ยงไม่พอทำไง ช่วยเลยนึกออกไหมคะก็กลายไปว่า LD L D L ก็จะ d o m i n a t ไปหมดเลยแล้วก็จะทําให้หลอดเลือดของเรานะคะหลอดเลือดของเราเนี่ยเต็มไปด้วยไอตัวเนี้ low density เวลาอะไรที่มีมีมีความหนาแน่นน้อยใช่ไหมคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรคะมันก็จะลอยไปหมดเลย <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ป่ะน้ําแข็งก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําถูกไหมคะมันก็ลอยอืมนะคะเฮ้ยนั่นก็คือ มันก็จะลอยไปทั่วไปหมดเลยแล้วก็จะไป i n f e c ์ส่วนต่างๆนะคะมันก็จะไม่มีทิศทางคล้ายๆกับแบบไม่มีไม่มีอะไรต้านมันไว้เลยนะคะยังไม่ได้เหรอจ๊ะเอได้แล้วเชิญค่ะเชิญค่ะโอเคนั้นเชนิญชมวิดีโอนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นภัยเงียบ ขางชีวิตของคนที่เรารักไปอย่างกระทันหันโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อป้องกันและห่างไกลาจากโรคนี้ให้มากที่สุดเราจะเป็นต้องทำความรู้จักกับการทํางานของหัวใจกันก่อนหัวใจเรามีขนาดเท่ากับป้านมือแม้จะเล็กแต่ก็ทํางานหนักไม่เคยหยุดในหนึ่งวันหัวใจเราเต้นเฉลี่ย ก, กว่าแสนครั้งและหัวใจนี้ที่สูบฉีดเลือดที่หมุนเวียนทั่วร่างกายถ้าหยุด เ, เต้นเมื่อไหร่ระบบต่างๆในร่างกายของเราก็จะล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด หัวใจมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อประกอบด้วยเส้นเลือดจำนวนมากแบ่งเป็นเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงปัญหาของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเกิดที่เส้นเลือดแดงเป็นหลักหลอดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดเพื่อเข้าสู่หัวใจและส่งต่อให้หัวใจกระจายออกซิเจนสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายหลอดเลือดต่างๆมีลักษณะเหมือนหลอดด้านในเป็นช่องว่างไว้ลําเลียงอนุภาคต่างๆของเลือดภายในหลอดเลือดมีอนุภาคต่างๆมากมายแบ่งออกเป็นสองจำพวกใหญ่ๆคือเม็ดเลือดซึ่งประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดง มีหน้าที่รับเลียองออกซิเจนจากปอดไปยังหัวใจเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่คล้ายกับตํารวจคอยตรวจตราและขจัดสิ่งแตกปลอมในร่างกายส่วนไขมันได้แก่ไขมัน VLDL เป็นไขมันที่สังเคราะห์จากตับออกมาไหลเวียนในกระแสะเลือดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหากระดับไตรกลีเซอไรสูง VLDL ที่เปรียบเสมือนกองทัพเสริมผู้หลายนอกจากเปลี่ยนเป็น LDL ได้แล้วยังรบกวนการทํา ง, งานของไขมันดี HDL อีกด้วย ไขมันตัวร้ายเรียกว่า LDL เป็นตัวการหลักทําให้คอเลสเตอรอลตัวร้ายในหลอดเลือดสูงเปรียบเสมือนเป็นผู้ร้ายสร้างปัญหาโรคหัวใจให้กับเราไขามันดีเรียกว่า HDL มีหน้าที่นํำคอเลสเตอรอลตัวร้ายกลับไปฟอกที่ตับการมี HDL มากๆจะช่วยให้คอเลสเตอรอลตัวร้ายในหลอดเลือดลดลงยืดไหลเวียนได้ดีโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีไตรกลีเซอไรด์สูงภาวะไขมันตัวร้าย LDL สูง ภาวะสารต้านอนุมูลอิสระต่ำหรือความดันในหลอดเลือดผิด ป, ปกติเมื่อระดับไตรกลีเซอไรสูง (LDL) จะเปลี่ยนตัวเองเป็นไขมันตัวร้าย (LDL) ซึ่งตอนแรกยังมีขนาดปกติแต่หากระดับไตรกลีเซอไรยังคงสูง LDL จะแปลงสภาพเป็น LDL ที่มีเม็ดเล็กลงเรียกกันว่า Small er Dense LDL หรือ S-DL DL แหล่งริ์ระดานหลอดเลือดเมื่อมีขนาดเล็กลงเป็น S-DL DL มันก็จะสามารถเคลื่อนตัวเข้าไปในช่องว่างระหว่างเซลล์ของผนังหลอดเลือดได้และฝังตัวอยู่ในผนังหลอดเลือดหากร่างกายของเรามีสภาวะต้านออกซิเดชั่นต่ำหรือที่เรียกกันว่าร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระต่ำสภาวะนี้เองที่ทําให้เจ้า S D L D L ที่ฝังในผนังหลอดเลือดแต่สภาพเป็น O อกซิไดซ L D L เมื่อเกิด O อกซิไดซ L D L ระบบในร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นร่างกายของเราก็จะสั่งให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปจัดการกับ O อกซิไดซ L D L จากนั้นเม็ดเลือดขาวจะจับกิน L, ออกซิไดซ์ LDL เกิดกระบวนการแปลงสภาพเม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์โฟมทาให้เซลล์ตายลงเกิดการสะสมของคอเลสเตอรอลโปรตีนและแร่ธาตุและสะสมกายเป็นตะกรันไขมันหรือพลักที่เกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดเมื่อมีการสะสมคราบตะกรันไขมันในผนังหลอดเลือดมากผนังหลอดเลือดจะดค่อยๆถูกดันตัวขึ้นและแน่นอนช่องว่างในหลอดเลือดก็จะถูกบีบให้ตีบเล็กลงทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกขณะเดียวกัน การสะสมของไขมันและแร่ธาตุส่งผลที่หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นกระเทาะหรือปริแตกง่ายและเมื่อมีการปริแตกร่างกายจะสร้างริมเลือดมากเกออพอกภูสะสมมากขึ้นมีผลทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นตีบหนักเข้าไปอีกยิ่งทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจคือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันไม่สามารถลำเลียงเลือดสู่หัวใจได้สะดวกร่างกายก็จะส่งสัญญาณเตือนในการรู้สึกเจ็บแน่นหน้า อ, อกด้านซ้ายบางครั้งปวดร้าวไปที่คอแขนซ้าย ด, ด้านรับแหว หลังหรือท้องส่วนบนสุดท้ายเมื่อหลอดเลือดมีอาการติดมากๆหากยื่นเลือดมาปิดกั้นหรือจะไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันเกิดภาวะตันทําให้หัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายและเสียชีวิตในที่สุดอาการหลอดเลือดตีไม่ได้เกิดที่หัวใจที่เดียวถ้าหากอาการนี้เกิดที่หลอดเลือดฝอยในสมองสมองก็จะขาดเลือดขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเกิดอาการสมองวายหรือสโตร์อาจเสียชีวิตฉับพลันหรือหากรอดชีวิตโอกาสพิการก็หนีมาก แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมี2ปัจจัยปัจจัยแรกที่เราเหลีเลี่ยงไม่ได้คือพันธุกรรมถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเป็นโรคนี้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกันปัจจัยที่2เกิดจากตัวคุณเองเริ่มจากพฤติกรรมการการินที่ไม่สมดุลกินหวานมันเค็มแต่กินผักและผลไม้น้นยนอยภาวะน้ําหนักเกินทุ้งใหญ่ โรคอวนที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของทางเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อมาคือการไม่ออกกำลังกายไม่กระฉับกระเฉงสภาวะความเครียดจากการทำงานการพักผ่อนไม่เพียงพอการสูบบุหรี่นอกจากนี้ยังรวมถึงการมีโรคประจำตัวหรืออาการผิดปกติต่างๆเช่นโรคเบาหวานระดับน้ำตาลมากกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรความดันโลหิตสูงโดยค่าบนไม่ควรมากกว่า140มิลลิเมตรป ร, รอท และค่าล่างไม่เกิน90ม mm มปรลอดรวมถึงสภาวะผิดปกติต่างๆในร่างกายเช่นระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูงมากกว่า200มิกรัมต่อเดซิลิตรระดับโฮโม ซ, ซิสเตอินสูงหรือภาวะอักเสบก็ล้วนเป็นปัจจัยทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ทั้งนั้นและนี่คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวงังในปี2 5งพโรคหัวใจและหลอดเลือดฆ่าชีวิตคนทั่วโลกปีละ17ล้านคน และคาดการว่าปี2573จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นประมาณ 30% หรือประมาณ22ล้านคนทั่วโลกในประเทศไทยจากสถิติล่าสุดพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดชั่วโมงละ2คนแล้วเราจะหยุดความเสี่ยงนี้ได้หรือคำตอบสุดท้ายคือดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องและมีโภชนาการที่สมดุลโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีประโยชนต์ต่อหัวใจ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงสารอาหาร6ชนิดที่เปรียบเสมือนมีโรคทั้ง6ที่คอยดูแลหัวใจของคุณมีโรคเหล่านี้คือใครกันมีโรคทั้ง6จะดูแลเราให้ห่างไกลาจากโรคหัวใจได้อย่างไรเรามารู้จักมีโรคแต่ละตัวกันเลยมีโรคแรกไ h Oil หรือน้ำมันปลาคือน้ำมันที่สกัดได้จากเนื้อและหนังปลาทะเลหลายชนิดเช่นปลาแซลมอนปลาถิ่่าปลาแมคเคอเรลน้ำมันที่สกัดได้นั้น ไขมันชนิดไตรไกลเซอร์ไรที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิดโอเมก้าสที่สําคัญอยู่2ชนิดคือ EPA และ DHA EPA และ DHA สามารถทับยั้งการสังเคราะห์ไตรไกลเซอร์ไรในตับไตรไกลเซอร์ไในเลือดจึงลดลงเมื่อไม่มีภาวะไตรไกลเซอร์ไ ส, สูงไขมันตัวร้าย LDL ก็ไม่กลายสภาพเป็น s d l d l ไขมันดีหรือ HDL ก็จะมีจํานวนมากพอด้วยเหตุนี้เม็ดเลือดจึงสามารถเดินทางต่อไปได้ดี เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดทําให้ไม่เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดผีโรที่2ผู้จะมาช่วยเราคือกาะหริกหรือกระเทียมกระหริ ก, กมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งไม่ให้ s d l d l เปลี่ยนเป็น O อกซิไดซ l d l ทําให้โอกาสของการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบลดลงกาะหริกสามารถออกฤทธิ์ให้การจับตัวกันของเกล็ดเลือดลดลงจึงช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันนอกจากนี้ยังช่วยให้ภาวะบีบตัวของหลอดเลือดคลายตัวลง อนุมูลต่างๆภายในหลอดเลือดเดินทางได้ดีขึ้นและยังมีส่วนช่วยลดไตรกลีเซไรน์และความดันโลหิตพบกับมิโรที่3ากรีนทีหรือชาเขียวกรีนทีเป็นแหล่งสำคัญของไฟโตนิฟเรียนกลุ่มปลาโวนอยคือแคติชินโดยอยู่ในรูปของสารเอพิกลโลแคติชินกกลเลตหรือ EGCG สาร EGCG e มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยลดปัญหาการเกิดออกซได์ LDL ลงได้ โอกาสของการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบลดลงช่วยชะลอยับยั้งการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวเข้าสู่ผนังหลอดเลือดนอกจากนี้สารสำคัญอย่างที่อฟลาวินในชาเขียวยังช่วยลดการดูดซึมไขมันคอเลสเตอรอลจากทางเดินอาหารได้อีกด้วยฮีโร่ที่4คือวิตามินบีคอมเพล็กซ์เป็นสารอาหารกลุ่มวิตามินบี 3, หรือไนอาซินวิตามินบีวิตามินบ1 2และโฟเลตโฟเลตวิตามินบ1 2 วิตามินบ6ช่วยลดปริมาณสารโมโมซิสเตอีนซึ่งเป็นสารที่บ่งชี้ปัญหาการอักเสบภายในหลอดเลือดนำไปสู่การเกิดลิ่มเลือดปุดตันหลอดเลือดวิตามินบ3หรือไนอาซินช่วยเพิ่มการทำงานของโปรตีนโัรัคอเลสเตอรอลในตับเร่งการส่งกลับคอเลสเตอรอลสู่ตับช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันดีในเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีไม่ทำให้หัวใจของเราขาดเลือดฮีโร่ที่หเลซิตินสารส ก, กัดที่โดดเด่นจากถั่วเหลือง เลซิตินช่วยป้องกันการจับตัวของผนังหลอดเลือดทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซไรด์โดยทําให้ไขมันแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆไหลเวียนไปในกระแสะเลือดได้สะดวกขึ้นและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยการดึงคอเลสเตอรอลจากอาหารที่รับประทานเข้าไปออกทางลำไส้ใหญ่และเร่งกลไกการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลในตับเป็นองค์ประกอบของน้ําดีที่สําคัญจะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดภาวะต้านออกซิเดชั่นตับทําให้ S D L D L หลภาพเป็น o x i ซ i z ด d L D L ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดคอเลสเตอรอลแต่คงต้องร่วมมือกับอีกฮีโร่หนึ่งเอ๊ะนั่นใครที่เสริมกำลังช่วยใลสตินอยู่ฮีโร่สุดท้ายของเรา c o q วิเทฮีโร่จากสารสกัดเนื้อสัตว์ชั่วเปลือกแข็งบรอกโคลี่ที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อการดูแลหัวใจเราดังนี้ c o q วิ en, ช่วยลดปริมาณสาร C R P และโ o โมซิสเทอในเลือดลงได้สารทั้ง2ชนิดนี้ เป็นยาชนีดบ่งชี้ภาวะอักเสบภายในหลอดเลือดดังนั้นจึงส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอักเสบของหลอดเลือดลดลงนอกจากนี้ CoQ ิวเทนจะไมกล้ามหรือหัวใจแข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยดังนั้นการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการเลือกรับประทานอาหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณเองตั้งแต่วันนี้เป็นวิธีธรรมชาติที่ดีกว่าการใช้ยา หรือการรอให้เป็นแล้วจึงรักษาเมื่อคุณใส่ใจสุขภาพตนเองดูแลหัวใจให้แข็งแรงร่างกายโดยรวมก็จะแข็งแรงจะดีแค่ไหนที่คนที่เรารักจะอยู่เคียงข้างเราทุกช่วงเวลาของมิตรภาพทุกช่วงเวลาความสุขที่ใช้ร่วมกันภายในครอบครัวดูแลหัวใจของคุณและคนที่คุณรักด้วยฮฮิโร่ผู้ดูแลหัวใจคุณ จัดทำและสงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดสงวนสิทธิทุกกรณีสนุกไวหา้าขั้เติร์นมีสาระมากเลยนะคะแต่แต่ละตัวนา่ารักมากเลยนะคะวันนชอบคิวเทนมากเลยเนะ คิเทนมันดูแบบมีใส่วงใส่แว่นเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ไม่มีใครใส่งอกใน ไ, นไว้ข้างนอกเลยเนาะนะคะก็โอเคนะค <c oughs> okay, นะก็เมื่อกี้นี้เราเราเห็นใช่ไหมคะว่าสภาพของหลอดเลือดที่เกิดขึ้นเวลามีพ l a q u e b u i l d p เนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติค่ะ triglyceride เนี่ยคือไขมันที่เกิดจากพืชนะไขมันที่เกิดจากพืชบางทีมันจะเป็นพวกถัว่วเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำมันที่เกิดจากน้ํามันแบบพวกน้ํนามันปาล์มหรือน้ํามันอะไรพวกที่เราเห็นเนี่ยไอพวก saturated fat อะไรทั้งหลายที่เรากินเข้าไป จริงๆแล้วเราจะบอกว่าเวลาเราไปทานแบบไขน่นกกระทาทอดกล้วยแขกอะไรอย่างเงี้ยเราคขาไม่ถามว่าใช้น้ำมันอะไรอะ่ะถ้าเขาใช้น้ำมันปาล์มทอดเราคงไม่บอกว่าไม่กินไม่ค้าก็ตะเพิดไล่เราเลยนึออกไหมคะไม่กินเรื่องมึงไปไกลจะขายของนะคะนี่จะบอกว่าบางทีเราเลือกไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องชดเชยให้ร่างกายคือเนี่ยวันนี้ที่เรามาคุยกันทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนกับว่าเวลาเรารู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยน ะ, ะแล้วเรารู้ว่าถ้าเรากินอะไรที่เข้าไปแล้วเราควรจะดูแลตัวเองยังไง แน่ น, นอนนะลินจะบอกว่าลินเป็นคนหนึ่งใครชอบออกกําลังกายบ้างโยเว้นดอมเนี่ยต้องบอกโยเว้นเลยชอบเลยเหรอจริงเหรอวินใ น, นข่าวว่าวันก่อนไปเตะบอลเขาเติเตะกันสมชั่วโมงทุ่นสิบนาทีหมดแรงนะคะถามจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ที่เป็นเพราะว่าเราไม่ชอบออกกําลังกายเนาะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วเปล่าไม่บอกไม่เอบางทีเนี่ยแทนที่เราจะออกกําลังกายเราก็นอนดีกว่าใช่ไหมคะ เพราะว่างานที่บ้านงานที่งานของที่ออฟฟิศก็ยุ่งมากพอแล้วใช่ไหมคะจบจากศุกสาว์อาทิตย์แล้วหาโมงเย็นขับรถกลับบ้านกูจะนอนเนื่อแว้คือแบบขับรถกลับบ้านที่คิดอย่างเดียวจะนอนอย่างเดียวดึว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมากๆแล้วก็ตอนนี้เรากำลังให้ให้ไลฟ์สไตล์บางอย่างนะคะมากำหนดชีวิตของเรา บางทีนะคะมีเรื่องของแบบรันสังสรรค์กินล่องกินเล่ากับเพื่อนบ้างหรือบางทีเอนเตอร์เทนลูกค้าบ้างอย่างน้องหนานเป็นเซลอะอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องคอยดูแลลูกค้าใช่ไหมคะบางทีลูกค้านี่ก็ต้องการเยอะเยอะมากเลยนืกออกไหมทั้งกินเหล้าร้องคาราโอเกะอะไรต่ออะไรยอะแยะไปหมดนะมีน้องคนนึ่งแต่ก่อนนี้เป็นเภสัชกรแล้วเขาก็เข้ามาเรียนที่นี่แล้วเขาก็เนี่ยต้องเอนเตอร์เทนคือเขาเป็นดีเทลยาพอเป็นดีเทลยาเนี่ยก็คือตั้งแต่ลูกหมอจะไปเรียนนอกก็ต้องประส่์ลูกหมอที่ ที่สนามบินเมื่ออไหร่คือแบบจริงพาระหมอทั้งหมดคือเช็ดขี้เช็ดเยื่อให้หมอเร่ง่ายๆดีเทลยาแตนะ่แล้วก็หมออยากร้องคาราโอกเกะหมอชวนกินเหล้าหมอหมอกให้ทํานี่หมอให้ทำอะไรต้องทำหมดเลยอะ่ะโอ้โหแต่แล้วการที่เอาหาอะไรได้จากการเอาชีวิตไปแลกขนาดนี้นะเไม่รู้ว่าคุ้มมากแค่ไหนนะเงินทองที่ได้นะคะก็สรุปแล้ว มันจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็จะมีภาวะต่างๆของร่างกายถ้าเราเป็นคนดื่มเหล้าเยอะใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าการการเกิดไขมันพอกที่ที่ตับของเราแล้วโอกาสความเสี่ยงตับอย่างนี้ความเสีย่ยงของการเป็นพิชิไม่ใช่ตับโอเคตรง น, นี้คือตับอ่อนอันนี้คือตับนะคะตับนี้เป็นเป็นส่วนที่ไม่มีเส้นประสาทไม่มีใครสามารถปวดตับได้แับเดินมาโอ้โหพี่ปวดตับมากเลยไม่เป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้มันมันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีเส้นประสาทนะะและนั่นก็คือ นะใครบอกปิดตับมาตอนแหลเลยรู้เลยนะคะอืมโมนะคะก็ตับเรานะคะก็เป็นเป็น power house อย่างหนึง่งทําทุกอย่างเลยผลิตฮอร์โมนสรารพันชนิดดูแลสุขภาพเรากําจัดสารพิษเนี่ยเมื่อกี้นี้น ะ, ะ LD L D L H D L จะกําจัดออกจากร่างกายปผหานอุจจาระยังต้องใช้ตับเลยใช่ไหมคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมค้อนแรกสุดเลยเราถึงพูดว่าทําไมเราต้องทําความสะอาดตับของเราทําไมเราต้องทําความสาดลําไส้ของเราเพื่อให้มันเคลีนแล้วมันจะได้ไปทําหน้าที่ของมันได้เต็มที่ ถ้าเราตับเราทํางานได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมคะมันก็แน่นอนอยู่แล้วนึกออกไหมคะไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปทําอะไรยังไงเนี่ยก็คือมันเหมือนกับมันทําดานได้ไม่เต็มที่เหมือนเราให้คนคนนึ่งทาตําแหน่งหลายตําแหน่งในบริษัทเนี้ยทั้งรับโทรศัพท์ด้วยนึกออกไหมส่งแฟกซ์ทเอกสารทําทุกอย่างแล้วยังมาทําบัญชีอีกมันทําบัญ ช, ชีได้ไม่ดีอยู่แล้วนึกออกไหมบัญทีโทรศัพท์ก็ไม่ได้รับนะมันก็เป็นอย่างเนี้นะคะ่ะถ้าเกิดเราให้ตับเราทําหน้าที่ที่มันควรจะทํานะมนะันต้จะทําหน้าที่ของเขาได้ดี นะเมื่อกี้นี้เราก็เห็นการเกิดพลักใช่ไหมคะบางทีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงไปกิสไลด์ที่เป็นไขมันที่เกิดขึ้นจากพืช น, นะขึ้นจากพืชมันมีหลายชนิดมีหลายอย่างมากแล้วบางทีเราก็กินเกินนะคะมันคือโอเมก้า6แต่อเมก้า6มีหลายแบบมาก CLA นะคะก็เป็นโอเมก้า6ชนิดหนึ่งนะ CLA เนี่ยก็คือไอตัวที่เรากินเพื่อสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายหรือเพื่อรักษากล้ามเนื้อในร่างกายหรือเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้น เนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็คือโอเมก้าหกเหมือนกัน G L A นะคะหรือว่าไอตัวแกมมาเลโนลิกก็คือพิมลโอลสอย่างเงี้ยก็เป็นโอเมก้าหกชนิดหนึ่งนะคะน้ำมันลําข้าวอย่างเงี้ยก็เป็นโอเมก้าหกอีกชนิดหนึ่งคือมันจะมีหลายประเภทมากนะคะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเหมือนเหมือนโอเมก้าสามมี E P A กับ D H A นะคะก็โอเมก้าสามก็จะมีหมวดหมู่แยกออกไปนะคะลำตามสเตรคเจอร์ของโมเลกุล น, นั้นๆเอาเป็นว่า ถ้าเรามีแต่กีสไลด์สูงมันก็จะทําให้ LD L D L เนี่ยเป็นพิษถูกไหมคะแล้ะ L D L เนี่ยเขาถึงบอกว่าการที่จะหัวใจวายได้ไม่เกี่ยวกับระดับคอเลสเตอรอลแต่ระดับคอเลสเตอรอลสามารถบอกได้ว่าเส้นเลือดคุณเนี่ยจะติดไปถึงไหนเนี่ยเหรอไ ม, มันจะติดจนมันติดกันเลยหรือเปล่านี่แหละก็คือสิ่งที่เราต้องมาคอยระวังดูว่าทํายังไงให้เราเนี่ยรักษาระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในระดับที่ทางหมอทางแพทย์เขา recommend ได้ตัวเรนเนี่ยก็ตอนที่เข้ามาสิปีที่แล้วนะก็มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง ก็ประมาณสองร้อยอาจจะไม่ได้ว่า2สอง้อยหกิบหรือสอง้อยสิบยังไม่ได้ไปขอเลคคอร์ดจริงๆก จ, จะเอาเลคคอร์ดมาให้ดูแล้วลินก็ไปค้นหานะะเมื่อปีสองพันเก้าก็ตัว2สองพันสิบก็ตัว2สองพันสิบเอ็ดสองพสบสองสองพันสองสองพันสิบเอ็ดคือครั้งล่าสุดสิบสองยังไม่ได้ตรวจนะคะก็สิบสองเนี่ยคือมีมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์โดนตีหัวอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดก็เลยไม่ได้ไปตรวจสุขภาพนะคะ าตามที่เราไปตรวจสุขภาพเมื่อล่าสุดปี2011นะคะเขาจะชั่วจาก260หลังจากที่ตั้งใจกิน6ฮีโร่กินตั้งใจกิน6ฮีโร่เหลือ175 oh. ไม่เคยทันยาแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนนิสัยการกินนี่คือสันดาณที่เสียมากๆลินทานอาหารเสริมเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าลินต้องการจะเปนเทนไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมคือลินจำได้ว่าคุณพ่อลนเะนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาแล้วเขาก็ไปผ่าที่แอนเดอร์สัน อยู่ที่ฮิวสตันคือผ่าที่เนี่ยใช้โรบอรทผ่าคือถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยผ่าไปนะคะ 70,000 บาท 70,000 บาทเนี่ยไปผ่าที่โรงพยาบาลจุฬานะคะก็มีอาจารย์แพทย์ผ่าทุกอย่างเลยก็าอาจจะใส่ไดเปอร์ไปประมาณสามเดือนนะใส่ไดเปอร์เพราะว่าบังคับกันปัสสาวะไม่ได้บวกกับต่องรูหมากทำงานไม่ปกติก็าอาจจะทำให้ลดโอกาสที่จะทางเพศ ลงไปเยอะนะคะหรือไม่มีเลยนะคะพ่อบอกไม่เอากูไม่เสี่ยงแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติเป็นมะเร็งตับลูกหมากมีวิธีก็คือรักษาแบบแบบชีวภาพนึกออกไหมคะที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น alternative medicine อะก็คือทานแตบบ่ผักกับปลาโอ o n ี y พ่อบอกถ้ากูกินเนื้อไม่ได้ค่ากูตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่ากูน oh. ี่คือชื่อเล่นเขาที่บ้านนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยฆ่ากูเลยดีกว่าก็า ค, คือเราเป็นคนที่รักการกินมากไม่รู้ใครชอบกินไหมคะ ะะชอบทานอาหารมากหนึ่งก็เป็นคนที่แบบไข่ปลาหมึกน ะ, ะมันกุ้งนะคะปูปลาแบบทุกสิ่งทุกอย่างหอยใครชอบหอยอ <c oughs> พีก่กีแบบตั้งใจยกมือบ้างนะคะหนึ่ก็ชอบหอยนะคะโอเคบางคนไม่ชอบหอยเอานอกเลยลีกแล้วน้องๆบอกว่าเราพูดถึงของกินก็จะลืมสิ่งที่ตีต้องการพูดทั้งหมดทั้งปวงแล้วนะ เ่าก็จะมีคนที่ชอบกินอาหารเริ่มชอบกินทุ ก, ท ก, ท ก, ทกชนิดแล้วก็ไม่เคยคือวันก่อนไปกินอะไรนะที่แบบอ๋อกุ้งเต้นก <c ười> ุ้งฝอยอ่ะเรกเรียกอ่ะอืมโอ้โหชอบมากเลยอ่ะพูดน้ำลายไหลนะคะแล้วแบบทุกคนที่เห็นว่ามันยังเป็นๆอยู่เลยก้ากกินนีงไงกไ็ต้องกินตอนมันเป็นๆ น, นี่แหละจะไปกินตอนมันตายแล้วจะอร่อยตรงไหนอ่ะใช่ไหมคะส้มตํำก็ต้องปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะปูก็ต้องปูดองไงฮะโอ้โหแบบ อาว่ากันไปคือทุกอย่างอะที่กินนะคะของเรนนี่คือหอยนางรมนี่กินได้ตอนนั้นไปกินบุฟเฟ่ต์กันกินเกือบสี่สิบตัวอย่างเงี้ย oh. คือเรนไม่เคยกินอะไรแล้วคือรู้ว่าเอ้นี่คริสตมาสูงนี้เดี๋ยวต้องจัดการละจัดการด้วยอะไรอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แนะนำนะคะเรนพูดถึงว่าเรนดูแลสุขภาพตัวเองแบบนี้แลก็คือต้องจัดการกับตัวเองละเพราะว่าเราชอบกินของสิ่งเหล่านี้ เราก็ต้องระวังตัวเองในสิ่งที่เราเรากินเสริมเข้าไปด้วยเพื่อจะไปชดเชยหรือไปไปคานอำนาจของของสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายของเราใช่ไหมคะก็เนี่ยแหละเดนก็จะทําแบบนี้นะคะก็คือกินไปตลอดเวลา10ปีนี้นะคะคอเลสเตอรอลลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆปีแรกเนี่ยจาก260ร้อกส่สิบนู้หลือ220ถัดมาเหลือ200ร้อยนึกอกมคแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะร้อยแปดส้อยเจ็้าอ่าเดนก็รู้สึกว่า โอโหนเทเลสิ่งสุดยอดมากอ่ะคือบางทีเราก็ไม่เข้าใจเนาะว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ตรวจจากผลเลือดแล้วหรือว่าก็ก็น่าจะจริงอย่างเช่นเรื่องกระดูกเลยเนี่ยกระดูกพูนก็เป็นโรคเสื่อมชนิดหนึ่งนะเกิดขึ้นจากภาวะที่ร่างกายเราเนี่ยอาจจะ ก, กินพวกเนื้อกินเคมกินหวานมากเกินไปร่างกายเราเนี่ยจะดึงเอาแคลเซียมมาจากกระดูกถ้าในเลือดมีไม่พอเลือดมีเก้าสิบเก้าในเอ้ยเลือดมีหนึ่งกระดูกมีเก้าสิบเก้า เกสิบเก้าเราอาจจะไม่ได้เต็มร้อยของเก้าสิบเก้าก็ได้นะ mm hmm. ถ้าตัดกระดูกออกมาเนี่ยถ้าเกิดออกมาแล้วมันรูพุ่มันค่อนข้างโว้วอ่ะเหมือนฟองน้ําเก่าๆอะ่ะนะคะไม่เหมือนฟองน้ําใหม่ๆที่มันแน่นๆอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็กลายเป็นว่าเราก็เป็นคนที่มีภาวะกระดูกพุนผอสมควรถึงเวลาแล้วกระดูก ด, ด้านนอกนะคะมันก็จะเปล่าเพราะมันไม่มีซัพพอร์ตข้างในใช่ไหมนีม่นะคะแล้วตอนที่เรียนตรวจกระดูกนะคะ mm hmm. เมื่อตอนที่เริ่มทําธุรกิจใหม่ๆ mm hmm. ก็ลบสอง ถือว่าโอเคไม่ขี้เหล่คือคนที่คนที่เขาเป็นหมอแล้วเขามานั่งตรวจกระดูกมวลกระดูกเราเนี่ยเขาบอกว่าโอเคนะ่ะนะทานแคลเซียมเพิ่มอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วออกกําลังกาย resistance training หมายถึงว่าต้องมีไม่ใช่ว่ายน้ำมาอะไรง่ายๆว่ายน้ํามันไม่มีอะไรต้านถูกไหมฮนะเราไว่ยน้ําเราต้องเล่นอะไรแบบจ็อกกิ้งบ้างหรือเล่นออกกำลังกายอะไรที่มันแบบมันต้องมันต้องต้านอะไรกัแบบอะไรสักอย่างแล้วก็โดนแดดนะไปโดนแดดซะหน่อยตัวขาวเหลือเกินนะแล้วก็ เออแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรเงี้ยหมอก็ไล่มานะคะแล้วนึกก็ดูโอเคตั้งใจเลยค่ะจากวันนั้นนะคะทานแคลเซียม oh. ลสี่เม็ดแคลเซียมลสี่เม็ดแบบกินอย่างเงี้ยกินมาเป็นสิบปีละ oh. ปัจจุบันนี้คือประมาณเมื่อหกปีที่แล้วห้าปีที่แล้วนะคะห้าหกปีที่แล้วเนี่ยตรวจออกมาเป็นบวกหนึ่ง oh. แล้วก็ใช่บวกหนึ่ง oh. แล้วปัจจุบันเนี้ยเป็นบวกสองคือแบบ หลายๆคนบอกโอ้โหแม่ลินเนี่ยคือทานแคลเซียมคือลิต้องมานั้งตบตีกับแม่น่าดูเลยเพราะว่าแม่ลนเปกระดูกพรุนเสร็จแล้วแม่ก็บอกแม่ว่าเนี่ยมันกินแคลเซียมของนี้เสิมันบอกแม่เอาหมอให้อันนี้นึกออกไหมหมอให้อันนี้มันก็เปิดดูมันไม่มีแมกนีเซียมนึกออกไ่มมันไม่มีวิตามินดีแล้วมันจะกินเข้าไปทำไมนึกออกไ่มกินเข้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกินเข้าไปก็หายหมดมันบอกแม่มันต้องกินควบกับยาลินก็บอกโหยิ่งแล้วก็ใหญ่เลยนึกออกไ่มเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นมีปัญหาอะไรกินแคลเซียม ก็นั่งตบ ต, ตีกันนานพอสมควรนะคะก็จนกระทั่งพอเดี๋ยวนี well> ้ก็คือทานแต่แคลเซียมของนิวทีไล์แล้วก็มวลกระดูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้นี่คือกลัวมากเลาเขาหกล้มอะปกติคนแบบจะกระดูกหักที่ไหนเยอะที่สุดรู้ไหมคะขาสะโพกไม่ชอบน้ำเหรอว้าย จะที่ตื่นหน่อยไงไม่งั้นซีเรียสเหลือเกินะนะคะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ลื่นในห้องน้ำแล้วก็หกักอ่านะคะเฮ้ยยังยังไม่จบ <laughs> โอเคนะคะก็นี่แหละโรคเสื่อมต่างๆก็คือเกิดขึ้นจากการที่เราบริโภคบันสิ่งบางอย่างไม่พอแล้วมันก็เลยทำให้ไปดูดเอาเมื่อไ้ยกักย้ายถ่ายเทของน่ะจากจุดหนึ่งที่มันเคยจะเป็นสาคัญก็มาเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติเราต้องการแคลเซียมในกระดูก แล้วต้องการแคลเซียมในกระดูกแต่ว่าเราต้องการแคลเซียมในเลือดเราเพื่อมาปรับความเป็นกรดเป็นด่างของเลือดใช่ไหมเพราะถ้าเลือดเราเนี่ยเป็นกรดมากเกินไปก็เป็นแอนแอมบิเอะที่ดีมากสําหรับการเจริญเติบโ ต, ตของเซลล์มะเร็งทีนี้เราก็ต้องไปดูแล้วภูมิต้านทานเราแข็งแรงพอที่จะกําจัดอิเซล์มะเร็งนี้ออกไปจากร่างกายเราไหมนี่แหละลเรื่องที่มันจะบั่นทอนก็คือเรื่องที่เรนพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียด เรื่องของการบริโภคที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเรื่องของการอดนอนอดนเมื่อไม่ให้อดสารพัดอดอะ่ะคือเรานอนไม่พอเครียดมากนะคะสุขภาพไม่แข็งแรงแน่นอนอยู่แล้วไม่มีทางเลยนะคะที่ใครที่เครียดมากๆแล้วจะสุขภาพแข็งแรงเนาะคือ <c ười> อยู่ไม่ออกอะ่ะยังยังยังไม่เจอสักคนเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้ประสบความสําเร็จนะคะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ต, ต่างๆเจอทีไรนะคะก็ต้องมีโรคแถมมาตลอดเลย นะกับความสําเร็จนั้นมีโลกแถมเป็นรินแววด้วยเนาะมียอดธุรกิจเป็นพันล้านมีเงินเยอะแยะมากมายแล้วก็เครียดกับผลลัพธ์ของร่างกายและสุขภาพนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเราก็จะแลกความสําเร็จกับสุขภาพนั่นเองซึ่งมันก็นไม่ใช่เรื่องที่คุ้มอะ่ะแต่ถ้าสมมุติเรามีความสําเร็จด้วยมีสุขภาพด้วยดีไหมคะ ด, ดีนะคะก็ต้องดูว่าเครื่องมืออะไรจะให้สิ่งเหล่านั้นกับเราได้นะคะโอเคก็ เดี๋ยจะพูดถึงเรื่องของอ๋อเบาหวานนะเบาหวานนี่ก็เป็นเรื่องโลกหนึ่ง<ม>คือเมื่อกี้นี่เรนจะมันจะเอาแต่ว่ามันไม่มีรู้สึกเสียดายชีต์คือชีตเนี่ยมันหนาพอที่เรนจะเอามาทําให้ฟังให้ให้ฟังได้ว่าเวลาหลอดเลือดเราเนี่ยนะคะมันมีการแตกอ่ะคือมีการฉีกขาดหรือมีเกิดจากความดันสูงเนี่ยคือเมื่อกี้เรารู้แล้วความดันสูงเกิดจากอะไร ก็เหมือนเหมือนสายยางใช่ไหมคะเวลาเราล้างรถเนี่ยรถสายยางไม่มีฝักบัวไม่มีอะไรที่ปลายใช่ไหมมันก็ต้องบีบมันฮะเพื่อให้น้ํามันแรงขึ้นอพอเราบีบให้มน้ํามันแรงขึ้นก็เปลือกเสมือนหลอดเลือดเราตีบอ่ะเวลาเลือดมันทําไมเลือดมันถึงมีทําไมความดันเราถึงสูงก็เกิดขึ้นจากหลอดเลือดมันตีบพอเวลาหัวใจมันปั๊มหนึ่งทีปืดใช่ไหมก็เหมือนเราเปิดก๊อกทีนึงแล้วเราก็บีบไปสายยางมันก็พุ่งแรงมากใช่ไหมคะเวลาันพุ่งแรงมากไปเจอทางโค้งเนี่ยสวยละ แล้วถ้าสมมุติว่าเราเกิดมีสภาวะเช่นเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงทําไมคนคนเป็นเบาหวานแผลหายยากใช่ไหมคะเพราะว่าหลอดเลือดทุกอย่างมันแข็งตัว ม, ม, มันไม่มันไม่นุ่มๆอะ่ะเวลามันแข็งแข็งแล้วเนี่ยร่างกายเราอะไรที่แข็งแบบนเนื้อที่ด้านหนังที่ด้านอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปบารุงทาครีมถูยังไงมันก็ไม่นิ่มจริงป้ะเหมือนกันแต่แผลเราจะหายไม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเรามีสภาวะที่มันมีแข็งตัวอย่างเช่น หลอดเลือดที่มีน้ําตาลสูงเกินไปเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดเปราะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นเบาหวานนะเป็นแผลก็ง่ายหายก็ยากอ่ะพอหลอดเลือดมันไปเจอสิ่งนั้นก็คือคือเรียนพยายามจะให้พวกเราดูว่าชีทที่เราถืออยู่เนี่ยหนามากเลยนะคะถ้าเรนเอามีดอันหนึ่งเนี่ยนะคะแทงทะลุไปหรือว่าเอาไขาควงก็ได้หรือว่าเอาอะไรเอามีดสับก็ได้นะคะสับแบบเอาถือไว้เฉยแล้วสับเสียงมันจะดังมากเลยนะะ นั่นคือคือการจำลองเสียงของหลอดเลือดเราที่แตกในร่างกายเรานะครือแบบหรือว่ามันดังประมาณแบบแต่ว่านี่คือไซใหญ่ใช่ไหมหลอดเลือดเราไซเล็กใช่ไหมคะอ่านะคะแต่ว่าคืออินเทนซิตี้ความรุนแรงของมันคือประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคิดนะคะหมายว่าเฮ้ยทำยังไงเราต้องดูแลหลอดเลือดของเราเพราะว่าพอมันแตกปุ๊บเกิดอะไรขึ้น อีกพวก L D L เนี่ยแหละเป็นตัวที่จะไปซ่อมใช่ไหมมันจะต้องมาโปะมาอุดเอาไว้ให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันหยุดไหลอ่ะเลือดไหลอ่ะเพราะมันโปะเอาไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวเขาเรียกพวกไทมูงอ่ะมาถึงเสร็จก็มันกาะกอ่ก อ, ก อ, อ, อกก่อ่เนื้อเอาไวให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ แ, ลแล้วถ้ามันเป็น L D L เยอะอยู่ในหลอดเลือดเรามันก็จะไปโปะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยค่ะ ถ้าเราไม่ได้ทานกระเทียมไม่ทานเลซิติไม่ได้มีน้ํามันปลายอยู่ในระบบเลือดเรามันก็จะไม่มีตัวเนี้ที่ไปเอาไอ้ส่วนเกินออกคือการปะหลอดเลือดมป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรามีไขมันไม่ดีอยู่ในเลือดเยอะมันก็จะไปโปะโปะปะทับกันไปเรื่อยๆนี่ยเหรอไะแล้วมันก็จะไม่มันก็จะทําให้หลอดเลือดพื้นที่หลอดเลือดใสๆที่มันเลี่ยมๆเนี่ยมันปูดขึ้นอ่มันปูดขึ้นเลือดก็ไหลน้อยลงมก็ไหลแรงขึ้นเรื่อยๆถ้ามันตุ่มตีบไหลจุด ก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วจะบอกว่าเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นส t r o k e แล้วส t ตรกคือเส้นเลือดฝอยในสมองแตกคือโอกาสเป็นส t ตรกอีกครั้งหนึ่งนี่คือ 99% น่า ก, กลัวมากเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับเหมือนกับผนังหลอดเลือดที่มันกระเด็นหลุดออกไปเนี่ยมันก็จะวนไปอยู่ในสมองของเราแล้วก็วนเสร็จแล้วมันก็กลับไป อีกรูนึงถ้าเจอหลอดเลือดที่มันเล็กหรือว่าเลือดที่มันข้นเกินไปมันก็จะบุติดอยู่ในซอกเล็กๆของสตหลอดเลือดในสมองเราอีกอันแล้วก็จะทาให้เราหลอดเลือดก็เป็นเป็นสโ r o e อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนเป็นสโต o k นะคะหมอเนี่ยจะให้มอนิเตอร์ต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาเพราะไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเกิดขึ้นสมภาวะตรงนั้นแล้วมันไปเกิดขึ้นส่วนไหนของสมอง ไปเกิดขึ้นส่วนความจําส่วนการคิดส่วนการคํานวณอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้จริงๆว่ามันจะไปเกิดขึ้นตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องระวังนะคะเอาอย่างเงี้เราต้องเราต้องดูแลเรื่องของความข้นของเลือดสิ่งที่อยู่ในเลือดใช่ไหมะของเราให้ดีนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องออกกําลังกายเนี่ยอันนี้เนี่ยคือสุดแล้วแต่ละนะอันนี้กำใครกรำมัน <laughs> นะคะบางทีเนี่ยตัวเราเองก็พูดมากไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนชอบออกําลังกายไง ถูกไหมคะพอเรารู้สึกว่าเอ้ยสุขภาพเราเริ่มไม่โอเคแล้วเราก็จะพยายามออกกําลังกายบ้างนิดหน่อยน ะ, ะก็จะเดินไกลขึ้นเดินขึ้นบันไดบ้างอะไรบ้างหรือเวลาที่ขึ้นลิฟต์ไดอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับฉันได้เยอะละน ะ, ะเอาไปว่าเดี๋ยวกินเอาแทนแล้วกัน mm hmm. ง่ายดีนะคะแต่ว่ามันมีทั้งมันมีส่วนสัดส่วนพอสมควรต่อกันการพักผ่อนไม่เครียดนะคะการกินการนอนนะคะมันมีหลายส่วน มีทั้งส่วนที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะเช่นสภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะและอยู่ในงานที่เครียดต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะอยู่ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันก็ไม่มีทางเครียดน้อยลงหรอกค่ะเพ mm ีย hmm. งแต่เราชินกับมันเราก็เลยรู้สึกว่ามันดูเครียดน้อยลงนะคะ mm hmm. โอเคอืต่อนะคะก็คือเรื่องของเมื่อกี้นี้เราคุยถึงเรื่องวิธีการเกิดขึ้นหรือของหลอดเลือดคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่จะเป็นความดันด้วยภาวะที่กลายเป็นว่าหลอดเลือดมันเปราะใช่ไหมคะ พอหลอดเลือดมันเปราะเสร็จปุ๊บมันก็แตกหรือฉีกขาดมันก็จะมีอะไรมาปะพอปะเสร็จมันก็ตีบพอตีบเสร็จมันก็แหลงอ่านะคะคนที่เป็นความดันแล้วก็มาเป็นเบาหวานบางทีก็ก็มีเหมือนกันนะคะคือพวกนี้มันคือเกิดจากการเสื่อมเสื่อมเนี่ยเสื่อมของตับตับอ่อนนึกออกไหคะพวกนี้นี่คือเป็นตัวที่ทําความสะอาดทําความสะอาดเลือดเราเป็นตัวกําจัดคอเลสเตอรอลเป็นตัวควบคุมคอเลสเตอรอลเรง่ายๆ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าในการทํางานของตับไตของเราใน ใ, ในในท้องของเราเนี่ยไม่ดีหรือว่าเราปล่อย ใ, ให้มันเสื่อมเสื่อมก็คือไม่คิดดอมพูดถึงอนุโมนิศาว่าอนุโมทิศาสามารถทำให้มันแก่ก็ได้หรือทําให้มันเสื่อมก็ได้ใช่ไหมคะเสื่อมก็คือแก่ก็คือตายไปเลยหรือว่าแก่แล้วไม่ได้ถูกทดแทนใช่ไหมคะก็คือหมายถึงว่าเซลล์เราเนี่ยคือตายไปแล้วไม่ได้ถูกสร้างมาทดแทนมันก็ตายไปเฉยเฉยแล้วมันก็จะมีส่วนที่เสื่อมนั่นหมายความว่าบางทีเนี่ย การการการแบ่งตัวของเซลล์ของเราผิดปกติเพราะว่า d ีเมันเพีย้ยนจากการกินสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนถ้าสมมุติว่ามันขยายไปแค่ห น, นึ่งสองสามอันเนี้ยก็แล้วไปแต่ถ้ามันขยายต่อเนื่องขยายขยายขยายต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวอย่างเช่นพวกเซลเล์มะเร็งอย่างนี้ใช่ไหมคะเซลเล์มะเร็งนี่ก็คือความเพีย้ยนคือเซลเ ล, ล์มะเร็งเรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วทุกคนมีไม่มีสารต้านอนุมูลสสารเพื่อควบคุมมันไว้ อนมูลอิสรเยอะเกินไปก็จะไปทําให้เซลล์ตัวอื่นมันเพี้ยนพอเซลล์เพี้ยนแล้วมันกลายเป็นเซลล์ที่ผลิตเนื้อเยื่อสมมุติเซลล์นี้แตกตัวเพื่อมาสร้างเนื้อเยื่อใหม่มันก็สร้างเนื้อเยื่อสร้างเนื้อเยื่อสร้างเนื้อเยื่อแล้วมันเพี้ยนจากเดิมมีสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นภูมิ ด, ด้านทานเราโงมองอัี้ไม่ใช่อันี้ไม่ใช่กูมันก็ไปโจมตีใช่ไหมคะเกิดขึ้นจากการการเป็น SLE เนี่ย นะกันเป็น SLE ก็คือโรคเสื่อมที่ร่างกายเราเนี่ยไปเจอเนื้อเยื่อที่มันไม่มันเหมือนก็นจะใช่ของเราแต่มันไม่ใช่เลยทีเดียวอะ่ะมันไม่มีแบบว่าอ๋อเพี้ยนนิดนึงอ๋อโอเคหนะ้าใครกันเป็นพี่น้องกันได้ไปไปไปไม่มีนะคะนะการทํางานของเขาคือไม่ได้เอาอารมณ์มาจาัดก็คือจัดจากแฟกดูแฟกตรงนี้ไม่ใช่เราก็คือโจมตีดูแฟกตรงนี้ใช่เราก็คือจไม่โจมตีแต่ว่าบางทีเนี่ยไอตัวภูมิด้านทานเรามันก็ติงตองใช่ปะ เพราะว่าเราให้อาหารมันไม่ดีเนี่ยบอกว่ามันก็ทํางานมั่วซั่วคนใช่ก็บอกไม่ใช่บ้างคนไม่ใช่ก็บอกใช่บ้างอย่างเงี้ยร่างกายเราก็เลยเรี่ย อ, อกว่ากระหันเละเทะไปหมดข้างในนี่าราคาก็คือจุดเริ่มต้นของการทําการทานสารอาหารที่ดีนึกว่าธรรมชาติไม่ทําลายธรรมชาติสิ่งที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าเราทานสารอาหารที่ร่างกายเราต้องการใช้ก่อนแล้วให้ร่างกายเราเนี่ยไปจัดสรรปันส่วนในการซ่อมแซม แล้วถ้าร่างกายเราจัดสรรส่วนซ่อมแซมแล้วแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเมื่อนั้นไปหาหมอแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติเราเป็นโรคแล้วมันจะบอกว่าไม่ใช่ให้ทานอาหารเสริมนะคะก็ต้องหาหมออยู่ดีเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้เราชะลอมะเร็งชะลอความดันชะลอเบาหวานออกไปได้อีกสักห้าปีหรือสิบปีคุ้มไหมอ่ะมันไม่รู้นะบางคนก็บอกว่ายัางไงก็ต้องเป็นอยู่ดีช่างมันเถอะ แต่สำหรับเรนไม่คิดอย่างงั้นนะเพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้ป่วยไงคะวันที่เราป่วยวันที่เราเป็นหวัดเฉยๆก็พอเรารู้สึกอึอดอัดแค่ไหนที่ไม่ออกจากบ้านน่ะใช่ป่ะไปไหนไม่ได้ต้องพักผ่อนน่ะโอ๊ยเพื่อนไปดูหนังบ้างเราจะต้องไปทํานี่ทำนั่นเนื่ยหอมีธุระอะไรเยอะแยะปะปัปงนั่นหละเรายังไม่ป่วยเราก็เลยไม่รู้สึกจะต้องรอให้เราป่วยก่อนเหรอคะเราถึงจะบอกโอ้โหรู้งี้ นี่แหละค่ะก็คือแทนสารอาหารที่เป็นเบสิกและสำคัญที่สุดสำหรับร่างกายให้เข้าไปก่อน้เราจะต้องทำอะไรเนี่ยบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้ยังน้อยไม่ได้ใช้เวลาในการเปลี่ยนภายในประมาณเดือนถึงสามเดือนข้างหน้าแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือโภชนาการของเราอ mm hmm. ย่างเมื่อกี้ที่คุยกันใช่ไหมค ะ, ะเราอาจจะลดการกินทรานส์แฟตลง แนะพวกไขมันมาการีนมาบ อ, บอยเยอะๆไปหมดเนี่ยลดการกินพวกนี้ลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มการทานอาหารเสริมและดูแลสุขภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยก็คือมีโอกาสที่เราจะได้ลดหรือชะลอโรคหลายๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเบาหวานไม่มีโรครักษาเอบลไซเมอร์ไม่มีวิธีการรักษาเมื่อกอนเล่าเรื่องเอบสไซเมอร์นิดนึงเพราะว่าวันก่อนนี้เล่าแล้วรู้สึกน้องๆเขาชอบเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องเบร akfast คำว่า breakfast เนี่ยมันมีที่มานะคะ break คือแปลว่าหักใช่ไหมคะ fast คือการอดอาหารเวลาพวกอิสลามที่เขาอดตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเขาเรียก fasting นะคะ fast ก็คือการอดอาหาร breakfast ก็คือ breakfast เนี่ยแหละก็คือเป็นการหยุดการอดอาหารระหว่างที่เรากินข้าวเย็นคนไทยกินข้าวเย็นเร็วมากกิน ข, ข้าวเย็นตั้งแต่หกโมงทุ่มหนึ่งถูกไหมคะเวลานัดเพื่อนกินข้าวแล้วกี่โมงคะทุ่มทุ่มหนึ่งเจอกัน จะไปหาร้านอาหารทุ่มหนึงเจอกันถ้าสมมุติว่าเราเคยนัดเพื่อนกินข้าวช้าไหมคะนะคะโอเคเข้าวช้าที่สําคัญมากเพราะว่าหกโมจากเวลาทุ่มหนึ่งที่เรากินข้าวเสร็จจนถึงประมาณสักสองทุ่มครึ่งเนี่ยตลอดระยะเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะสมมติสามท่มที่ต่างสี่ทุ่มห้าท่มเที่ยงคืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบชั่วโมงไม่มีน้ําตาลเข้าไปในสมองของเราเลยสมองเรานะคะกินอยู่แค่สามอย่างกินออกซิเจนกินน้ำํำเรวก็กินน้ําตาลไม่กินอย่างอื่นนะคะไ ม, ม่เกี่ยวกับโปรตีนไม่เกี่ยวอะไรเลยนี่คือสมองล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามานะคะอย่างแรกสุดเลยนะถ้าให้ดีเลยนะคะดื่มน้ําสักสองถึงสามแก้วเลยนะเพราะภาวะการขาดน้ําในช่วงที่เราหลับะ คือตื่นมาเนี่ยปปัสสาวะก่อนให้เสร็จถ้าใครติ่นไม่ปัสสาวะโอกาสในการเป็นโรครายเยอะมากนะตื่นมาเนี่ยพยายามปัสสาวะปัสสาวะเสร็จให้เป็นนิสัยเลยนะตื่นมาแล้วเดินปฉี่เลยฉี่เสร็จปุ๊บกลับมาหากินน้ําต่อกินน้ําสักสองหนึ่งสามแก้วนะคะคือประมาณสักเนี่ยประมาณครึ่งลิตรอะ่ะไม่ใช่ให้อึอึอึอึอย่างเดียวจากอึอึอก็ได้นะแต่ว่าให้ทานแบบจิบไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามหาอะไรที่หวาน เพราะว่าสมองเราใช้น้ําตาลใช่ไหมคะฝ mm hmm. รั่งเขาจะ ท, ทานอะไรตอนเช้าเลื่อนดืบนมกับกินน้ําส้ม mm hmm. อ่าเห็นไหมคะคือมันมีนัยยะว่าทําไมถึงได้ทําแบบนี้เราไม่มีวัฒนธรรมนี้นะเราตื่นเช้ามาเนี่ยเรนอยู่เชียงใหม่ก็กินน้ํขนมจีนน้าเงี้ยวอะ mm hmm. <laughs> กินแต่เช้าเนี่ยโอเวลาภัยใต้กิ น, ก, นกินแกงไปปา <laughs> เป็นอาหารเช้าโอ้โหครัวแสบท้องเลยนะคะเราไม่ชินน่ะแต่เขาก็กินกันอย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วใช่ไหม มาเป็นร้อยปีแล้วมันไม่รู้เหมือนกันใครเป็นคนใต้ไหมคะมเสนอใต้อะไรคะใต้สดดี <atto> พี่เจมส์รีบวางมือเลยนะคะเราเป็น ค, คนใต้ป่ะคะมีใครมีใครอีสานเออจริงๆค่ะคนใต้นะคะก็จะทานแกงไตปลากันแต่เช้าเลยมือแรกหนิงก็โหเอาจริงเอาจังมากกับการกินนะคะเผ็ดนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวอ่ะนะคะลินก็ มั่ก็คิดว่าเนี่ยการที่เราทานทานตอนเช้านะคะให้มีน้ําตาลไปเบร a k าว w n แล้วก็ไปเลี้ยงสมองเราเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีนะสารอาหารเหล่านี้เข้าไปอยู่ในสมองของเราไอ้หายใจมันต้องหายใจอยู่แล้วเนาะถ้าติดมาไม่มี oxygen ก็ตายแล้วอะ่ะถูกไหมคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสามอย่างที่สมองเราต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมให้เขาตลอดเวลาการขาดน้ําเนี่ยทําไมเวลาคนคนหิวน้ํามากๆคือขาดน้ำํำภาวะไฮเขเรีก เขาเรียกอะไรนะ dehydration ขอบคุณค่ะกับภาวะ d e h y d r a t ของเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมึนหัวเวียนหัวแล้วแบบเหเพราะว่าน้ำไม่ได้ไปเลี้ยงสมองไม่มีน้ำตาลเลี้ยงสมองนะสำคัญมากอะตอนเช้าเนี่ยควรจะทานอะไรสักหน่อยนึงนะคะตอนเช้าสำคัญมื้อเช้าเนี่ยให้เป็นอะไรที่ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิเปอร์ซ็นของอาหารของเราทั้งวันการทานอาหารเช้าเพิ่มขึ้นนะคะจะทาให ผู้ประพันธ์ทานเราดีขึ้นทำให้ระบบสมองเราดีขึ้นและที่สำคัญนะคะทำให้แมแทรบลิซึมของเราคือระบบเผาผลาญอาหารของเราดีขึ้นลองเพิ่มการกินอาหารเช้าขึ้นมานะคะแล้วทานปริมาณกลางวันกับเย็นให้เหมาะสมและตรงเวลาเราจะสังเกตเห็นน้ำหนักลดเธนต้อง <c oughs> <c oughs> ตกใจขนาดนั้น แล้วเราจะเห็นน้ำหนักลดอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราได้ให้แม่แท็บรื้ซึมเราเนี่ยคือเริ่มต้นทำงานดูดซึมอาหารแล้วตอนเย็นเย็นเนี่ยนะคะไม่ต้องทานหนักมากใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติกันคืนก่อนนอนนะคะเราจะแบบกินผลไม้นิดๆิดหน่อยๆน่อยนะคะโอเคได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำว่าให้ทานมื้อเย็นหนักๆแต่ส่วนใหญ่เราอะไรคะเฮ้ยทุ่มหนึ่งเจอกันใช่จัดเต็มนะคะบางทีจัดเต็มตอนห้าทุ่มอถูกเนนะคะ ก็นะเติมต้องเติมน้ำตาลนะเดี๋ยวน้าตาลเดี๋ยวสมองขาด น, น้ำตาลนานเกินไปแหมไม่เรียนแล้วได้ใช้จริงๆนะเนี่ยประชดอ่านะคะโอเคแล้วมีอะไรอีกนะคะก็เรื่องอัลไซเมอร์เราก็คุยแล้วนะคะอัลไซเมอร์นี่ไม่มีวิธีรักษามีแต่ชะลอการตายนะคะส่วนใหญ่คนที่เป็นโรวอัลไซเมอร์ก็จะตายภายในสิบปีนะคะส่วนใหญ่ บางคนก็เล็ดรอดมาถึงยี่สิบ้างนะคะสิ่งที่เราจะสูญเสียคือกินก็ลืมไม่รู้วิธีกินอะ่ะคือเห็นอาหารแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันเพราะฉะนั้นคนคนที่เป็นอัลไซเมอร์ที่วิดีโอที่ที่ดอมโชว์ก็คือจะต้องมีคนดูแลรักษายีิบสี่ชั่วโมงจะสูญเสียวิธีการอ่านการพูดการเขียนเนี่ยหรอหคะคือสูญเสียทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับสมองที่มันเอาไว้ใช้ทําอ่ะที่สมองเอาไว้ใช้ทําก็ลืมหมดทุกอย่างอะ่ะกินยิงกินไม่เป็นเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องกลยนะ แต่ต้องระวังมากๆเลยนะเพราะเป็นแล้วนี่มันหมดสิทธิ์กลัวแล้วอ่ะมันเป็นไปแล้วอ่ะนะคะแล้วมันก็จะเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆร่างกายเราก็จะลืมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ในที่สุดแล้วก็พูดอะไรไม่เป็นจําใครไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็ก็เหมือนตายแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะ น, นั้นนียก็คืออยากให้พวกเราลงในเรื่องการทนาน b r e a k f a อาหารเช้านะเรนะะนี่ตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊อย่างแรกสุดเลยคือขย่าโปรปีนกินหนึ่งแก้วนะแบบ เพราะว่าในนั้นเนี่ยมีแอคทีเมีเชอร์ี่มีฟรุกโตสเต็มที่น้ําตาลสมองไม่ขาดน้ําตาลแน่นอนนะคะดื่มน้ําคือตื่นมาเนี่ยจะมีขวดน้ําตั้งอยู่เพราะว่าเผื่อนคือ น, นอนนอนอยู่เนี่ยบางทีนอนแอร์แอร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดึงเอาน็มอยสอร์ออกจากร่างกายนะคะออกจากทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเอาอะไรไปแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันก็จะดึงความชื้นออกใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เคยเอาผักไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะมันก็จะเหลือแต่ซากน้ําถุงเต็มถุงเลยเนี่ยเหมือนกันตู้เย็นนะแอร์เหมือนกันเลยนะคะก็จะดึงความชื้นออก เพราะเรานอนในห้องแอร์เราก็จะถูกดึงความชื้นออกเราก็ต้องเติมน้ำให้ตั้งกายเราตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะของการขาดน้ำ่าไปแล้วก็อันนี้ x อนะคะไม่ใช่น้ำแดงมีวิตามินบเป็นพันเอร์เซ็น์ะคะอืม โอเคนะคะก็เป็นเรื่องกระดูกพูนเล่าแล้วนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือแคลเซียมในร่างกายเราในเลือดเนาะเราไม่พอมันก็จะไปดึงมาจากกระดูกนะเวลาดึงมาจากกระดูกโปรเซสนี้ไม่ใช่เป็นโปรเซสสะอาดมันจะมีตะกอนเหลือตะกอนนี้ถ้าตกค้างเยอะๆสะสมในถุงน้ําดีก็กลายเป็นนิ่วในถุงน้ําดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ําดีมีหลายวิธีนะคะนี่คือหนึ่งในวิธีเหล่านั้นและเป็นวิธีที่คอมมอนที่สุด ก็คือหนึ่งคือเรากรีดน้ําพวก r o อย่างเงีย้ยเยอะๆเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทําน้ําให้ดูนะคะว่าน้ําน้ําไม่ได้ถูกสร้างมาเท่ากันเส ม, มอกัน H2O ไม่เหมือนกันทุกอันนะก็คือน้ำนะคะที่เราดื่มเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นน้ําที่ไม่มีแรา่ธาตุเลยเช่นพวกน้ํากลัน่นหรือว่าเป็นน้ํา r o อย่างเงี้ยก็จะไปดูดเอาแร่ธาตุในร่างกายของเราออกมาบาลานซ์พอดูดออกมาบาลานซ์ความเป็นกรดให้มันเป็นเป็นกลางปลึบพลึบนะครับ แล้วมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยคือต้องดึงแคลเซียมออกาจากกระดูกปะเรียบร้อยเหยื่อเศษตกตะกอนในถุงน้ําดีเรียบร้อยนะคะก็ไปกลายเป็นนิ่วในถุงน้ําดีไปนะคะเอ่อนี่ก็คือเรื่องของกระดูกนะคะซึ่งแคลเซียมนี่เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นเป็นแร่ธาตุที่มีความจํา เ, เป็นสูงมากในกระดูกมีแคลเซียมก็มีแมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นอันดับสองในกระดูกเรานะคะเป็นแร่ธาตุที่เป็นอันดับสองเพราะฉะนั้นการกินทั้งสองอย่างควบคู่กันสําคัญ อาทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ในหลาเราก็พูดถึงแคลเซียมแล้วเรจะเล่าให้ฟังว่าทําไมทําไมวันนี้เราถึงมาคุยเรื่องสุขภาพแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ น, นิวทไลท์มันเกี่ยวอะไรกับ น, นิวทไลท์คือไม่ใช่เพราะว่าเราจัดคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะขายนิวทไลท์ให้พวกเราเนี่ยใช่ไหมคะแต่ให้เราเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ร่างกายต้องการและนี่คือเหตุและผลของมันถ้าวันนี้นะคะเราไปเปิดดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่าไปหาหนังสือนะคะจากการค้นคว้าวิจัยของแพทย์ก็ดีหรือว่านักโภชนาการ เราก็จะเจอสิ่งเหล่าเนี้ยอยู่ในสารอาหารปกติทั่วไปแต่ในการเลือกให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าดอมดอมจะพูดถึงเรื่องอนุโมนิสระเนี่ยอนุโมนิสลายเนี่ยทำงานกันเป็นทีมอาหารเสริมทุกชนิดทํางานเป็นทีมไม่มีใครทํางานโดดเดี่ยวนึกออกไหมคะโปรตีนนะยังต้องกินดับกินต้องกินวิตามินบค่ะเพื่อให้การเผาผลาญโปรตีนมีประสิทธิภาพ และเผาผ่านได้หมดจดและเผาผ่านได้ดีถ้าสมมุติว่าเราไม่ทานวิตามินบีให้เพียงพอเรากินโปรตีนเข้าไปนะต่อให้กินกรดอะมิโนโครบทั้งเก้าชนิดที่จําเป็นต่อร่างกายวันนี้เราเราเข้าใจเรื่องจําเป็นไม่จําเป็นบ้างเอ่ยใครยั ง, งงงงอยู่บ้างถ้าไม่งงเนี่ยจะได้ข้ามอ่อยังมีง ง, งนะคะโอเคก็เอ่อกรดอะมิโ น, โนจําเป็นนะคะมีเก้าชนิด ถ้ามีเก้าชนิดนี้สามารถสร้างต่อเป็นครบยี่สิบชนิดที่ร่างกายเราใช้ได้ร่า<ม>งกายเราเนี่ยใช้ทั้งหมดประมาณยี่สิบบางหนังสือบางวิจัยกันบางเปเปอร์ก็จะบอกยี่บสองบางงานก็จะบอกย3ิบสามนะเอาเป็นว่าทวนๆแล้วกันเนาะปัดลงจะได้ไม่ต้องถอนนะยี่สิบละกันนะเอายี่สบยี่สิบเก้าอย่างสร้างยี่สิบอย่างในกระบวนการสร้างเนี้ย ต้องมีสารเคมีและมีเอนไซม์ต้องมีฮอร์โมนต้องมีเรื่องราวต่างๆที่จะมันรวมกันเพื่อให้ไอมันเอาเก้าอย่างเนี่ยมาต่อเป็นจิ๊กซอแล้วทําให้มันครบยี่สิบชนิดอะ่ะแล้วยี่สิบชนิดเนี้ยก็ใช้ในร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการสร้างฮอร์โมนสร้างเนื้อเยื่อสร้างเส้นผมสร้างเล็บสร้างทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีบอกว่าของแข็งที่อยู่ในร่างกายเราทั้งหมดมีประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซนที่เป็นโปรตีนะ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแน่นอนมันมีความสําคัญไม่ใช่เจ็ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ใช้โปรโตีนเนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจับต้องได้ด้วยด้วยมือเราเนี่ยมีส่วนมีองค์ประกอบจากโปรโตีนเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ชัดเจนนะคะเพราะเนี่ยในการที่เราจะสร้างอาหารเสริมหรือว่าสารอาหารทํางานเป็นทีมหมดเลยวิตามินซีนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทุกคนรู้ใช่ไหมคะอ่านะคะวิตามินซีมีประโยชน์เยอะมากเลยทั้งเรื่องการสร้างคอลลาเจนใต้ผิว ใช่ไหมคะในวมื่อเป็นเรื่องของแบบการเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยนี่ก็คือวิตามินซีมีผลหมดเลยแต่วิตามินซีก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นตัวต้านหนังมูนิสระเพราะหนึ่งอย่างทําหน้าที่หลายอย่างนะคะเพราะหนึ่งอย่างทําหน้าที่หลายอย่างเราต้องกินให้พอเนาะถ้าเรากินกระยุง่งกระยิงกินหวังว่าจะได้จากส้มมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโอ้มันจะไม่มีทางได้อะ่ะส้มเนี่ยเด็ดมาจากต้นก็หายไปหกสิบสี่เปอร์เซ็ตแล้วว่าวิตามินซี ไหนจะขนส่งจากนอกเมืองมาถึงในเมืองตั้งอยู่ที่ซูเปอร์อีกสามวันกว่าเราจะไปซื้อเนี้ยแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้ววิตามินซีตายง่ายมากเลยนะคะเจออุณหภูมิที่ร้อนเกินไปก็ไม่ได้เจอแสงยูวีนานเกินไปก็ไม่ได้เพราะงี้เวลาเรามีขวดวิตามินซีอย่าไปตั้งเงินนัดต่างไม่เหรอวะสุดท้ายแล้วกินเม็ดแป้งไม่มีอะไรเลยอ่านะคะก็วิตามินซีนะคะก็ทํางานร่วมควบคู่กับตัวอื่นเวลามันเวลามันเข้าไปต้านอนมูลอิสระปุ๊บเนี่ยมันมันโดเนท มันมันบริจาคอิเล็กตรอนให้กับตัวที่มันคนที่ขาดคู่อ่ะใช่ปะ่ะคือเมียที่แบบถูกแยกถูกเมียน้อยแย่งสามีไปใช่ไหมคะอีกวิตามิน C ก็คือมาเป็นเพื่อนนะนึกออกไหมค ะ, ะไม่เป็นไเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้เป็นคู่กันก็ก็ก็บริจาคตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิตามินอก็จะตามมาแล้วก็มาบริจาคต่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นโซด์ยาวเหยียดเลยมี ครูธาตไตโอนออกซิเดสมีนืกออกไหมคือพวกสารต้านอนุมูลอิสระอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่มาจากพืชซึ่งบอกแล้วว่าธรรมชาติกอปรีไม่ได้นะคะมันก็จะมีตัวที่ส่งอิเล็กตรอนต่อส่งคู่ให้อ่ะส่งคู่ให้จนไปถึงคนหนึ่งที่แบบพร้อมจะออกบวชนึกออกไหมคะคือมันไม่อยากได้คู่แล้วกูจะออกบวชแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมึงเอาคู่ไปให้หมดเลยแล้วกูไปละเรียบร้อย นั่นแหละก็คือหน้าที่ของตัวตัวต้านอนุมูลอิสระที่ถูกต้องมันต้องทํางานกันเป็นทีมเอาเวลาทำไมเรามาคุยถึงนิวเทลไล์เมื่อกี้ลืมพูดถึงแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะะแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะมันจะมีเปเปอร์หลายอย่างมากบางงันก็บอกสี่ต่อหนึ่งบางงันก็บอกหนึ่งต่อหนึ่งน ะ, ะแต่ว่าที่ดีที่สุดนะรินเคยเจอในวิทยาศาสตร์นะคะที่ค้นพบเรื่องว่ามันจะต้องเป็นสองต่อหนึ่ง แมกนีเซียมหนึ่งตัวสามารถจับแคลเซียมเอาไว้ได้สองตัวสองตัวนี้ก็จะอยู่ในเลือดเราถ้าไม่มีแมกนีเซียมแคลเซียมก็หลุดไป <S <S ไม่มีประโยชน์ละถ้าแคลเซียมหลุดไปนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่าอย่างเงี้ยนี่คืออันดับแรกตัววิตามินดีจะช่วยให้การดูดซึมและสามารถช่วยในเรื่องของบำรุงกระดูกได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีดี D หลายดีมากแล้วตัวดีสามนี่แหละถึงจะช่วยได้นะคะอ่ะ เรื่องการวิจัยเรื่องพวกนี้นะคะโจดริขสิทธตโดยนิวทริไลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเนี่ยเรามีสูตรปุ๊บบางคนอาจจะบอกว่าสองนิดนิดหรือสามนึกออกไหมคะแล้วก็มีแมกนีเซียมหนึ่งเราจะกินเกินเข้าไปทําไมเพราะว่าหลายๆคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าการกินแคลเซียมเกินก็อันตรายเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะให้หนึ่งต่อหนึ่งแมกนีเซียมก็ทํางานได้ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าจริงๆมันจับได้สองอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือไฟเบอร์ ไฟเบอร์ละลายน้ำสี่ส่วนไม่ละลายน้ําเลยละลายน้ำหนึ่งส่วนไม่ละลายน้ ำ, ลลนำสี่ลลส่วนอย่างเงี้ยในการทําความสะอาดลาไส้ของเรานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะหรือที่คนชอบที่สุดก็คืออย่างที่เราบอกการ์ตูนคิวเทนน่ารักมากคิวเทนนี่เป็นเรื่องที่แบบ โ, โหสุดยอดมากส่วนใหญ่เราเห็นในท้องตลาดจะขายแต่คิวทนโดๆดอะ่ะแล้วเราก็รู้ว่าคิวเทนดีอ่ะเพราะว่าในครีมก็ทาหน้าก็ใส่อ่ะครีมกันเหี่ยวอะ่ะชัะ้นเวครีมกันเหี่ยวก็ใส่ ใส่เพื่ออะไรคะต้านนมุมนลยิสาดที่ผิวหน้าเราเวลามีสาร UV เข้ามาหรือว่าเนื่อหมายความเครียดความเหนื่อยการผิดปกติของการเผาผลาญใ น, นเรื่องระดับเซลล์ในบนหน้าเราก็มีค1 0เทนไปช่วยรักษาแต่ Q10 เทนี Q ่ยต้องทำงานร่วมกันกับทอรีนและแอลคาเนทีนแต่เราก็จะเห็นคนเข้าขายกันแยกๆใช่ไหมคะมีเครื่องดื่มนึงใส่แอลคาทีนมีเครื่องดื่มนึงกิน Q เทน ก็ต้องจับมากินสามอย่างหาทอรีอีกอันหนึงแล้วก็กินพร้อมกันแล้วถึงจะได้คิวเทนนะคะทอรีนเนี่ยเปรียบเสมือนในประตูของเซลลเพราะว่ามันจะมีความมันจะมีความสัมพันธ์กับ น, น้ํามันคือที่ผนังของเซลเนี่ยส่วนใหญ่จะจะเป็นน้ํามันอันนี้พูดคร่าวๆไม่พูดสตรัคเจอร์ของเปลือกเซลลนะคะเซลนอกจะเป็นน้ํามันเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวพาหับน้ํากับ น, น้ํามันเข้ากันได้ไหมคะเข้าไม่ได้ต้องมีตัวที่พาไปพามันเข้าไปทอรีนเนี่ยเหมือนในประตู แอลคาไลทีนเนี่ยเหมือนพาหนะเหมือนแท็กซี่อะแท็กซี่พาเข้าไปคุยกับทอรีนให้เปิดประตูเปิดเสร็จปุ๊บคิวเทนถึงเข้าไปในเซล์เราได้แล้วก็เข้าไปทํางานวันนี้กินคิวเทนเข้าไปนะคะกระแทกให้มันเหมือนเอเหมือนเอาคิวเทนมาขู่กบาลอะมันไม่ได้ใช้อะ่ะแล้วมีประโยชน์อะไรกับการกินน่ะนี่แหละคือสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ น, นิวทริไลต์มากๆนึถึงบอกว่าวันนี้เรากล้าพูดเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งคือธรรมชาติล้วน เมื่อกี้นี่เห็นจากดอมคือ quick do quick cool dry process อย่างเช่นกระเทียมหนึ่งหัวมาถึงไนโตรเจนเหลวฝาบนะะกระเทียมนะคะหลายคนชอบกินกุ้งช่น้ำปลานะมกินหอยนางรม ก, กินกระเทียมเมน็เมนๆมนเลยใช่ไหมคะอ่านะบางทีก็แบบโอ้โหเจอกระเทียมเจียวไปไงสัดใหญ่เลยกระเทียมเนี่ยนะคะมีฤทธิจริงๆนะมันจะมีสารชื่ออาริน อลอิเอสอยู่ในกระเทียมทั้งคู่แต่ถ้าทันทีที่เราตบสับทอดเจียวเนอกภายในสิบนาทีจะมีสารตัวหนึ่งที่สองอันนี้มารวมกันแล้วกลายเป็นอะลิซินอะลีซินเนี่ยคือตัวที่ลดคอเลสเตอรอลอะลีซินนี่แหละคือตัวออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นเราไปกินกระเทียมสับที่อยู่ในน้ำจิ้มซีฟู้ดมันไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันค้างมาเป็นชั่วโมงแล้วเนบอกว่า อาลีินอลิซินนี่หายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่กระเทียมมันถูกสับถูกอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมราต้องกินเลยนีหรอวะถ้าเราอยากได้ฤทธนั้นแล้วถ้าเราได้ฤทธนั้นนะคะส่วนใหญ่คนจะมีปัญหาเรื่องกระเพาะจะแสบท้องมากนี่ที่ไรทำไงคะฟรีซดรทุกอย่างให้สารอาหารสองตัวนี้ลงไปแบบยังไม่ได้ผสมกันแต่พอลงไปในท้องเราแล้วเนี่ยนะคะภายในยี่สิบนาทีแตกตัวแล้วผสมกันดูดซึม ก่อนที่10นาทีนั้นจะหมดแล้วแทนที่จะให้เราแสบท้องก็เอาลิคริชลิคริชคือชะเอมไม่ใช่ชะเอมชะอมไม่ใช่เฮ้ยฮะลิคริชกิดลิคริชคืออะไรชะเอมเท่หรอคะซินนามอนคืออะไรนะเฉยอบเฉยโอเคใช่ชะเอม เป็นงงแบบเซอร์เบอร์มอนกับเลกชนะชาเอมนะคะชาเอมเทศนะคะเคลือบเม็ดนิทริไลน์นะคะไอตัวเนี้ยเสร็จแล้วตอนที่เรากินเข้าไปเนี่ยทําให้เรากลืนได้ง่ายกลืนลงไปเสร็จแล้วไม่ละคายเคืองกับท้องแล้วไม่ทําให้ปากเหม็นเวลาที่กระเทียมกินแล้วปากเหม็นนะคะไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นกระเทียมแต่สังเกตไหมคะบางทีกินไปหลายชั่วโมงแล้วปากยังเหม็นอยู่เลยอะเพราะว่ามันเข้าไปในเลือดเราแล้วอยู่ในลมหายใจนะ คือกระเทียมมันแทรกซึมมากกว่าที่เราคิดเยอะเอาเป็นว่านิทรท์จัดการเรื่องนี้กินถ้ากินกระเทียมเม็ดของเราใช่ไหมคะจะไม่มีกลิ่นปากอ่ะหนึ่งเม็ดเนี่ยนะเท่ากับไม่รู้กี่กี่กลีบอะนะ่ะโดยที่เหมือนเรากรีดลงไปทั้งกลีบไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแล้วให้มันไปแตกตัวในท้องนี่คือความสุดยอด นี่มีอีกนะคะมีมีมีอะไรอีกตัวอย่างมีเยอะมากเลยนะคะแล้วเรื่องพวกนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือจดลิขสิทธิ์ไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเที่ไรใช่ไหมคะมันเป็นมันเป็นโปรดักที่เขาเรียกว่าต้องเป็น Testimonial Product เป็นสินค้าที่พูดปากต่อปากเพราะฉะนั้นมันต้องดีจริงอะไรที่มันดีต้องจดลิขสิทธิ์ให้คนอื่นก o อปีไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะคิดขึ้นมา ในวิทยาศาสตร์ที่ดอมบอกเป็นร้อยคนจบด็อกเตอร์กันหกสิมีบอร์ดแดไวิสซรีที่แบบอยู่สแตนฟอร์ดอยู่ฮาร์วิร์ดอยู่อะไรพวกนี้เนี่ยอีกประมาณสิบคนที่มาคอยแนะนำในแต่ละส่วนว่าแต่ละอย่างเนี่ยควรจะมีอะไรเป็นจุดเด่นของมันบ้างเนี่าคาะก็คือเรื่องของอย่างเช่นโปรโตีนก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีอย่างแต่ก่อนนี้เนี่ยโปรโตีนเรามีสูตรนมแล้วส่วนที่จะถกจากนมบางคนเนี่ยเซนซิทีฟมากไม่สามารถที่จะย่อยแลคแลคโสได้ พรขาดเอนไซม์ที่ชื่อแลกเทส์พอขาดเอนไซม์ตัวนี้ทําให้ท้องอืดทําให้บวมน้ําก็คือผิดปกติเพราะว่าเราไม่มีเอนไซม์ย่อยตัวเนี้ยพอถึงเวลาแล้วน้ําตาลของมันก็เข้าไปอยู่ในระบบเลือดเราใช่ไหมคะพออยู่ในเลือดเราเนี่ยอย่างที่เรียนพูดพอเวลาน้ําตาลอยู่ในเลือดเราเยอะก็เหมือนกับเราเป็นเบาหวานเนี้ยค่ะเขาก็ต้องลดลงไม่มีเอนไซม์ย่อยตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาสารอย่างอื่นเช่นแคลเซียมมาละลายเพื่อให้มันเนี่ย ปรับสภาพความเป็นการในร่างกายเราจะอยู่อย่างนี้ค่ะปรับอยู่กับการปรับสภาพความสมดุลเพราะวันนี้นะเราไม่ได้มากินเพื่อมากินอะไรเยอะๆเยอๆเยอะนี่ยเหรอไหคะที่เรามาฟังแล้วเรามาเรียนรู้เพราะเราต้องการที่จะกินให้ถูกต้องในตามปริมาณจํานวนและเหมาะกับตัวเราอ่านี่แหละคือเป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นเราต้องกินคีย์ point ์ของวันนี้คือ Balance กินยังไงก็ได้ให้บาลานซ์บาลานซ์การใช้ร่างกายของเราถ้าเราใช้ร่างกายเราหนักใช้คอนเครียดเยอะ เราต้องบาลานซ์ออฟเซตความไม่สมดุล น, นี้ยโดยการกินอาหารเสริมเพื่อไปชดเชยถ้าเราเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งต้องหาสาเหตุของโรค ก, ก่อนว่า infectious หรือ degenerative disease แล้วทานอาหารเสริมไปออฟเซ t ตถูกไหมคะออ น, นี้ข้อเท้าฉีกใช่ไหมคะเอ็นฉีกใช่ไหมคะอย่างเี้ยนะคะพยายาม Offset ตเอ็นฉี ทช่ไมเอ็นเกิดจากอะไรเอ็นเกิดจากนเนื้อเยื่อถูกไหมคะนเนื้อเยื่อเกิดจากอะไรเกิดจากโปรตีนถูกไหมค ะ, ะทีนี้เนี่ยถ้าเราทานโปรตีนในการที่เราจะรักษานเนื้อเยื่อก็จะมีโอกาสทําได้เยอะขึ้นหายเร็วขึ้นอันนี้ยนี่คือตัวอย่างแต่เท่าที่ฟังคือทานมาแล้วใช่ไหมคะทานอยู่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเอาปบมือให้เพิ่มหน่อยหนย่นะคะเอาหลาดูซิว่าลินพูดไปเยอะแย ะ, ยะมากมายนะคะ อยากรู้ไฟเบอร์ทําไมล่ะคะว่ามันอ๋อคืออย่างนี้โอเคละลายน้ํำกับไม่ละลายน้ํานะคะอาจจะยังไม่ได้อธิบายละลายน้ำกับไม่ละลายน้ํานะค ะ, จจ ะ, ละลก็คืออย่างเช่นไม่ละลายน้นะะยํ า, เ น, ลลานเนี่ยประมาณเปลือกคณะอย่างเงี้ยเคยทานไหมทานทานัทนผัดซีอิ๊วก็เดี๋ยวลหน้าจะลูดออกมาเป็นเส้นเปลือกคณาเนี่ยไม่ละลายน้ํา เวลาเราทานแอปเปิลทานสับปะรดทานแตงโมใช่ไหมคะเราก็เคียเค้ยวๆๆจนน้ำมันหายไปแล้วเราก็กลืนลงไปได้อันนี้ก็คือละลายน้ําถ้าแช่อยู่ในน้ำํำนานๆก็จะเปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือละลายน้ําเอาละ่ะทีนี้ทําไมต้องมีเยอะกว่าในตัวไม่ละลายน้ำก็คือไอ้ก้านคานาเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการกวาดลาไส้ลําไส้เราเนี่ยคือมีูมต้านทานในร่างกายเราอยู่ 80% ส่วนอืนเนี่ยคือแบบยี่สิบอะรวมกันหมดนะลาไส้นี่มีแปดสิบถ้าเราอยากภูมิต้านทันดีๆนะคะก็คือไปดูแลตรงนี้ใครน้ําเหลืองน้ําเหลืองไม่ดีเนี่ยไปดูแลภูมิต้านทันเพราะว่าสแสดงว่าระบบระบบน้ําเหลืองเราไม่มีปั๊มนะมันไหลไปตามแบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเข้าไว้คะแต่ว่าพอไปถึงต่อมน้ําเหลืองมันก็จะไปล้างล้างน้ําเหลืองเราที่ไปเก็บขยะจากส่วนต่างๆของร่างกายมาแล้วเวลาเราเป็นโลเป็นหวัดเนี่ยเวลาเขาจับต่อมน้ําเหลืองใต้ตรงเนี้ยมันถ้ามันบวมๆเนี่ยสแสดงว่า เราติดเชื้ออะไรบางอย่างอยู่แล้วร่างกายเรากําลังทําความสะอาดมันอยู่นะคะเขาก็จะดูว่าอ๋อติดเชื้อหรือเปล่าเอ้ยตอบน้าเหลืองโตอ่านนะว่าไปนะคะก็ไฟเบอร์นะคะก็จะเข้าไปเข้าไปกว่าลําไส้ทําให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นทําให้ลําไส้เราเนี่ยสามารถดูดน้ําแล้วก็เอาสารต่างๆที่ออกไปจากกากอาหารของเราเนี่ยเอาไปให้ตับกระไตฟอกแล้วล้างทําความสะอาด ตัวละลายน้ํานะคะก็มีหน้าที่สองหน้าที่หนึ่งคือเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียดีในลำไส้เราถ้าลำไส้เรามีแบคทีเรียดีมากกว่าแบคทีเรียไม่ดีระบบการดูดซึมอาหารเราก็จะดีแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือไอตัวละลายน้ําได้เนี่ยนะคะไอพวกใ ย, ย Apple แอปเปิ้ลเลยพวกนี้นะี่ยมันจะมีหน้าที่ในการดูดน้ําตาลส่วนเกินเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าเวลาเราเป็นพวกแบบคนเป็นเบาหวานเขาจะให้ทานไฟเบอร์เยอะ เพราะว่ามันจะดูดน้ําตาลส่วนน้ําตาลออกไปเยอะกว่าเราจะดูดซึมเข้าไปเนี่ยเหรอไหมคะเป็นน้าตาลเราจะเป็นต้องใช่ไหมคะจําเป็นบางคนเนาะอดนูน่นอดนี่อดน้ํายอะๆบางคนแบบกิน no ฟ a t diet อย่างเงี้ยกิน no ฟ a t diet นะกลายเป็นว่าร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าคิดจะมาพูดเรื่อง d เอ t พอพูด no fat diet ง่ายหน้าเลยนะคะ พอเรามาดูเรื่องการกินไเอทอย่างเงี้ยไม่มีไขมันเลยแล้ววิตามินที่ละลายในไขมันทำไงอ่ะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปไม่มีไม่มีพาหะพามันไปเข้าเซลล์อ่ะ mm hmm. ก็แย่เลยใช่ไหมคะบางคนอะกินโนคาร์บไดเอทอย่างเงี้ยไปเอาเอเนอร์จีจากการเบรกดาวโปรตีนกลายเป็นทําให้ร่างกายเราเนี่ยกล้ามเนื้อขาดขาดกล้ามเนื้อเพราะว่ามันเอากล้ามเนื้อเราเนี่ยไปไปไปเบรกดาวนี่ยะไรไปไปย่อยสลายเพื่อเอาเอเนอร์จีมา การทานอาหารให้สมดุลและในปริมาณที่เหมาะสมแค่นี้นะคะเราก็สามารถดูแลสุขภาพได้แล้วเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราทานอาหารสารอาหารเนี่ยไม่เหมาะสมปริมาณก็ไม่เหมาะสมเวลาก็ยิ่งไม่เหมาะสมแล้วมันจะสุขภาพดีได้ยังไงจริงไหมคะเรื่องนี้มันง่ายมากเลยคือปัญญอาหารแต่ละมือ้อนายให้ทานาห่างกันประมาณห้าชั่วโมงสมมุติเจ็ดโมงเที่ยงแล้วก็ห้าหกโมงเย็นอย่างเงี้ย ระหว่างทางก่อนจะห้าหกโมงเยนก็จะมีแนด์เป็นผลไม้เป็นอะไรอย่างนี้สัหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ได้เติมน้ําให้ให้สมองด้วยได้เติมน้ําตาลให้สมองด้วยอย่างเงี้ยนะคะใครจะกินแบบน้ําแข็งใสก็ได้แลวไม่ว่ากันเอา่าเอาไปว่าแบบทานแนด์เล็กๆน้อย ๆ, ๆก่อนนะคะก่อนทานอาหารเย็นแล้วก็ทานอาหารเย็นสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยก็ยังโอเคอยู่นะคะเราก็ทานแล้วก็ทานมื้อเบาๆเช้าเนี่ยประมาณสักสี่สเปอร์ซ็นสมสิบ ไม่ใช่สามสิบี่สิบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยี่สิบตอนเย็นเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ส่วนใหญ่นะคะเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ไปอยู่มื้อเย็นสิบเปอร์เซ็นมื้อเช้ากลางวันอีกยี่สิบใช่ไหมอ่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิัยการกินของเราใหม่ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้นะคะต้องหาวิธีชดเชยคือนจะบอกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเรามันไม่ได้เอื้อมหน่วยการดูแลสุขภาพอะถ้าไม่งั้นนะคะคือนินเคยไปลินเคยไปที่โรงงานอุตสาหกรร ทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะนักวิทยาศาสตร์และคนแพ็คกิ้งทําระบบทุกอย่างในในในโรงงานนะคะจะออกมาจะมีครูอ่ะครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะเดินมาที่ห้องแล้วก็กดกดออดเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะออกมานอกห้องแล้วก็มาออกกําลังกายได้ไหมคะห้านาทีแล้วก็กลับเข้าไปทํางานใหม่แล้วครูคนนั้นก็จะเดินไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็จะออกมาออกกําลังกายในทางที่ทำอะไรกันอ่ะเขาบอกว่าอ๋อเขาออกกําลังกายประจำชั่วโมง เวลาเรานั่งทำอะไรนานๆใช่ไหมคะบางทีเราก็เบลอเนาะผิดพลาดนะมีทีไ์ใส่ใจขนาด น, นี้นะให้พนัก ง, งานทุกคนออกมาเอ็กซ์เซทุกชั่วโมงนะ <laughs> <laughs> เพื่อให้เราเนี่ยให้คนของเขาเฟรชตลอดเวลาในการทำอาหารเสริมให้เรากินนะ <laughs> อ่ะหุยว่าไม่ธรรมดาไม่ตกมือให้มีทีไลหรอหรอยังขนลุกเลย จริงๆไปไปโรงงานไปอะไรอย่างนี้ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังกินถ้าเราจะเสียสตังกินอาหารเสริมดูแลสุขภาพทั้งทีทําไมเราไปประหยัดแล้วไปกินอะไรที่ทําให้ร่างกายเราทํางานหนักกว่าเดิมจริงไหมคะเราควรจะทานอะไรที่มันใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดแต่ลินว่าแบบให้เราไปปลูกข้าวเองไปสีข้าวเองไปทําขนมปังเองเรือเปล่า ม, มันไม่ไหวอะไหวอะคะไม่ต้องทําอาหารกินใช่ไหมคะ ก็กลับไปที่เดิมเนอะเรื่องทําอาหารกินน ะ, ะอีกที่ริมบอกว่าหลายอย่างนะคะคอมบิเนชันของสารอาหารต่างๆที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็จะมีแบบมันจะมีตัวมันเองที่เป็นธรรมชาติที่ดีอยู่แล้วแม้กระทั่งวิตามินซีล้วนะวิตามินซีเนี่ยก็คือใช้วิธี q u ควิค o ูลไดร์ฟโพซิ s เด็กจากต้นไม่เกินกี่ชั่วโมงจะต้องทําอะไรกับมันไม่เกินกี่นาทีจะต้องทําอะไรต่อจะต้องดูดน้ําออกตอนไหนจะต้องอะไรยังไงตอนไหนเนี่ยก็คือตรงนี้มันจะเป็นเรื่องที่เขาคํานวณมาเรียบร้อยแล้ว เลสิตินก็มีอ e, ีแล้วก็มีน้ำผึ้งอย่างเงี้ยเพื่อคงความสดของเลซิตินไว้ใส่ใส่ลงไปในอ e. ีใช่ไหมคะคือทุกอย่างมันมีเหตุและผลว่าทำไมมันจับมาคัพเปอมารวมกันมาจับคู่กันนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยเรื่องโรคเสื่อมนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสภาวะต่างๆรอบตัวเรานะมีแต่ไม่อำหนยให้เราสุขภาพแข็งแรงอะแล้วโรคเสื่อมพวกนี้เนี่ยคือความดันเนี่ยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นปกติ ถามคนที่อายุเกิน50ขึ้นไปนะะหรือ60ขึ้นไปเนี่ยถามกี่คนได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องความดันนะั้นโดยที่ไม่กินยารักษาความดันได้ไม่เชื่อเาหวานอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องปกติมากประเทศไทยเป็นประเทศที่ทานอะไรหวานเกินเกินพิ ก, กัดอะทุกอย่างหวานหมดอะ่ะขนมปังยังหวานเลยอะ จริงๆนะคะลินกงงมากเลยทำไมทุกอย่างต้องหวานคือเพื่อนๆที่มาจากไต้หวันมาจากมาเลเซียมาทานอะไรยังหวานหวานไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อยังหวานเลยลินก็งงมากมันก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันหวานตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเหร อ, อะคือทานอาหารนะพยายามให้รสชาติเราแบบจืดๆไว้นะคะเค็มน้อยๆเค็มเยอะเกินไปนะก็ทำให้บวมน้ําแล้วก็ทําให้ความดันสูง <c oughs> หวานเยอะไปนะคะก็ทําให้เราเป็นเบาหวานถูกไหมฮะ เรื่องราวคือเบาหวานนี่มันแค่เป็นปลายเหตุเท่านั้นนะนอกจากแคลอรี่ที่เกินความอ้วนที่เกิดแล้วน้ําตาลที่เราทานคุณภาพของแป้งที่ทานคุณภาพของข้าวที่ทานช่วยการา์นาพยายามทานแบบไม่ขัดสีการขัดสีนี่เป็นอะไรที่แบบมันหมดยุคไปแล้วนะเมื่อประมาณอืมสักร้อยถึงห้าสิบปีที่แล้วใช่ไหมคะตอนที่เริ่มมีการฟอกสีแบบขัดค้าขัดข้าวขาวน้ําตาลขาวเนี่ย ในในสังคมถือว่าคุณมีมีความร่ํารวยอะ่ะคนจะกินข้าวขาวได้คนจะกินน้ําตาลทรายขาวได้ต้องรวยคนจนเนี่ยยังกินข้าวกล้องอยู่คนจนยังกินน้ําตาลทรายแดงอยู่แต่ว่านั่นแหละคือสารอาหารทั้งหมดที่อยู่ในสิ่งที่เรากินเนี่ยเราจะไม่ได้กินมันฟรีๆถ้าเรากินข้าวขาวเราได้อย่างเดียวคือคาร์โบไฮเดรต แต่ถ้าเรากินข้าวกล้องเราได้วิตามินบีได้ข้าวได้แป้งได้เนื้อไหมคะวิตามินสารพัดชนิดที่อยู่ในข้าวกล้องอะ่ะน้ําตาลก็เหมือนกันค่ะเราไปดูดมันออกหมดเลยเหลือแต่น้ําตาลที่เป็นน้ําตาลจริงๆก็คือซูคโครสอะคือมีแต่ความหวานไม่มีสารอาหารอย่างอื่นเลยเท่ากับเรากินแคลอรี่ที่มันว่างเปล่าอะ่ะคือกินเข้าไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่มันเกิดมาเพื่อเป็นอะ ไม่หอมให้แบบแค่เนี้ยแต่ถ้าเราไม่ขัดไม่กินอย่าง ก, กินขนมปังนะคะก็พยายามทานพวกโฮลเกรนโฮลวีทนะคะเพราะว่ามันจะมีธั ญ, ญพืชอยู่ในธั ญ, ญพืช น, นั้นก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายรวมทั้งเป็นกากอาหารด้วยนะคะโอเคค่ะก็วีคําถามอะไรอยากมีใครอยากถามอะไรไหมคะหมดเวลาแล้วหมดเวลาไปนาแล้วมีใครยาถามคําถามไหมคะไม่หรอ เคลียร์มากชัดเจนสุดๆนะคะโอเคค่ะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะร่วมกันดูแลสุขภาพนะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะเฉพาะตัวก็มาถามได้นะคะยินดีมากๆเลยสหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ ฮัลโหลก่อนกลับ The After กันก่อนนะคะเพื่อนๆ